จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะได้มาร่วมสนทนาธรรมถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาท่านที่สนใจก็ขอเชิญเข้ามาสนทนาร่วมกันได้วันนี้เราก็จะไปที่โตเ ก, กียวก่อนเช่นเคยกับเด็กชายนักคุณ เด็กชายนะคุณเดินเื่อนเจ้าค่ะพระอาจารย์เคยถูกตีบ้างไหมยเคยถูกตีบ้างไหมร่เด็กสมัยนี้เขาไม่ตีะเ็หมูแต่นะเป็นุนยนเนะพระอาจารย์ถามว่าอะไรลูกถูกตีบ้างไหมยเคยถูกตีไหมใครถูกตีไหมตีใครตีหนูไ่ด้ไ่ได้ไม่มีใครตีไม่มีใครตี ไม่เคยตีเลยค่ะพระอาจารย์นั่งดีๆีหนูเกิดจะไปออฟกิมมัสมาให้ transform ไม่ transform ครับทำไมลนะทำไมนี้ก็ไม่ไ ม, ม, ม่ให้ไม่ให้ตีเด็กก็ใช่ไหมกฎหมายญี่ปุ่นด้วยค่ะพระอาจารย์ไม่ให้ตี<ด>ตีไม่ได้เลยแตะไม่ได้เลยใช่ค่ะพระอาจารย์แต่ก็แอบมีตุ๊กตั๊บนิดหน่อยค่ะมีมีอยู่มหัวกันนิดหน่อยค่ะ บ, บางบางทีก็ไม่ฟังอะไรเลยค่ะอืม มีอะไรไหมคืนนี้นะคุณไม่มีแต่จะจักก็เนื้อแท้มาชมพวกคริสต์พวพวกเหนื่อยได้มาเป็นหุ่นยนต์ออกไปจากพระอาจารย์ก่อนครับกราบครับพระอาจารย์นอนหลับฝันดีนะครับผ่วงเล่นคะน่ะพระอาจารย์วันนี้แต่เขานั่งสมาธิได้ได้นานขึ้นกว่าเดิมแล้วคะ่ะ ไ, ไ, ได้กือบไปเลยนิ้นนาทีคะ่ะพรก็ช้ใจฟูมก็จะคุยอยู่ เมื่อวันอ่าวันเสาร์ที่แล้วพาไปวัดป่าที่โตกเกียวเนี่ยค่ะเขาก็ไปนั่งสมาธิกับพระอาจารย์ที่ที่นั่นค่ะพระอาารไไนี่ค่ะปิไว้ตั้งแต่ยังน้าก็ดีจริงๆ จ, จะไปเล่นที่เป่าใบไม้ของหลวงตาของของถาวายสังฆทานก่อนแล้วว่าจะาเรยียกมานั่งสมาธิค่ะมีอะไรไหมของหนู ที่เมื่อตั้งแต่สองสาอาทิตย์ที่ผ่านมามีเวทนาเจ็บหลังเจ็บแขนมาแล้วพระอาจารย์เมตตาแนะนำว่าให้ให้สู้กับเวทนามันให้เบกขาทำอยู่กับมันให้ได้นะคะจนจนสองสามวันมานี้เริ่มชนะมันแล้วคะ่ะพระอาจารย์รู้สึกดีใจมากคือนั่งไปสักประมาณสามสิบนาทีที่มันแบบล่างมันจะ มันสั่นมันมันสั่นมันเจ็บไปทั้งตัวแต่ว่าเราก็ยังเราก็ยังจับลมหายใจได้อยู่นะคะแล้วก็มันก็ค่อยทุเลาลงมันไม่หายไปเลยแต่ว่ามันทุเลาแล้วก็เหมือนหรือว่าเราชินชาไปก็ไม่ทราบป้าขาพัาจันท์มันนั่งได้นั่งได้นานขึ้นความเจ็บมันก็ยังอยู่นะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเออไม่เดือดร้อนให้มันปล่อยให้มันเจ็บเลยกเลกทีเลกลลงไป ความอยากให้มันอยากจะลุกมันน้อยลงไปมันก็เลยอยู่ไดม้มันเป็นที่กิเลส ข, ของเรานี้เองค่ะพระอาจารย์ อ, อ, อยากจะนี้มนไม่ชอบความทุกข์ไมันไม่ชอบความเจ็บเพราะเจอความเจ็บไปอยากจะหนีหรืออยากจะให้มาาันหายค่ะนิโ อ, อพ้พึ่งพึ่งพึ่งเข้าใจเมื่อตอนเวทนามันมาเล่นงานนี้เองค่ะพระอาจารย์ว่า อุเบกขาหรือว่าการการทนอยู่กับมันให้ได้โดยที่ไม่ไปเดือดร้อนไม่อยากให้มันหายไปมันเป็นยังไงเอ่าไปใช้ธรรมะแลกรรมถ้ามันไม่ยอมก็เราพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปอ่าอย่าไปหนีจากมันสอนจิตให้ให้รับมันอยู่กับมันให้ได้ ใ, ใช้อุเบกขาใช้สติพุทโธพุทโธซ่องไปอืมรู้สึกแบบพอพอเริ่มชนะมัน พอออกมาเราก็รู้สึกว่าโอ้ทำได้แล้วก็เลยมีกำลังใจทำขึ้นเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ถ้านั่งก็ผ่านประสาคนี้ไปได้ก็จะนั่งได้นานต่อไปอมค่ะพระอาจารย์แล้วก็เลยลองลองคิดไปว่าอ๋อที่เราเจ็บนี่มันก็ก็โชคดีเหมือนกันเนะอเรามีข้อสอบเรามีเวทนามาให้ทดสอบก่อนอให้ฝึกไปก่อนตอนที่เรา ถ้าเราแก่หรือเราป่วยเจ็บหนักติดเตียงหรือเป็นอะไรเราจะได้ยอมรับกับสภาพมันได้แล้วเราก็มีจิตที่แบบสงบผ่อใสไม่เศร้าไม่ซึมเศร้าไม่หวานวิถกไม่กังวลคก็ก็มองเป็นเป็นเป็นบทเรียนเป็นเป็นครูเป็นธรรมโอเป็นธรรมโอสดม่นนี้บางทีไม่ต้องกินยาแก้ปวดด้ย ค่ะพระอาจารย์หนูไม่ได้กินยาเลยค่ะคือคุณหมอให้ยาระงับปวดมาแต่หนูก็รู้ว่ามันเป็นยาระงับปวดถ้าแค่ยาระงับปวดก็เลยคิดว่าเอองั้นก็ไม่กินดีกว่าก็ทนกับมันให้ได้แล้วกันก็ก็ก็ทนได้ค่ะรู้สึกขอบพระคุณแล้วก็ซึ้งใจในธรรมม า, มากๆเลยค่ะพระอาจารย์อืมแล้วขอบพระคุณพระพุทธเจ้านะครับครับแล้วพระอาจารย์โยพระอาจารย์ครับนีบ่ ค่ะกล่าว ข, อ, Palm, ข อ, อบพระคุณค่ะพระอาจารย์สาธุสาธุค่ะสาธ <ontin> ุค่ะไปที่จะมาแจ้งที่ที่เราจะกราะคับราชการพระอาจารย์ครับมีอะไรมาเล่าให้ฟังไหมปฏิบัติเกือบนังลงไหมด้วยเหมือนเดิมก็มีนั่งสมาธิบ้างครับบ้างนั่งหลับหรือนั่งนั่งอะไรนั่งประมาณสิบถึงสิบห้านาทีคเอบ ไม่ไม่ไม่เคยไปเกินไปกว่านี้เลยนะก็ <c oughs> บางวันก็อาจจะมีเกินนะครับอต้องพยายามนั่งให้มันได้สักครึ่งชั่วโมงที่นั่งมันต้องนานแนละ้วยังส <c oughs> ิบกว่านาทีอยู่นีในัสนามว่ายังไม่ก้าวหน้าเลยการนั่งเ <c oughs> นีอยมันอยากจะลุกก็ต้องพุทโธพุทโธพุทโธพุทโ ธ, ทธไปไม่ต้อง <c oughs> อาการหลังสนะุดของไปกระไรผมก่นหน้าฟองหลังเนื้อเอ็นกระเดกไป ช่องทน่หนูช้องที่หนูเอามาให้ทำการบ้านนิดกระไดเนี่ยควันนี้มีอะไรบ้า ง, งการบ้านช่องถึงใช่ครับการบ้านก็คืองานเกี่ยวทำครับเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร้องพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร้องพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ เรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่มพ้นความตายไปไม่ได้เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องรัดพลาดจากของนักของเจรินใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่เพื่งอาศัยเราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาท คือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรน้ำซึมไปเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดพยายามพิจารณาอยู่เรื่อยๆนะว่าร่างกายของเราเนี่มันต้องตายต้องเจ็บต้องตายนะแต่รเราไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่ต้องไปกลัวถัาเราไม่มีร่างกายเราก็อยู่ได้นะในร่างกายนี้มีอะไรบ้าง มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีสษนน้ำดีน้ำเสลจน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเงอน้ำมันข้นน้ำตาลน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูก น้ำไข่เค็มน้ำมูดน้ำน้ำมูดน้ำไข่เค็น้ำมูดน้ำลายน้ำมเหลวน้ำตาลน้ำมันข้นน้ำเหงือน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเฉลต์น้ำดีเพื่อนในสมองสีชะอาหารเก่าอาหารใหม่ใช้น้อยใส้ใหญ่ปอดไตพาปับหัวใจม้ามเพือนในกระดูกกระดูกเอน นืหนังฟันเล็กๆฝนผลไม่ไม่มีเราอยู่ในในนี้เลยใช่ไหมมีหมไม่มีครับอาการ 13.3 ไม่มีนะเราเราเป็นอาการ 13.3 ไม่ใช่ไม่มีครับไม่แค่ 13.2 นะใจไม่ไม่ไม่ไม่ตกไม่ไม่บกค้องไม่ตกหล่นนะไม่ตกหล่นไอ้ตัวเราเนี่ยแล้วมันอยู่ตรงไหนตัวเราอยู่อีกลบหนึ่งครับเนีย อยู่ที่ความคิดเราใช่ไหมใช่ครับอพอเราไม่คิดตัวเรามันก็หายไปใช่ไหมครับอืมอันนี้แหละต้องพยายามนึกบ่อยๆดูร่างกายบ่อยๆให้รู้ว่ามันไม่มีเราเราเพี้ยแต่เราครอบครองร่างกายเราเป็นยู e r เป็นคนมามเป็นเหมือนกลับมาร่างกายก็เป็นเหมือนมา้าเรามาขี่มา้า เราขี่ร่างกายนี้มเราสั่งใหร่างกายทำอะไรต่างๆทำให้ร่างกายเดยืนนั่งนอนกินดื่มอะไรต่างๆแล้วเราเป็นคนสั่งนะแต่เราไม่ได้เป็นร่างกายพยายามคิดอย่างนีงมม้อยู่บ่อยๆแล้วต่อไปเวลาร่างกายเป็นอะไรเราจะได้ไม่ไม่ไม่เดือดร้อนครับอืมโอเคนะมีอะไรไหมไม่มีแล้วครับโอเค เป็นไปที่น้องตะวันต่อเลยน้ตะวันตะวันเป็นยังไงครับเมื่อกี้ท้องอาการทานที่สองด้วยเปล่าใช่ครับท้อครับท้องอยู่นะท้องได้นะได้ครับโอเคมีคําถามอะไรไหมเอ่อเอ่อเอ่อผมแค่อยากสอถามว่าอาจารย์สุบ้าพเป็นอะไรถามอะไรนะครับ เมื่อไหร่ครับท่านจเป็นแเอา challenge กลงประชาน challenge นั่งสมาธินั่งสมิะนั่งด้กี่นาทีแล้วเดี๋ยวนี้เอ่อไนหนึ่งวันหกสบสองทีครับข้างวัตห่า่น้างกี่นาทียี่สินาทีสสิบกีทีครับนั่งได้สามสิตนาทีแล้วเหรอนั่งแบบไม่ขยับใช่ไหมคือขยับตัว ก็มีอยู่มีค น, ม, คนมันนั่งนั่งอย่าขยับตัวเลยนะเวลามันเจ็บก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปไม่ต้องขยับตัวเดี๋ยวมันหายเองมันมาเองได้เลยมันก็ไปเองได้ไม่อย่างนั้นแล้วเราคอยขยับอยู่เรือ่อยเอี๋ยวนั่งเดี๋ยวเจ็บแล้วเราขยับเดี๋ยววัเราขยับถ้าเราขยับตัวเราก็มือกลับมาเริ่มต้นใหม่ ในสบาที่นี้เราต้องแยกมันต้องการจะแยกใจล้วออกจากร่างกายแต้พอร่างกายเจ็บเราก็กลับมาขยับร่างกายเหมือนมันเลยไม่ได้แยกกันทันทีมันเจ็บประป่านมันเจ็บมาแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปแล้วดูลมไปมีคำถามอะไรรือเปล่า ไ, ไม่มีคล้ไม่มีเคุณแม่หรือมีไหมคุณแม่ คุณเจ้าค่ะพระอาจารย์โยมมีเรื่องเล่าให้พระอาจารย์ถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาพระอาจารย์เราก็อยากจะขอคําแนะนําพื้นเตอมจากพระอาจารย์ด้วยค่ะอืาก่าเออโยมมีโรคทางใจมันเป็นอยู่นานนานอยู่เจ้าค่ะเป็นโรคเกี่ยวกับตัวโกรธนะคะพระอาจารย์แล้วก็โยมพยายามหาอุบายแต่ว่าอุบายของโยมเนี่ยเ อ, อ่อโยมได้คําตอบแล้วค่ะว่าอุบายก่อนหน้านี้ยที่ใช้กับคุณคุณหนึ่งเนี่ยมัน เป็นอุบายที่โยมไปโฟกัสกับคนนี้นะคะพระอาจารย์คือมันเหมือนส่งจิตออกนอกนะคะพระอาจารย์ตอนแรกอะ่ะไ อ, ออุบายอันเนี้ยโยมก็เอาไปใช้กับคนอื่นซึ่งมันก็ได้ผลใช่ไหมคะทาให้โยมรู้สึกปกติกับเขาได้นะคะแต่กับคนคนเนี้โยมใช้หลายวิธีมากมันก็ไม่ได้ผลนะคะพระอาจารย์จนสุดท้ายแล้วเนี่ยโยมก็มาเข้าใจว่าเป็นเพราะโยมเนี่ยไปโฟกัสที่เขา ซึ่จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องย้อนกลับมาที่ตัวเองว่ามันเป็นสมบูทัยนะคะพระอาจารย์ mm hmm. ว่าที่ทุกมันเป็นสัมบูทยัยแล้วก็มาเหมือนกับว่าเอคําพูดกับ ก, การกระทำเขาเนี่ยเวลาที่เราไปรู้ว่ามันมีกิเลสเจือปนนะเป็นเป็นกิเลสที่เราตัวเราก็ไม่ชอบพยายามที่จะขัดเกลากับตัวเราออกไปแต่เวลาเขาทําเนี่ยมันก็คือเหมือนไปไปปรุงแต่งนะคะพระอาจารย์ไปพิ้งโทษเขาว่าเ อ, อทําไมเธอถึงทนอยู่ได้ยังไงกิเลสตัวนี้นะคะพระอาจารย์แล้วก็ โยโมก็ลองดูว่าเอ๊ะสิ่งที่โยโมไปไปคิดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับโยโมไปขออนุญาตของพระอาจารย์คือเหมือนไปเสือกกับกับบ้านเขานะคะีค่ะพระอาจารย์เหมือนกับว่าเห็นว่าบ้านเขาสกปรกแบบนี้ค่ะแล้วก็ไปเสือกว่าทําไมไม่ยอมทําความสะอาดเลยแล้วก็เหมือนกับเปรียบเทียบกับกับบ้านของโยโมคือใจของโยมอย่างเนี้ยค่ะว่าเออพยายามที่จะคอยรักษาความสะอาดอยู่เสมอเ น, นะคะีค่ะพอาจารย์แล้วมันก็เลยเป็นเป็นตัวทุกข์แล้วก็เป็นสมุทัยขึ้นมานะคะพระอาจารย์ก็เลยว่า ไม่ไปยุ่งไม่ไปเพ่งโทษกับคนอื่นนะคะพระอาจารย์เขาจะทําความสะอาดหรือไหมก็เขาอาจะนอนแบบสกกุขปรกเรื่องของเขาแบบนี้ค่ะพระอาจารย์อันนี้คือสมุทรไยคือความอยากของเราใช่ค่ะพระอาจารย์อยากให้เขาทําตามตามตา ม, ตามใจเราตามความคิดของเราใช่ค่ะพระอาจารย์อยากให้เขา่ปรับปรุงตัวขึ้นไอ้มันต้องอย่างนี้คนได้ยัง ไ, ไงไกิเลสแบบเห็นแก่ตัวแบบนี้อะไรอย่างเนี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วก็ yeah. แต่โยมก็ดื้อ น, นะคะพระอาจารย์โยมก็พยายามแบบเหมือนกับว่าลองทําวิธีนี้ก่อนลองทําวิธีนี้ก่อนจนจนโยมเนี่ยไม่ไปพบคนเนี่ยสักพักนึงเลยคะ่ะพระอาจารย์ประมาณว่ารู้สึกว่าเอ๊ะวิธีนี้มาใช้ได้ผลก็ลองกลับไปใหม่สุดท้ายมันก็ไม่ได้ผลเหมือนเดิมก็กลับมาแล้วก็แต่พอกลับมาเนี่ยพอไปเห็นกิริยาของเขาความพูดของเขาเนี่ยมันกลับมาเป็นสัญญานะคะพระอาจารย์แล้วก็เอามาคิดเอามาคิดแล้วก็เกิดความไม่พอใจเรื่อยๆนะคะพระอาจารย์ จนรู้สึกไม่ไหวแล้วกับราชการโดยเราเราต้องมองทั้งสองจุดมองข้างในเราคือใจเราสูุสมุดไทยคือความอยากแล้วก็ดูเขาว่าเขาก็เป็นอนัตตาอืมก็เราเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ใช่ค่ะพระอาจารย์อันนี้มันเป็นยาครอบจักรวาลมากเลยนะคะพระอาจารย์สิ้นยมก็มาเพิ่งจะมาเข้าใจตรงจุดเนี้ยเพราะว่ามันเห็นทุกข์มากๆเลยตัวโกรเนี่ค่ะพระอาจารย์อืม ค่ะพระอาจารย์แล้วก็ไปอนนยู่กับนนเขาตอนนี้ไม่โกรธแล้วถวายกันแล้วค่พระอาจารย์ตอนแรกโยมกจะไม่ไปแต่ว่าโยมลองคิดตรงเนี้ยได้อ่ะมันก็แบบเพราะว่าจริตโยมอะโยมจะชอบเปรียบเทียบประค่าพระอาจารย์อย่างเช่นว่าอย่างโยมอย่างเงี้ยเป็นคนรักษาความสะอาดใช่ไหมคะพระอาจารย์แล้วก็อย่างตอนที่โยมเริ่มภาวนาครั้งแรกเนี่ยเพราะว่าโยมไปอ่านข้อธรรมะของหลวงพโตอะค่ะว่า อย่างอย่างร่างกายเรายัางต้องชําระเลยวันละสองสามรอบใช่ไหมคะทำไมจิตใจเราถึงจะไม่ยอมชาระล้างด้วยก็เลยตอนนั้นก็เลยเริ่มภาวนามาเรื่อยๆเพราะว่าอยากจะชาระไอ้ตัวใจของตัวเองให้มันสะอาดมากขึ้นอย่างเนี้ยค่ะอาะจารย์ไอ้จุดตรงเนี้ยโยมก็เลยไปเพ่งโทษคนอื่นค่ะอาจารย์ส่งจิตไปยุ่งกับจิตของเขาอะ mm hmm. ว่าทุนได้ยังไงทําไมไม่ยอมทําอะไรเลยกับกิเลสของตัวเองอย่างนี้ค่ะอาจารย์อันนี้เรียกเสื่อค่ะอาจารย์ mm hmm. แล้วก็ คือเขาก็ไม่ทำอ่ะลองหลายวิธีมากแล้วค่ะพระอาจารย์มันก็อคือเขาพอใจแบบนั้นแล้วก็สังเกตดูนะคะพระอาจารย์คนที่เออคือเขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะค่ะพระอาจารย์วเขาอืแบบเป็นแบบนั้นนะคะพระอาจารย์เขาก็มองตัวเขาว่าเป็นคนดีเป็นอะไรแบบนี้อยู่คะ่ะพระอาจารย์อันนี้ก็โยมก็ต้องปล่อยอะค่ะพระอาจารย์คือเป็นเรื่องของเรายากได้เขเป็นซ่อมมันก็ไม่ได้ใช่ค่ะพระอาจารย์ใช่ค่ะพระ คือตอนแรกแต่โยมอ่ะใช่ค่ะพระอาจารย์คือโยมก็ฟังทำพระอาจารย์ครับแต่พอมาแบบจนมันมีปัญหาเกิดขึ้นกับตัวถูกกับตัวจนมันมันลองหลายวิธีแล้วมันไม่ได้มันก็ต้องมากลับมาตรงนี้ค่ะพระอาจารย์ว่าเหมือนเราอยากจะไปลึกๆแล้วอยากจะไปคนโทุมเขาว่าค่ะพระอาจารย์ให้เขาเปลี่ยนตัวเองในที่ดีขึ้นอืมตรงกลางทุกอย่างในโลกนี้เราไม่สามารถไปคนบคุมได้ตลอดเวลาบางครั้งบางเวลาอาจจะควบทุมได้ อย่ตววาตวันเนี่ยตอนนี้ยังคอนโทรลได้เดี๋ยวโตวขึ้นก็นคอนโทรลไม่ได้ก็่ได้่ไจริงๆไม่ได้จริงๆไ ม, ไม่ได้ขอพระอาจารยโยมมาแต่คือโยมหรือว่าตัวโยมเน่ะมันสุดท้ายแล้วมันต้องลงอนาตากัพระอาจารย์แล้วก็ ม, มันลงจากของโยมนั่นคือจะเห็นทุ ก, ก่อนทุก ป, ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็หาวิธีปุ๊บปุ๊คือเหมือนกับว่าเดือค่ะพระอาจารย์หาวิธีของตัวเองก่อนมันต้องอย่างนี้อย่างเงี้ยปุ๊บสุดท้ายมันก็ต้องลงที่อานาตแล้วก็ เพราะว่ากลัวว่าบางทีเราส่งส่งเวลาคิดไปถึงเขาเนี้ยเออ ม, มันจะไปเป็นเวทนาตัวอารมณ์โกรธขึ้มานะคะพระอาจารย์หยุดไม่ทันแล้วมันก็ทุกข์ค่ะแล้วก็ไม่อยากที่จะอยู่ในวัฏฏะสงสารอี้แล้วค่ะพระอาจารย์แล้วก็ด่าตัวเองด้วยค่ะพระอาจารย์ว่ามันโง่เนี่ยมันโ ง, มนง่มันเสือกอย่างนี้ยค่ะพระอาจารย์เออดีแล้วค่ะใช่ค่ะถูกต้องค่ะพระอาจารย์แล้วก็เออ อนุญาตแล้เพิมเติมคือตอนแรกโยมก็ไม่ไปหาคนเนี้นะคะแต่พอโยมได้รู้สึกว่ายาตัวนี้มันเหมาะรู้สึกว่ายาตัวนี้ยมันมันลงกับทุกสถานการณ์เลยค่ะอาจารย์ก็เลยลองไปหาคนเนี้ดูแล้วก็มันมันอัศจรรย์ตรงที่ว่าก่อนหน้าเนี้ยเวลาเขาทําอะไรพูดอะไรอ่ะพอเราจับกิเลศเขาได้ปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกไม่พอใจแล้วแต่ว่าครั้งล่าสุดเนี่ยมันรู้สึกใจมันไม่หวั่นไหวในสิ่งที่เขาพูดนะคะอาจารย์ คือเขาไม่ได้พูดว่าเรานะคะพี่แต่ว่าคําพูดของเขาเนี่ย ม, มันมันมันออกในตัวของหินกระตุ้อะไรแบบเนี้ค่ะอาจารย์แต่ว่าโยนรู้สึกเฉยเฉยค่ะไม่วันไหวถ้าเทียบกับครั้งก่อนเนี่ยค่ะโยมใจนี่คือโยมจะดิ้นแล้วค่ะอาจารย์ก็เลยรู้สึกว่าผ่านมันมาได้ค่ะอาจารย์อืมต้องมีก่อนปัญญานะเนี่ยเป็นปัญญาจะ ต, ต้องทุกก่อนทุกก่อนแล้วถึงจะปัญญาถึงจะเกิดทุกบ่มีปัญญาบ่เกิด ค่ะพระอาจารย์ทุกครั้งก็อยู่ตรงนี้อริยสัจสีกับตายรักใช่ไหมทุกคนนี่มันไปด้วยกันอริยสัตจสีกับใจเรามันโดนอริยสัตจสีโดนสมุทัยเน้นงานพราะเรามองไม่เห็นตายลักที่เราไปยุ่งด้วยว่าเขาเป็นตายลักเท่านั้นเองทุกอย่างเป็นอย่างนี้หมดเส็บเจียนตายเลยค่ะพระาอาจารย์เป็นเ <laughs> พราความเสื่อมของจัวเองที <laughs> ่ แล้วมันก็แล้วมันก็ไปยุ่งกับคนอืนเรื่อมอื่นเลยค่ะไม่ยุ่งเรื่องนี้่ยขาวอาจารย์ตอนนี้มีทีเรื่องยุ่งตอนนี้คือใจมันไม่ส่งไปหาคุณนี่แล right ้วค่ะอาจารย์ตอนนี้คือมีเรื่องก็จะมีเรื่องเรื่องเรื่องลูกอย่างเดียวอย่างเมื่อเช้าอาจารย์โยมสออนญาติเล่านะคะอย่างตะวันเขาออกจากบ้านใช่ไหมคะอาจารย์เขาไปหยิบจักรยานแล้วเขาก็เดินเดินออกหลังบ้านใช่ไหมคะโยมก็บอกตะวันหนูปิดประตูด้วยนะหลังบ้านเสร็จปุ๊บเขาไม่ปิดประตูค่ะอาจารย์ประตูมันอ้าโยมก็ คิดแล้วมันก็ไปแล้วค่ะอะไรบอกแค่นี้ดีกว่าถึงก็ยอมทําแต่ตอนนั้นน่ารู้ตัวนะคะพระอาจารย์รู้ตัวตอนนั้นรู้ตัวอยู่ว่ามันโกรธแต่ว่ามันมันมันสติมันไม่พอมันก็ยังสุดท้ายเขาเฮ้ยเมื่อกี้มันโกรธนี่นาก็เลยวะเออก็ดีถือว่าเดินออกกำลังกายไปก็แล้วกันเดินไปปิดประตูหลังบ้านอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์มันก็ยังทานอยู่ประมาณหนึ่งนาทีค่ะพระอาจารย์ปุ๊บปุแล้วมันก็โอเคไม่ตอบค่ะพระอาจารย์ภายในหนึ่งนาทีดีเริ่มเริ่มปัญญาเริ่มหมุนละมันก็จะเริ่มเร็วขึ้้นไปรทําห สติคือเรารู้ว่าโกรธแต่มันห้ามไม่ได้เพราะว่ามันปัญญาไม่พอคะ่ะพระาอาจารย์หรือถ้าปัญญาไม่เร็วบางทีมันก็แบบไปไปคิดนานมากไปไปไปขูโโ่มาทั้งเวทนามาทั้งสังขารแบบหือค่ะพระอาจารย์อืมค่ ะ, มะีปฏิบัติไปเรื่อยแต่ให้มันยึดหลักเนี้ยยึดหลักปริยาาสัตว์สี่ก็ตายแล้วไปเจ้าคะ่ะพระอาจารย์แต่คําว่าอนัตตานะคะพระอาจารย์บางที โยมก็ต้องมาเอออนาตตาคือมันจะต้องสําหรับโยมนะคะโยมก็มาคิดเป็นคําพูดที่แบบอของโยมเองอย่างเนี้ค่ะพระอาจารย์อันนี้คือถูกต้องแล้วใช่ไหมคะบางทีเราฟังคําของอพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างนี้ยค่ะแล้วก็ต้องมาคิดเป็นคําพูดของเราเองที่เราเข้าใจที่มันลงจริงๆอะค่ะพระอาจารย์ใช่แล้วว<ช>่าเ <นะ S 1> ราเข้า ใ, ใจความหมายว่ามันเป็นยังไงส<ม>ําหรับแต่ละคนอาจจะแปลความหมายคํานี้ไม่เหมือนกันก็ได้เป็นธรรมชาติก็ได้อนาตตาเป็นดินงน้ำลมไฟก็ได้เป็นดินฟ้าอากาศก็ได้ ค่ะพระอาจารย์อืมแต่เป็นส้นที่เร า, าไม่สามารถควบคุมบังคับได้ตลอดเวล า, าอืมอเจ้ค่ะพระอาจารย์อโอเคมีอะไรไหมมีค่ะพระอาจารย์เอาไว้สัปดาห์หน้าก็ได้คะ่ะพระอาจารย์เดี๋ยวมันจะนานเอาเลก็ได้ไม่เป็นไรแลอวอ๋อก็อพระอาจารยา์อย่างอย่างอย่างอย่างเรื่องของคนนั้นที่ว่าโยมก็ผ่านมันมาได้นะคะพระอาจารย์แล้วก็มันก็ไม่หวั่นไหวเวลาที่ไปอยู่กับเขาอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็กลับมาบ้านปุ๊บ เอมันไม่มันไปคิดให้เกิดอารมณ์แล้วใช่ไหมคะพระอาจารย์ทีนี้ผ mm hmm. มก็คิดต่อไปว่าโยมก็มาคิดเอเปรียบเทียบว่าเหมือนแบบโบกี้รถไฟอย่างนี้คะ่ะพระอาจารย์โยมนั mm ่งอยู่บนโบกี้รถไฟใช่ไหมคะพระอาจารย์เหมือนแบบมันเบื่อโยมก็เลยออมีมีสามีอ่าเวลาเบื่อแบบอยู่คนเดียวไม่ได้ก็มีสามีปุ๊บมีลูกปุ๊บแล้วก็ปุ๊ บ, บมาอย่างนี้คะ่ะพระอาจารย์โยมก็ว่าเอะจริงๆแล้วเนี่ย แล้วสุดท้ายปูปะทุกคนก็ต้องโดนฉีบออกมาจากรถไฟอะค่ะอาจารย์ดยที่อาจจะไม่รู้ตัวดิซัมเาว่าจะต้องฉีบออกมาจากรถไฟเมื่ อ, อไหร่เนี้ยคะ่ะอาจารย์แล้วก็โดยเมื่อกี้ว่าก่อนที่โยมจะถึงจุดหมายปลายทางอ่ะทําไมโยมจะไปอะไรกับคนอื่นมากนะทั้งทั้งที่ต่างคนต่างก็มาแล้วก็ต่างคนก็ลงสถานสถานีที่มันต่างกันอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์มันทําให้โยมคิดว่าทําไมจะต้องไปยุ่งอะไรกับคนอื่นมากมายหรือจะไปอะไรทั้งทังที่คนที่จะโฟ ก, กัสที่ตัวเองอะค่ะอาจารย์ ก็เราง้อไงเราไปหลงใช่ค่ะเพราะว่าไปยึดไปติดกับช้อมไปรักเขาอะไรอย่างนี้ก็เลยหวงเขาหวงเขาขึ้นมาเราลเลยมมองว่าเขาก็แค่ชั่วคราวนั่นเองเดี๋ยวเขาก็ต้องจบลงทุกคนก็ต้องจบลงสิ้นสุดลงแต่เราไม่กล้าคิดไงเพราะไม่มีใครสอนให้เราคิด แต่คิดเรื่องนี้ก็หาว่าบ้าหรือว่าอคิดสาบแช่งไปจะต้องตายอย่างี้ยใช่ไลงนี้ทั้งหมเขาไม่อยามพูดถึงคาว่าตายคําว่าตายนี่เขาไม่ชอบก็เ้อเปลี่ยนคำใหม่เวลาพระตายก็จะบอกว่าพเนี่ยเวลาพระเจ้าแผ่นดินตายก็สวรรคตเนี่ยแต่ไม่มีคําว่าตาย ถึงแก่กรรมประสัญญกรรมอะไรก็สุดแท้แต่คำว่าตายนี้มีรู้สึกวมันใช้ไม่ได้ห้ามไม่ควรจะมีในในพจนานุกลมนแต่พจ้าสาวรดแล้วถึงความตายตลอดเวลาแล้วเราก็จะเห็นว่าชีวิตของเราตั้งคนนี้ก็เป็นแบบเหมือนกับโลกนี้เป็นเหมือนสถานีรถไฟเรามารอขึ้นรถไฟกันนะ เดี๋ยวขบวนไทยถึงเวลาขาบวนไทยออกก็ต้องขึ้นกันนั้นไปใช่ค่พะพอาจารย์แล้วก็ที่โง่มากๆคือว่าพอไปเล่นตัดสินใจไปเล่นละครกับเขาเนี่ยเราก็ไปยึดว่าเราเป็นตัวละครจริงๆและเราที่ละครไอ้ตัวละครที่เขาเล่นกับเราอะ่ะก็ไปยึดว่าเขาเป็นของเราเอีกนะอีกอันนี้มันโง่มากจริงค่ะพอาจารย์ใช่ทุกคนก็เล่นละครกันหมดไม่รู้ว่าใค<ช>รเล่นละครนึนเอาจริงอาจารย์ ใช่ค่ะพระอาจารย์เนี่ยธรรมะที่พระเจ้าบอกตื่นแล้วเราตื่นแล้วเราตื่นจากความหลงตื่นจากการมาเล่นละครเนี่ยใช่ค่ะพระอาจารย์แล้วจริงๆแล้วคือเขาก็เป็นแค่ผู้ร่วมเดินทางของเราอย่างเดียวเท่านั้นนะคะพระอาจารย์คือมันไม่ได้เป็นอะไรเลยแค่เป็นผู้ร่วมเดินทางอย่างเดียวนะคะพระอาจารย์ผู้ร่วมเวีนไหวตายเกิดใช่ค่ะพระอาจารย์พอเราตื่นแล้วเราก็หยุดเวียนไหวตายเกิดกันเจ้าค่ะ ใครยังยังหลับอยู่ก็ไปเป็นว่ยตายเกิดต่อไปผู้ตื่นผู้รู้รู้ว่าจิตเรามาเล่นละครรับรับบทแต่รับบทตามตามกรรมตามบุญที่เราทำมาบางครั้งก็ได้บท ด, ดีได้เป็นเศรษฐีได้อะไรได้สุขได้สบายบางครั้งก็ บ, บ, บ, บาปมันให้ผลก็ต้องมาเป็นขอทานมา ตกทุกได้อย่างเดียดนองได้ครับอาจารย์อืมแต่มันก็เชื่อวคราวแต่มันก็ตายกันไปแล้วก็กลับมาเล่นละครเรื่องใหม่ฉากใหม่เราก็เล่นมาม่รกี่แสนฉากนะได้ครับอาจารย์มันก็ไม่รู้ว่าเล่นมันก็เชื่อมันกมันเค่เป็นของจริงของจันนะเปินอืมไม่อยากเอาแล้วค่ะอาจารย์นี่ขนาดแค่อายุใครมันดูแค่แปสิบปีนะคะอาจารย์ถ้าไปเกิดอีกเนี้ยอืม ต่อให้เป็นคนรวยก็จริงไปเกิดในยุคที่อายุมนุษย์ห้าหมืนปีแสนปีอย่างเงี้โอ้โหไม่ไหวเลยคะ่ะพะชายามีแต่คนเขาอยากจะอยูน่นานๆไม่เอาไม่ยอมอยู่เกินน้นอยนี่สาทูสาทูกันไม่หมดไม่เอาเขาชอบจริงนะคะขอให้อยู่ยืนยืนหมื่นปีอันนี้เขาชอบจริงๆนะคะลองสังเกตมาแล้วถูกพะชายาเขาจะชอบ หรือถ้ า, านะอาอยุแต่ชมเขาว่าอุ๊ยเธออ่อนกว่าวัยอายุเหมือนคนหกิบเลยอันนี้ยิ่งชอบเขไปยิ่งชอบใหญ่ไมบอกสวยไม่สั่งบายไม่รู้เลยนี่สาธุสาธุอ <laughs> <laughs> าจารย์เนี้ยโอเคมีอะไรเมื่อไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วค่ะอาจ า, ารย์ก็ก็นนีก็ก็ต้องก็ต้องเจารณาอยู่แนวๆนะอย่าลืมสติไม่ทิ้งค่ะอาจารย์สติไม่ทิ้งเออโยงขออนุญาตเล่าใช่ไหมคะอาจารย์นิดเดียวค่ะอาจารย์ว่า มีอยู่ครั้งหนึ่งเร็วๆนี้โยมภูมิใจว่าโยมสารวะโยมมันจะยกมือทุบคุณมาโก้ค่ะพระอาจารย์แต่ว่าสติมันทันแล้วมันก็<ม>วุ้บ ก, ก็เหมือนไอ้ตัวโกรธโยมก็ไม่รู้ว่าทําไมมันขึ้นมาจาก อ, อกนะคะมันก็พุด ม, มันดับไปเ ล, เลยค่ะพระอาจารย์ในฝนันค ะ, ะพระอาจารย์ตอันเนี้ค่ ะ, ะถือว่าภูมิใจอยู่โอเคข่าพระอาจารย์อนีิมิตหมายนิมิตนหมนายมมที่ดีอ๋ขอข่าวพระอาจารย์เป็นตฝนหิ้วที่เกิดจากการผลฝนออกระมา อันนี้คือจิตตาจิตตาเอ่าอันนี้คือตัวจิตตาฝึกสังเกตอารมณ์ใจแบบเนี้ค่ะสติอย่างนีคะอันนี้คือมันมันมันไปตรงฝัดเลยหรออาจารย์เออเหมันมันเปิดเป็นนิสัยเลยอ๋อเจ้าค่ะอาจารย์ไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นนิสัยขวัอาจารย์อืมค่ะต่อไปลงทีเวลาตกน้าตายมันก็ไม่ตื่นเต้นตกใจมันนะสบายขวับอาจารย์ใช่ฝันงอห น, นอนหลับแล้ว จมน้ําตายไปตอนก่อนจะจมนี่ก็กระเสือกกระสนแต่พอพอรู้ว่าให้มันทุกเดี๋ยวไปกเสือกกระสนก็เลยปล่อยแล้วมัจะจมก็จมพอมันจมน้นากายมันก็เด้งขึ้นในน้ำเจ็บมันก็เด่งเข้าไปสู่ความสงบเลยไม่กลัวเจ็บนะสงบเย็นสบายทิ้่ร่างกายได้ตอนที่ไม่ทิ้งร่างกายนะตอนทํรมาร์กระเสือกกระสมไม่ยอมให้มันจมนะ นี่ยเป็นความฝันแตมันมันมันบอกว่าเนี่ยละการปฏิบัติเราเราเราได้ปล่อยมันแล้วเพราะมันปล่อยใจการจริงแม้แต่ไปความฝันมันก็มันก็ปล่อยได้ครับอาจารย์โอเคปฏิบัติไปเรื่อยๆเดี๋ยมันก็จะมีความฝันอะไรมาคอยรายงานให้เราทราบเป็นระยะระยะครับอาจารย์ก็ค่ะอาจารย์อันนี้ภูมิใจอยู่ได้ใช่ไหมคะพระอาจารย์นิดนึงก็ยังมี พูดแต่อย่าอย่าประมาทว่าอย่าเลื้งอย่าเลอย่างนยังมีตัวตัวเหมือนที่ต้องคอยสอดสู้กันต่อไปอีกไอตัวเนี้ยค่ะตัวหนักเลยข้างๆเนี่ยค่ะอาจารย์ไม่ทุกกับเขาได้น้องน้องไม่ทูกกับเขาได้ทุกกรณีได้กรคือต้องทุกข์ให้มันสั้นที่สุดตอนนี้ลองลองทุกให้มันสั้นที่สุดก่อนของตัวเนี้ยค่ตัวบวกต้องไม่ต้องไม่กังวลค่ะค่ะอาจารย์ แต่ก็ไม่ได้ปล่อยปากเลยหน้าที่โอเค <c oughs> okay. เดี๋ไปที่ท่านต่อไปแล้ขอบคุณอาจารยมากจ้ะคุณร้อพี่เช่นมีอะไรไม่ไม่มีอะไรเล่าให้ฟังบ้างกับมาเทการพระอาจารย์ครับก็ได้ฟังจากท่านอื่นๆแล้วก็ก็ดีครับส่วนในส่วนตัวเองก็ปฏิบัติอม อาจารย์เมตตาสั่งสอนทุกวันครับอืมก็ตื่นมาตอนตีสามทุกวันแล้วก็เออา บ, บน้ําแต่งตัวเสร็จก็นั่งสมาธิได้สักชั่วโมงชั่วโมงเร็ศษแล้วก็ไปทํางานกับอาจารย์อืมก็ทําสักครึ่งวันแล้กลับวา่างแล้วก็มีเวลาก็อยู่กับธรรมะตลอดทั้งวันครับพยายามเจริญสติเรืเร่างกายนี้เดียวกับมั น, น้อยลงไปไหมกังวลกับมันไหม <c oughs> <c oughs> เรื่องร่างกายนี้ก็ปล่อยวางไปไ ด, ได้ได้เยอะครับอาจารย์ก็น้อมนำคำ ส, ำสอนพระอาจารย์มาพิจารณาอยู่ตลอดไม่ว่าทำอะไรก็พยายามพิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเราคือใจผู้รู้ผู้คิดร่างกายนี้มาจากดินน้ำลมไฟและจะกลับคืนกับสู่ดินน้ำลมไฟตามเดิม ร่างกายนี้ไม่เที่ยงมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมีการพันเพ่าจัดกันเป็นอนิจจังทุกขังอนุตตานี่ก็คือจะหมั่นพิจารณาอย่างนี้ตลอดเวลาที่มีเวลาแล้วก็หลังจากฝึกสมาธิตอนเช้ามืดทุกวันแล้วก็เดินจงกรม ก, ก็พิจารณาอย่างที่ว่านี่ถูกครับอาจารย์อืมนพยายามเราน่านายนี้กับพิจารณานี้ผ่าน อ่ามันให้ได้มันจะเจ็บก็มันก็อยู่ที่ร่างกายไม่ได้อยู่ที่ใจเราก็รับใจก็เป็นผู้รับรู้ก็รับรู้ไป <c oughs> <c oughs> อย่าไปเจ็บกับร่างกายอย่าไปอย่าไปรังเกตความเจ็บมถ้ามันไม่ได้มันเวลามันมาก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ได้ฟังธรรมเทศนาพระอาจารย์ทุกวัน แล้วเขาได้น้องนํำคำสัสอนของพระอาจารย์มาพิจารณามามันพิจารณาอยู่ตลอดครับทำให้ใจก็สงบขึ้นความทุกข์ใจที่เคยมีก็น้อยลงครับอาจารย์โอเคมี อ, อยากจะถามาอยากจ่ายพูดเลยคับวันนี้ <c oughs> ความเมตตาพระอาจารย์ <c oughs> ได้อธิบายวิธีรักษาใจให้มีความสุขครับพระอาจารย์ ก น, นี่แหละใจของเราที่มันทุกข์ก็เพราะกิเลสตัณหาความอยากแล้วนะวิธีที่จะหยุดกิเลสตัณนหะก็คือสติกับปัญญาสองตัวนี้ถ้าสติก็หยุดกิเลสได้ชั่วคราวเวลาเกิดกิเลสเกิดความโลภความโกรธถ้าเราใช้คําบริกรมรมร อ, อะไรหยุดความคิดได้ความโลภกับโกรธก็จะหยุดชั่วคราว <c oughs> แต่เวลาออกจากสมาธิมาถ้าเราไม่มีสติเนี่ยมันก็โลภอ ม, มันก็โกรธขึ้นไปอีก เราอยากจะหยุดให้มันท้ามองก็ต้องใช้ปัญญามองในสิ่งที่เราโลภเราโกรธให้เป็นตายรักไปหมดไม่โกรดินน้ําลงไฟเลยมา้เวลาฝนตกทําให้เราเปียนเราไปเราไปโกรธมันไม่โกรธใช่ไหมแต่เวลาคนสาดน้ําใส่เราเราไปโกรดก่อนคนมันก็ดินน้ําลงไฟเหมือนกันคือเป็นอนัตตาไปหมดเห็นไหมทุกอย่างเป็นอนตตาไป อย่าไปโกรธอันนั้นเราไปโกรธธรรมชาติแล้วไม่โกรธธรรมชาติเราก็ยังไม่เราก็ต้องไม่โกรธคนนะคนก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันทีแต่ เ, เราไปแยกมันออกจากธรรมชาติที่ว่าไม่ใช่เป็นธรรมชาติอืหรือเขาไม่ทําตามที่เราอยากให้เขาทําเราก็โกรธเขาก็เราควบคุมใบบังคับสั่งก็ได้ทีหลังใช่ไหเนี่ยเราต้องมองให้เห็น การไม่ไม่เชื่องของสิ่งต่างๆแนละการการที่เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับก็ได้เ้าก็อย่าไปอยากอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็จะไม่โกรธก่อนใช้ <c oughs> <c oughs> สติก่อนฝึกสติให้มีกําลังมากจะได้มีกําลังหยุดก่อนปิดหยุดก็หยุดกิเลส ด, ด, ด, ด้ชัว่วคราวก่อนมีกําลังหยุดก่อนเมอมีกําลังหยุดแล้วขั้นต่อไปก็ใช้ปัญญา เพื่อมาแก้วความหนุ่งที่ไปเห็นว่าเขาเป็นอัตตาตัวตนไม่เห็นว่าเขาเราเราสั่งเขาได้อย่างนี้เขาก็เป็นอนัอนตตาเป็นดินน้ำลมไฟเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศฝนตกแนดนออกเราสั่งไม่ได้ออะเราเห็นด้ปัญญาว่าเขาเป็นอย่างนี้แนะบางทีเขาก็ดีบางทีเขาก็ไม่ดีเออ เราก็อย่าไปยุ่งกับเขาปล่อยเขาไปเขาจะดีจะช่วยก็เรื่องของเขาไปหัดชใช้สติใช้ปัญญาสตินี่สําคัญเพราะว่าต้องฝึกสติให้มากๆถึงจะหยุดหยุดความคิดหยุดความอยากให้ได้ <c oughs> แต่มันหยุดได้ชั่วคราวพอเราปล่อยให้มันคิดเดี๋ยวมันก็คิดไปทางกิเลสก็เราใช้ปัญญาสอนให้มันมั่ง เห็นว่าสิ่งที่เราไปหยาบไปยุ่งเนื่องเป็นตายรักอป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเราควบคุมบังคับไม่ได้ก็ปล่อยเขาไปปล่อยให้เขาเป็นไปไม่เที่ยงก็เขาจะเกิดก็เกิดก็จะดับก็ดับเนื้องเขาเราห้ามมันไม่ได้อเอาไปเราก็จะไม่ทุกข์กับอะไรปล่อยวางอะไรทุกอย่างมันเป็นอันนิจจังเป็นอนัตตา แต่ถ้าไม่เห็นว่าเป็นอนิจจังไม่เห็นว่าเป็นไม่เห็นว่าเป็นอนัตตาก็จะทุกข์ขึ้นมาในใจว่าจะอยากให้ก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาออแต่การปฏิบัตินี่บางทีก็ต้องอาศัยมีรักษาสิห้าสิบแปดบาจทราจจะได้เอาเวลามาให้กับการปฏิบัติถ้ายังไม่รักษาสิบแปดเราก็ยัง อย่างอย่างไปเอาเวลาไปใช้ทำตามกิเลสคือความอยากกามาฉันธาได้อยู่ <c oughs> ไปดูหนังฟังไปไปพักผ่อนหยอนใจไปดิ่ไปกินอะไรตามความอยากมันก็จะไม่มีเวลามาฝึกสตินั่งสมาธิทำใจใสมอถ้ายังไม่มีสติยังไม่มีสมาธิก็ต้องหาเวลามาให้กับการฝึกใหมาก ถ้ามีเวลาก็ตอบเมื่อเราถึงสิบแปดได้ทำแบบปฏิบัติกรับอาจารย์โอเคสาธุขอคุณครับต่ อ, อ, อไปให้คุณสาสาการตอไปสาสกาการค่ะนนมาฟังคำครับอาจารย์ไม่มีคำถามค่ะปฏิบัติอยู่คะ่ะสาทุค่ะคุณอาจารย์พรมวลายคุณอนุ ก, กูลอยู่ว่บแบบ ตานวดสกัรค่ะอยู่ค่ะคุณลังคนมาแล้วค่ะกำกลังมาจออยู่ค่ะตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะอาการดีขึ้นแล้วอาจารย์ครับหเป็นปกติแล้วนะกล้ใก้แล้วค่ะลุนแล้วค่ะเดี๋ยวก็ไปตีคราฟนั่นอยากจะไปแล้วคงอีกสักพักนึงแล้วค่ะ ก็ไปออกกําลังกายทีก็ไปออกกําลังกายตอนนี้ไปเดินค่ะไปเดินไปเดินเดินเอาแรงอ่ะดีต่อกําลังกายอยู่เรื่อยร่างกายก็จะได้ฟื้นฟูขึ้นเด็วขึ้นแข็งแรงมากขึ้นตัวอย่างก็ยังต้องฝึกหายใจอยู่อีกสักพักหนึ่งค่ะดูแลมันไปเท่าที่จะดูาลได้ถ้ามันดูแลไม่ได้ก็ต้องยอมรับความจริงนะ ใช่ฮะก็จิตใจก็สบายดีเนี่ยจิตใจสบายดีการจะเป็นไรก็เป็นไรอยู่กับวันนี้นะค่ะอ่ามีควารเจ็บไข้เป็นธรรมดานอกพ้นคารเจ็บไข้ไปไม่ได้นะก็อยู่กับวันนี้ให้ให้ดีที่สุดไม่ได้ไม่ต้องไปคิดอะไรมากค่ะข้างหน้ามองไม่เห็นค่ะข้างหน้าไม่มีอนดีตไม่เห็นค่ะใช่มีแค่ปัจจุบันเนี่ย ถ้าทำปัจจุบันได้มีความสุขมันก็ไม่มีปัญหาอะไรจะเกิดก็เรื่องของมันไปเราก็อยู่กับมันได้รับมันได้ก็อยู่เป็นอย่างมีความสุขคะเหมือนถามว่าความสุขหาที่ไหนก็อยู่ที่ใจเราเราก็ทําใจที่เป็นสุขทุกเวลาที่ใจปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายได้ไปตักบาตรพระอาจารย์ก็ดีนะคะเมื่อวันเมื่อวันอาทิตย์ได้ฟังเทศวันเสาร์ ค่ะสุดสุดได้เติมเต็มพลังกลับบ้านมาเอามาเผื่อเอามาเผื่อแอะเห็นหน้าทุกคน ย, ยิ้มยิบบย้มแจ่มใสเยไปทำบุญกั น, นใช่ใช่ทุกคนมีความสุขบางคนที่ไปดล้วกั บ, บวชที่วัดรวัมาสองรอบก็มีนะคะหนุ่มๆแน่นะคะก็ดีทุกคนที่ไปก็คือคนที่เข้ามาทางทางธรรมแล้วล่ะคะ่ะโอเคค่ะวันนี้ค่ะ ไม่มีอะไรนะคะไม่เป็นไรนะค่ะค่ะกาบนมัสการหายแล้วแล้วนะครัโอเคไปที่คนเอกเชียงรายน้่มการนมัสการพระอาจารย์ครับอืมเอเข้ามารับฟังครับพระอาจารย์ก็ยังปฏิบัติอยู่ครับอครับเป็น เปสิ่งที่เราจะต้องทําเป็นปรนะจํานะกิวจวัตรประจําการปฏิบัติก็เหมือนการรับประทานอาหารให้กับร่างกายครับผมปฏิบัติการให้อาหารกับจิตใจให้ความสมบูรณ์ลดแหงทํามชนะลดน้ําปวมโอเคเดินไปที่คุณสุภัตาต่อคุณทนนี่เท็กซอันดีร้านไหนะเท็กซั กับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ลูกอยู่ที่ไวโอมิงอยู่บ้านาคุณแม่สามีเจ้าค่ะยังหนาวอยู่เลยวันนี้อ่พายุหิมะเข้าเจ้าค่ะวันนี้ตอนกลางคืนแล้วก็ถึงพรุ่งนี้ก็คงจะเยอะพอควรเจ้าค่ะเจ้าค่ะลูกมีเรื่องเล่ามีมีแบบทดสอบคือระหว่างทางที่ขับรถมาที่ไวโอมิงเจ้าค่ะช่วงอ่าโอกาฮมา ก, กับโคโลราโดมันเป็นรถ รถสวนกันน่ะเจ้าค่ะแล้วก็เออ่มีรถที่คิดว่าเขาน่าจะหลับในอ่ะเจ้าค่ะเขาขับสวนมาแล้วเขาก็วิ่งเข้ามาที่<ช>ที่เลนของนะของลูกชายเจ้าค่ะกําลังขับอยู่แต่ก็แปลกอ่ะค่ะ <c oughs> ลูกลูกไม่ได้มีอาการ <c oughs> อะไร <c oughs> เลยใช่เจ้าค่ะเมื่อลูกถึงรู้ว่าโอ้พอเวลาที่เวลายามขับขันหรืออะไรเนี่ย การที่เราได้ฝึกมาตลอดเนี่ยมันมันช่วยจิตใจรักษาจิตใจเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะมัน ม, มันมาเพราะว่าเราเห็นเขาเข้ามาในเลนแล้วเราก็ทำหน้าที่ของเราคือเราก็เลี่ยงอ อ, ออกไปตามไหลาทางนิดนึงอ่ะเจ้าค่ะแต่พอเขาพุ่งเข้ามาลูกมีความรู้สึกว่ามันว่างอ่ะเจ้าค่ะมันเหมือนกับแบบเอมือนกันไม่ได้ Ar, ใช่เจ้าค่ะมันไม่คิดอะไรเลยอ่ะเจ้าค่ะมันมันเห็นก็เห็นอยู่อย่างนั้นนะเจ้าค่ะมันไม่มีความคิดใช่ไหมว่าใช่ใช่เจ้าค่ะมันคือเหมือนกับว่าเราทําหน้าที่เราแล้วแล้วที่เหลือก็คือคือมันจะเกิดอะไรก็เกิดแล้วเจ้าค่ะมันก็นิ่งแบบนิ่งก็แล้วพอเขาใกล้เข้ามาถึงเราแล้วเนี่ยเหมือนกับเขาตื่นอ่ะเจ้าค่ะเหมือนกับเขา มันเขาตื่นเขาก็ห่าหลบเขาก็ห่าหลบไปเองเลย เ, เจ้าค่ะคือลูกก็ลูกก็แบบเฉลี่ยงออกมาไหลาทางนิดนึงแล้วก็คือพอดีสามีลูกเขาหลับอะเจ้าค่ะเพราะเราผัดกันขับมันประมาณเกือบสิบสี่ชั่วโมง<ๆ>เขาก็เขาก็หลับลูกก็เรียกเขาแบบเบาๆก็เรียกเขาบอกเรียกชื่อเขาเบาๆขึ้นมาเขาก็ตื่นพอตื่นขึ้นมาเขาเห็นรถพุ่งเข้ามาเขาก็ตกใจเขาก็ตกใจอะเจ้าค่ะลูกก็ลูกก็แบบ ก็ยังลูกก็เฉยอ่ะเพราะว่าไม่รู้จะทําอะไรมันจะเกิดอะไรก็เกิดมันเ mm hmm. จ้าค่ะลูกก็ถึงรู้ว่าอ๋อพอเขาตกใจลูกก็ถึงรู้ว่าอ๋อเมื่อก่อนเราเคยเป็นแบบนี้ mm hmm. อ๋อนี่คือการที่เราฝึกมา <Okay S 2> เนี่ยมันทําให้เรา mm hmm. ใช่เจ้ามันเข้าไปทัน mm hmm. ทีเลยเจ้าค่ะมันมันไม่มีความคิดอะไร mm hmm. อะไรอยู่ในหัวเจ้าค่ะทีนี้ลูกก็เลยสงสัยว่าพอ แต่ลูกไม่ได้เล่าไม่ได้เล่าว่าเรารู้สึกอะไรนะเจ้าคะ่ะเพราะว่าลูกเข้าใจว่าคนอื่นเขาคงไม่คิดไม่รู้ว่าแบบนี้มันคืออะไรเขาก็ลูกแค่เล่าเหตุการณ์เฉยๆลูกก็เล่าให้พี่สาวฟังว่าเนี่ยมีรถสวนมาเขาบอกแล้วทําไมไม่บิดแต่ mm hmm. ลูกก็เลยคิดเออทําไมเราไม่บิดแต่ทําไมเราคือเรารู้สึกมันเฉยและเจ้าคะ่ะ mm hmm. ลูกก็เลยว่าเออหรือเราเราไม่ฉลาดหรืออะไรแต่ลูกบอกเขาว่าคือลูกไม่อยากทําอะไรให้ ให้ใครตกใจหรือตื่นตื่นใจเพราะว่าการที่เขาตกใจเราไม่รู้ว่าเขาจะมีท่าทางกันยังไงลูกก็ลูกไม่ได้คิดถึงจุดนั้ น, นะเจ้าค่ะลูกคิดอยู่ลูกอยู่อย่างเดียวคือมันเฉยอ่ะเจ้าค่ะคอืมันผิดคือมันไม่มีปัญญาหรือเปล่าเจ้าค่ะไอตรงนี้ลูกก็ไม่เข้าใจอะเจ้าค่ะมันเฉยมันเฉยมันยอมรับกับทุกอย่างที่จะเกิดอะเจ้าค่ะ่็ในทางปฏิบัติมะว่าถูกนะ แต่าทาง<ช>โลกเขาก็ต้อง<ช><ล>เขาก็ต้องคิดหาทางป้องกันแก้ไขอะไรไปบตามคิดไปทางโลกไปต่ทางธรรมเราทางธรรมเราดูแค่ใจของเราอย่างเดียวใจของเราไม่ทุกข์ใจของเราไม่ตื่นตัณหาก็โอเคใช่เจ้าค่ะสิ่งแรกที่เกิดขึ้นเลยคือคือใจมัน ปุ๊บไปเลยมันนิ่งไปเลยลูกก็ลูกก็เลยไม่ได้คิดอะไรต่อเนื่องนอกจากเราทําหน้าที่ที่ดีที่สุดคือเลี่ยงหลบไปไหลทางเพื่อให้รถที่สวนมาเขามีที่ที่ที่มากขึ้นน่ะเจ้าค่ะก็แค่นั้นนั่นก็เป็นปัญญาแล้วเจ้าค่ะแค่นั้นเองเจ้าค่ะที่เหลือจะบิดแต่หรืออะไรลูกคิดไม่ถึงเลยเจ้าค่ะลูกลูกอย่างเดียวคือนิ่งนะเจ้าค่ะมันก็เลยรู้สึกทําให้ ไคนที่เขาบอกให้คนที่กขาบอกทำให้หวีบแต่ว่าตัวเขาเองเวลาอย่างนั้นจริงๆริงเาจะคิดอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ไหมไปคุยกับ <c oughs> คนยัง <c oughs> ค, คนมันก็พูดได้น้อยแปดธรรมดาแล้วเวลามันไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เวลาเขาอยู่ในเหตุการณ์แล้วแล้วคุณจะจะทําได้หรือเปล่าทำอย่างที่คุณพูดได้ห <c oughs> รืเปอฮะแล้วก็ลดสมัยชา์กอะเจ้าค่ะ ตามหลังมาอีกสามคันนะเจ้าคะ่ะแต่ลูรู้สึกว่าการฝึกปฏิบัติของเราที่เราฝึกต่อเนื่องคุ้มครองจิตใจลูกคือะระนานเาต้องการแลวไม่ให้ใจเราตื่นปหรอกใจเราไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่งางๆช่วยบ<ช>้จยากิดขึ้นก็ถือว่าเป็นอ ง, งานตาไปหมดแล้วแต่บุญแต่กรรมไปช่วยค่ะลูกแบบ มันว่างเป็นว่างไปเลยมันเหมือนกับยอมรับทุกอย่างที่จะเกิดเพราะเราไม่รู้สึกอะไรแล้วอะเจ้าค่ะมันรู้สึกว่าจะตอนนั้นมันไม่ได้รู้สึกที่จะคิดหรือจินตนาการหรือฟุ้งหรืออะไรมันมันไปมันมันนิ่งของมันนะเจ้าค่ะก็เลยก็อย่า ง, รงพระพิจาบอกเห็นยังไงก็สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าสักแต่ว่าไปใช่เจ้าค่ะ ได้เจ้าค่ะสาธุเลยเจ้าค่ะลูกรู้สึกว่าลูกแบบเราเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นคนเราเป็นราเป็นคนดูหนังร่างกายมันลังแสดงหนังให้เราดูอยู่คนดูไปตื่นเต้นตกใจกับหนังเองใช่ไหมได้เจ้าค่ะว่ะมามันลืมไปว่าตัวเองเป็นคนดูไม่ไม่ได้อะไรเกิดขึ้นไม่ได้เกิดกับเราแหรอกไมไ่เกิดกับร่างกาย ใช่แล้วเขามันเหมือนก็ดูหนังเหมือนที่พระอาจารย์พูดจริงๆเจ้าค่ะมันเหมือนกับแบบเหมือนดูหนังแบบแต่ว่ามันก็ไม่ได้เร็วนะเจ้าหมายถึงว่าพอเห็นหนังตัวนี้รู้สึกว่ามันก็มาเป็นลระดับของมันนะเจ้าค่ะมันเข้ามาเข้ามาก็ก็มองมันเหมือนดูเหมือนเหมือนไม่มันดูเฉยๆแล้เจ้าค่ะลูกก็เลยแบบลูกก็พอพอออกจากสถานการณ์ตรงนั้นมาได้ลูกก็เอ๊ะทําไมมันก็เฉยแต่สามีของลูกเขาก็ยังยังแบบ คือยังเล่าอยู่ว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยลูกก็เลยบอกเขาว่ามันก็เป็นแบบนี้ยแหละไม่เป็นไรเราปลอดภัยมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันเป็นอดีตไปแล้วมันเป็นอดีตแล้วใช่เจ้าค่ะแล้วก็มีอีกข้อนึงอ่ะเจ้าค่ะคือคือตรงเนี้ยคือการที่เราอยู่ในโลกกับคนเอ่อกับสังคมอ่ะเจ้าค่ะคุณลูกมีความรู้สึกว่าอย่างเมื่อวานเอพอดีคุณแม่สามีเขาเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขารู้สึกสะเทือนใจเขาก็ร้องไห้ แล้วลูกก็เลยบอกสามีว่าโอ้เนี่ยคุณแม่ร้องไห้เขาก็เลยถามว่าแล้วลูกเข้าไปกอดคุณแม่ไหมลูกก็บอกว่าลูกไม่ได้กอดแต่ลูกฟังเขาคือเล่ลูกก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราเร า, เราด้อยพฤติกรรมที่มันควรจะแสดงออบไหมเพราะเราเราเราฟังเราเราเข้าใจเขาแต่ลูกมองทุกอย่างว่ามันธรรมดาแล้วลูกก็คือมันรู้สึกเฉยแล้วเจ้าค่ะเมื่อก่อนคือลูกมีกริยาโตอตอบ คือเมื่อก่อนนะเราเห็นใช้ว่าเรามีกิริยาโต้อตอบแต่ตอนเนี้เรากับเรากับกลายเป็นผู้ฟังแต่บางทีเราก็ต้องมอ ง, องมองมอ ง, มองในอีกมุมหนึ่งของเข า, าเขาต้องการให้มีการตอบสนองจะต้องเล่นละครโอ้เสียใจนะคะอะไรเงี้ยลูกค้าลูกคิดไม่ทันที่กิริยา <c oughs> ที่โต้อตอบว่าเจ้าเข้ามันกลายเป็นว่าเอออย่าเป็นเห็นตรง <c oughs> จนกลายเป็นนักปฏิบัติบางทีก็ลืมบบ หรือว่าเราอยู่ในโลกสมมติที่ยังต้องมีความสัมพันธ์กับคนอื่นอยู่ใช่ลูกค่ะใชเมื่อก่อนเมื่อก่อนลูกยังพอแบบยังพอแต่ตอนนี้มันรู้สึกคือคือลูกก็พูดกับเขาลูกก็บอกลูกรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยลูกพูดแต่ว่ากิริยาลูกคือไม่ได้เข้าไปกอดเขาแบบ คือลูกก็ฟังทุกคําที่เขาพูดนะเจ้าค่ะแล้วราเราคิดว่าเขาก็เป็นผู้ใหญ่พอกเราก็ไม่เห็นจะต้องกอดเกิดอะไรกันเลยคือเจ้าค่ะลูกก็เลยรู้สึกว่าเราเริ่มเราเริ่มรู้สึกอ่อนกับอ่อนกับด้านด้านด้านปฏิสมพนธ์ด้านกตริยาทุก ค, คือเรามองท <laughs> ุกคนเหมือนเราเหมือนก่อมองตัวเราเองเนี่ย <laughs> มันเฉยอะเจ้าค่ะมันเฉยก็คือว่าไม่เห็นต้องทําอะไรเลย มันใจมันเฉยมันก็เลยลืมไปว่าไม่ไม่ได้แล้วว่าเราเราเราเราเฉยกับตัวเราได้แต่เราไม่ควรที่จะเอเฉยไม่คนต้องมีเมตตาถ่ายเมตตาหน่อยมันมันไม่ทันเลยเจ้าค่ะก็ก็ก็ควรที่จะต้องระวังตรงจุดนี้ด้วยใช่ไหมเจ้าคะมันก็เป็นบทมันก็เป็นบทเรีนให้เราเวลาเวลาเราอยู่กับคนก็เขาเขาคิดอย่างหนึ่งเขาไม่ได้คิดเหมือนเรา แต่ถ้าเราอยู่ด้วยอยู่กับว่าพวกปฏิบัติด้วยกันก็เฉยได้กันทั้งคู่เขาก็เฉยเราก็ใชยรู้ก็นั่งฟังทุกอย่างนั่งฟังแล้วก็นั่งฟังแล้วก็พยักหน้าเพราะเดี๋ยวนี้คือกลายว่าเรากลับกลายเป็นผู้ฟังเจ้าค่ะเราไม่ได้เป็นผู้ที่แบบไป ส, ดดสอดไปใช<า>่เจ้าค่ะไม่ไดแสดงนะไม่เตมิมไม่แต่งไม่อะไระทั้งนั้นก็คือรู้เฉยๆสักแต่ว่าเรา ใช่เจ้าค่ะแล้วเราก็พอฟังเสร็จเอาเขร้องไห้อุ้ยตายแล้วเราก็คิดไม่ทันแล้วเจ้าค้าลูกก็ได้แต่เสียใจด้วยนะขอเสียใจแสดงความเสียใจแต่คิดไม่ทันว่าเอ้ยเราน่าจะขึ้นไปหยินอะไรทิศชู่หรือหรือเข้าไม่กดลูกเฉยเดี๋ยวปรับใหม่เจ้าค่ะเดี๋ปรับใหม่เอาเอาตัวเองรอดจากรถชนแต่แต่เรื่องของคนอื่นไปไม่ไป็ไม่เป็นไรแหะไม่เพื่อเรื่องใหญ่โตอะไร แล้ค่ะค่ะก็ก็เราอยู่กับสังคมลูกจะพยายามพยายามนะค่ะแต่รู้สึกแล้วว่าใจเราเริ่มไม่ค่อยกับเริ่มเริ่มอยู่กับสังคมต้องมีความไม่หารสีเป็นแล้วคะปิสัมพันธ์วนนี้กตกทุกข์ได้ยากก็ต้องแสดงความเสียใจบรรเทาทุกข์ให้เขาหาวิธีทำให้เข้าใจสบายขึ้นนันการุ่นนา เจ้าค่ะลูกจะลูกจะแสดงออกมากขึ้นแต่ในใจลูกก็จะพยายามรักษาใจให้ให้ให้นิ่งให้ให้อยู่ในอุเบกขาเจ้าค่ะเมื่อตอนนู้นแล้วจะลูกจําได้พระอาจารย์สอนว่าหาจุดอุเบกขาให้เจอตอนนี้ลูกพยายามหาอยู่กับจุดอุเบกขาให้ให้ให้มากข้นไปมากขึ้เรื่อยๆจะดุนไปเจ้าค่ะจะพยายามเ่าเจ้าค่ะ แล้วปฏิบัตไไิก็ามากินไปอย่างนี้มันจะสุดโต่งไปทางด้านหนึ่งก็เด <laughs> <จ>ี<ะ>๋วยวต้องปรับเข้ามาให้มันอยู่กลางจ้าวขารู้จะพยายามปรับแล้วเจ้าคขาดี <laughs> <ะ> <laughs> ใ, ใจที่ได้เข้ามาวันนี้เจ้าขากลับขอบพระคุณพระอาจา ร, รย์อย่างที่สุดเจ้าค่ะสาธุเจ้าขาเออคุณทิสติมาว่าองไอันนี้เที่ยวสีแ่แปดหรือเปล่ากลับรัชการครับอาจารย์วันนี้สี่แปดค่ะอืออยทุกวันจากหา ได้ครบได้ครบทั้ง8ข้อได้เลยโค้กับพระอาจารยวันนี้อืมโอเคสวัสดีทุกคนมันน่นมันนี่ต้องไปกินอาหารกับที่บ้านเนี่ยพ่อแม่ใช่ไหมคะสวัสดีข้าพเจ้าใช่ค่ะถ้าไม่มีเข็มก็จะรักษาไปทุกวันนี้เลยใช่ค่ะอ่าดีรู้สึกยากวันนี้รู้ว่าง่ายขึ้นละอ่าง่ายขึ้นแล้วค่ะเริ่มชินเริ่ม เป็นปัจจุบันปัจจุบันไปแล้วค่ะอาจารย์ทำไปเรื่อยๆมันก็จะติดเป็นนิสัยไปเองแล้วมันจะไม่อยากจะเลิกอ่ะมัอนพ่อรู้มันรู้ว่ามันดีอ่ะเหคือนไดชนะกิเลสได้ชนะความอยากตอนนี้ชีิสงบดีค่ะอาจารย์ตั้งแต่ถือสินแตกโอเคเลยค่ะไม่ต้องไปอ่าสั่งคมกับคนอื่นมากมาย้วไม่ต้องไปบอกเ้าด้วยเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาได้ค่ะอาจารย์ ค่ะค่ะพระอาจารย์ท่านแข็งแรงนะคะญาติสามที่คุณยายกับคุณคุณหลานสวัสาีครับพระอาจารย์จะไม่เขียนชื่อคุณยายคุณยายกับคุณคุณน้องน้อยเหรอถามคุณยายและหมักน้อยครับต้องให้คุณยายขึ้นก่อนแล้วเดี๋ยวนี้งานคุณยายสบายดีนะ มาอยู่เรได้เลยนะคะอยู่แต่บ้านคนเดียวทํางานกันค่ะเราได้เปรี้ยวเมย์ของเราเลยไม่ต้องไปหาที่ปรี้ยวเมย์มันอยู่คนเดียวัางที่มันก็ไม่มีใครคุยด้วยเลยนั่งปฏิบัตไม่ต้องการคุยกับใครนะก็ก็ถามทุกวันอยู่แล้วค่ะอื อย่าวันนี้ก็พุทธโทรพุทธโทรไปคุยกับพุทธโทไปอย่างเดี้ยค่ะยาย่างทุกวันเลยค่ะครั้งละสามสิบนาทีค่ะอ่าดีสามสินาทีสวดมนไปบ้างก็ได้ฟังเทศทําธรรมไปด้วยก็ได้สลักผลทำไม่ต้องไปดูละครแล้วน้ำเน่าดูว่ามันใส่เกิดแล้วมาใส่ถังมันรู้ข้ามาฉายกี่รอบมันเนี่ย เหมือนอาจารย์เล่นอนเนี้ย <akl> ท <at> ่านก็สมัยเด็กๆมันก็มีนะสมัยที่เราเป็นเด็กๆมันก็มีบ้านชายทองนอันนี้แอดวานซ์ครับเดี๋ยวนี้เขามีวิมานทองวิมานทอซึ่งจะจบซึ่งจบก็คือยายดูอยู่ครับวันนี้ก็ มาฟร้อมคุณยายมารายงานผลการปฏิบัติ <g les> ที่เอาไปปรับปรุงสลายอาทิตย์ขึ <g les> ้นปขึ้น <g les> อันแรกก็เรื่องของการพัฒนาเรื่องพุทโธให้แน่งครับผม <g les> พอเราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยปรกากฏว่าเสาอาทิตย์ที่ผ่านมาไปปีนเขาไปทริปของโรงเรียนแล้วเวลาที่มันขึ้นสลปสูงๆแล้วเราจะตายเอาอ่ะเหมือนแบบมันพุทโธมันมาเองอ่ะอาจารย์มันเหมือน มันเป็นออโต้ของจิตว่าเอ้ยพุทโธต้องมาแล้วพอมันมีพุทโธกำกับใจมันกลายเป็นว่าแบบล่วงไปก็มีพุทธโถ <laughs> ถึงล่วงไปฉันก็จะล่วงไปพร้อมพุทโธ <laughs> มันมันก็คิดอย่างเงี้ยฮะอาจารย์ <laughs> หรือบางทีแบบตอนที่ขึ้นแบบทันมากๆผมก็คิดเออถ้าตกเขาไปก็ตกเขาไปพร้อมพุทธโถ <laughs> มีสติ ตกเขาไปครัการไม่สติก็ไม่ตกใจไม่ไม่ทุกข์จะทุกข์หน่อยนะเพราะฉะนั้นเราตกเขาเย่ยทำให้พุโทโธก็ไม่ทุกข์อยู่กับพุโทโธไปมีพยายามฝึไ ป, มไปเรื่อยๆฝึกได้ทั้งวันอนะ่ะพุโทโธเวลาที่เราไม่ต้องใช้ความคิดแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปสุดท้ายพอพุโทโธไปเรื่อยๆ เ, เหมือนมัน มันเหมือนย้อนเข้ามาแล้วทาให้เราเหมือนเป็นเรียกว่าไงอิน i ิสิเบลแมนที่ดูอยู่เฉยๆมันกลายเป็นเราเราเหมือนรู้รู้จักกับอินวิสิเบลแมมากขึ้นพอพูดโธไปเรื่อยๆนะครับอาจารย์มันกลายเป็นเราแยกออกจากร่างกายเราเพิ่ากกลายเป็นผู้ดูร่างกายไปวันนี้เราเป็นร่างกายอวันนี้เราก็แล้วกลายเป็นผู้ดูร่างกายน ะ, ะมันมันจะ เปลี่ยนไปอย่างนั้นคือสมัยก่อนเราอาจจะมองว่าเออร่างกายคือมันมันแยกไม่ได้สมัยก่อนแต่ตอนนี้มันเหมือนแบบมันแยกได้แล้วบางทีร่างกายเคื่อนไหวบางทีนะครับอาจารย์ร่างกายเนี่ยอาการเคลื่อนไหวของร่างกายมันก็ไปของมันนะแต่ว่าเราบางทีอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับสติเนี่ย มันอยู่เราไม่ได้ไปกับมันเราไม่ได้ใช่พระอาจารดูไม่ใช่ถูไม่ได้ไปกับมันมันไม่ต้องอยู่นิ่งดูมันเคลื่อนไหนเราเห็นมันเคลื่อนไหวแต่เราไม่ได่เคลื่อนไหวเหมือนเมื่อก่อนนี้นะใช่ครับพระอาจาใจ่เลยมันมันไม่เคลื่อนไหวแบบแต่ก่อนใชจนิ่งใจนิ่งเลยใจนิ่งใจแล้วมันดูเบิกขา ต้องมาอธิบายให้พระอาจารย์แล้วก็ญาติธรรมในซูมฟังอธิบายให้คนอื่นฟังเดี๋ยวเขาหาผิวขึ้นโอเ้ก็ฝึกไปพุตโธนี้ฝึกง่ายมากเท่าไหร่ยิ่งหนึ่งสติ จ, จะจิจะแร่งนิ่งมากขึ้นไปเรื่อยๆเฉยมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ไปฝึกในเรื่องของการพิจารณากายมาเพิ่มไครับอาจารย์ เพราะว่าไหนๆก็มีคำสั่งมาแล้วว่าเราไม่ต้องสนใจเรื่องมีแฟนเพราะฉนั้นก็เอาเรื่องพิจารณากายให้เต็มที่เลยก็พ อ, อ, อเหมือนกำลังเคลิมๆจะหลับนะมีวันหนึ่งมันไม่น่าจะวันก่อนนะคระับอาจารย์กำลังเคลิมๆกำลังจะหลับปรากฏเป็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งที่ก็หน้าตาปกติคือไม่ได้สวยแต่ก็ไม่ได้หน้าตาแย่แต่ ปรากฏภาพเขาอยู่ๆตาเขามันเริ่มเหมือนแบบขยายพองโตใหญ่ขึ้นเหมือนหนังตาเริ่มถลนไปถึงหน้าผัก แ, แล้วตามันก็ลุกออกมาแล้วเสร็จนะเขี่ยวหนังก็เขียวไปเรื่อยๆเหมือนมันมัน ม, นมาให้เห็นตอนแรกก็ดูไปเรื่อยๆดูสักพักมันก็เริ่มเหมือนแบบรู้สึกเขาเรียกว่าอึดอัดคือเหมือนรังเกียจฮะพอรังเกียจไปเรื่อยๆมันกลายเป็นว่าแบบมันเฉยไม่ได้เพราะก่อนหน้าเนี้ยเวลาพิจารณามันเฉย แต่กลายเป็นว่าพอเอาเข้าจริงพอดูได้อย่างเงี้ยแล้วมันมาให้เห็นแบบตอนเคลิ้มๆอ่ะ ม, มันกลายเป็นเหมือนแบบฉันไม่อยากได้ฉันไม่อยากดูแล้วฉันไม่อยากดูสู้สู้กันสู้กันอยู่สักพักหนึ่งครัจนสุดท้ายจนสุดท้ายภาพนั้นหายไปจก็พยายามดูแบบเฉยๆไปดูไว้เพื่อระงับอารมณ์ถ้าไม่มีอารมณ์ก็ต้องเฉยๆไปอย่าไปอย่าไปรังเกียจอย่าไปเอ แล้วก็กลายเป็นกิเลสอีก อ, อ, อย่างหนึง่งกลายเป็นความชังไปสังเกตไปเราต้องอยู่ตรงกลางไม่ลกไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเฉยๆเข้าใจไหมถ้ามันพอมันเริ่มชังเราก็อาจจะต้องระ ง, งับภาพนั้นลงไปกินยามากเกินไปนะ เรเพิ่มมีปฏิกิริยาไปในทางไม่ดีแล้วปวดข้างชคนยงออกมากินยามากเกินไปแล้วลดยาลงลดขนาดลดขนาดยาลงให้มีไว้ยานี่มีไว้เพื่ับความรักพอไม่มีความลักแล้วพอเริ่มชางก็แสดงว่ามันมากไปแล้วกินยามากไปหน่อยจะต้องลดลดโดสิดนะลดโดสกลับไปดู ไปดูภาพที่น่าดูก่อนะก็ระงับความชั่งไว้แต่พอพอเห็นภาพที่น่าดูแล้วเปลี่ยความลักใหม่ก็ต้องก็ต้องเอาภาพที่ไม่น่าดูมาแทนหนึ่งถ้ามันอยู่กลางรักษาความเป็นกลางไว้ครับอาจารย์เข้าใจเข้าใจครับผมนกางปฏิบัติเวลาใช้มนตญยามันจะไปละ มือนเหมือนมันถ้ามันไปทางซ้ายสุดมันก็ไปทางขวาสุดเนึ่ยมันไม่มันไม่อยู่ตรงกลางมันไม่รู้ว่าเจตนานของการพิจนารณาก็เพื่อเอาใจที่ไปทางซ้ายและทางขวาให้มาอยู่ตรงกลาง ใ, ใช่ไหมเข้าใจไหมตรงกลางก็ อ, อุเบกขาเฉยๆไม่รักไม่ชังถ้ารักก็ต้องเอาภาพที่ทําให้เราชัางออกมามันจะได้ไม่รักเป็นเป็นแอนตีโดสเนี่ภาษาอังกฤษใช่ไหะ ถ้ามันชังมันเรก็ต้องเอาภาพที่น่ารักมาทำให้มันหายชังให้มันอยู่องการเข้าใจไหมครับหลักการพอเข้าเข้าใจเลยครับพระอาจารย์กลัวกลัวอย่างเดียวคือปฏิบัติมันกลัวมันจะไปโอเวอร์ดอสอย่างากลัวก็พุทโธพุทโธให้มันกลับเข้ามาอย่าให้มันไม่ให้มันกลัว หรือก็พิจารณาอย่างมากแค่ตายวย่ายอมตายมันก็หายกลัวแต่พิจารณาอยากจะตายมันมันก็มากเกินไปและเนี่ยมันยังไม่ถึงเวลาตายมันต้องไปฆ่าตัวตายอ่ะจ้ะอ่านได้ไหม <lakes S 1> พิจารณาความตายพื่อรับความกลัวตายแต่บราคนพิจารณาความตายอย่างทั้งอยากจะตายขึ้นมานี่มันก็มันก็เกินไปนะ สิ่งในสมัยพุทธกาลมีนะที่พิจารณาความตายมากๆแล้วก็เลยคิดว่าอันนะีู้จะต้องตายแล้วก็ฆ่าตัวตายให้เราไม่ต้จะอยู่ไปทําอะไรนี่มีในหนังสือถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีนะในหนังสือไกยคตาสติครับอาจารย์พรูอเจ้ารยเลยสอนว่าให้พิจารณาเมตตาเวลาคิดจะฆ่าตัวตายให้เมตตาตัวเองให้เมตตาให้กับตัวเองรักตัวเองตอนต้องการักมากเกินไปก็เลยต้องพิจารณาความตายให้รู้ว่าสักวันจะต้องทิ้งมัน พรพี่เราบ่อยเขาก็ไปเกลี่ยมันขึ้นมาอยากจะให้มันตายเร็วๆขึ้นมาอย่างนี้ก็คิดจะฆ่าตัวตายก็ผิดจริงอ่มันต้องอยู่วงการไม่กลัวตายไม่ไม่กล้าตายกลัวก็ไม่กลัวกล้า ก, ก็ไม่กล้าเฉยๆอยู่วงการเข้าใจไหมเข้าใจโอ๊ยทำมาลึกซึ้งเหลือเก <laughs> ินแนวปัญญาเป็นอย่างเนี้ยมัน เวลาเวลาพิจารณามันมักจะไปสุดโต่งด้านใดด้าน ermaid. หนึ่งบางคนก็นพิจารณาปฏิกูลเี่ยวอาหารจนกระทั่งกินไม่ลงเลยเห็นเวลาจะกินอาหารหอะไรเห็นเป็นปฏิกูลไปหมดะผมเลยครับคนนั้น <ico> ผมเลย <ix> <l' Aman. S 1> อันนี้มันก็มากไไนนกันไปและก็ต้องย้อนกลับมาพิจารณาว่าอาหารก็เป็นธาตุร่างกายก็เป็นธาตุเราเติมธาตุให้กับร่างกายไปอ๋อมมันก็เลยกินได้ ใช่หมบางทีพิจารณาเนี่ยถ้าไม่อยากกินอะไรเบื่ออ่นะกินไม่ลงเนี่มันะกินไม่ลงกินแบบแบ่อยเดี๋ยวร่างกายก็ขาดอาหารตายได้ก็ลองเปลนวิธีพิจารณาแทนที่เป็นปฏิกริยาพิจารณาเป็นธาตุไปอ่าอันก็ดินน้ําลมไฟร่างกายก็เป็นดินน้ําลมไฟเอาธาตุมาเติมให้กับธาตุเนะี่ยอ่าก็เลยเติมกันก ไ, ได้แล้วกินเข้าไปได้ค่ะอาจารย์ ต้องต้องลดขนาดโดสหน่อยไม่งั้นไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะตาย ด, <laughs> ดูที่ใจเราเป็นหนักว่าใจเราอยู่ตรงกลางหรือเปล่าหรือไปทางด้านใดด้านหนึ่ง <laughs> ถ้าไปทางซ้ายก็ต้องดึงกลับมาทางขวา <laughs> แต่ว่าพอมันมันเริ่มนิ่งนะอาจารย์มันความโกรธมาองเนงะี้ยพอความโกรธมาเฮ้ยมันดับเลยนะฮอาจารย์พอพอมันมาถึงดั บ, <laughs> ด, บดับให้เห็น ดับดับไวมากบางทีปกติต้องใช้พุดโธแบบพุดโธจะมาก่อนแล้วมันถึงไฟดับอันนี้พูดโธยังไม่นันมาดับเลยมีสติอฟัมไว้ก่อนนะมีพุ่มีพู่คุ้มกันรอ ไ, ไว้ก่อนออพอพอมันจะกรธก็ตรับตบโป่งมันหน่อยตบโป่งเลยบโป่งพึ่งเลยโอเคดี ไม่ทำมาลิ้งซึ่งมากราบขอบคุณพระเจ้าอย่างสุดดูที่ใจเราเป็นหลักนะการปฏิบัติต้องดูที่ใจเราเป็นหลักข้อหมายของการปฏิบัติเพื่อใจอยู่เป็นการสักดิ์แต่ว่าเราไม่เอียงไปทางซ้ายไม่เอียงไปทางความไม่ไปเอียงไปทางลัดไปทางชั่งทางกลัวหรือหลงนครับอาจ้าโอเคคุณยายแข็งแรงนะครับ พออยู่ได้ค่ะเดีอยู่ไปเรื่อยนะไม่อยู่เยอะแล้วค่ะสักหนึไม่ต้องมากอยากกลับบ้านนะคะกลับบ้านเก่าเลยค่ะอยากไม่อยากอยากก็เป็นิเลสเนี่ยแต่พอาจารย์ยายพูดงนี้นะพูดไปจําเลยเวลามีอะไรงอนก็จะอยากกลับบ้านเก่าว่าถึงเวลาเขาจะมาเอากลับบ้านเก่าไม่ยอมกลับ บอกขอยังไม่เอาไม่กลับไปแล้วเราเป็นหลานต้งองบอกว่าขอให้คุณยายอยู่นานๆเป็นที่ทพึ่งของลูกหลานนะเนี่ยถ้าไม่งั้นเดี๋ยวคุณยายจะน้อยใจว่าเรามันแก่แล้วเขาไม่อยากให้เราอยู่นะเราเป็นลูกหลานแล้วต้องคอขอร้ อ, อ, องให้อยู่ไปนานๆนะอาจจะไม่ใช่คุณยา ย, ย, ายก็ผู้ใหญ่ก็จะได้มีกําลังใจอยู่แต่ว่า<ม>เราอยู่ก็อยู่เพื่อให้เป็นใ ห, ให้ให้กําลังใจกับเขา ให้เป็นร like to <they> ่มโพลร่มไทรของเขาไม่ใช่อยู่เพื่อไปเกาะกินเขาถ้าลงกาไม่ไม่ไม่ขอร้องให้อยู่นี่บางทีสดาอาการว่าไม่อยากให้อยู่อยู่แล้วต้องคอยเลี้ยงดูเบื่อเหมือระเหมือนเหมือนพระอนุนเนี่ยพระอนุธรรมบุเจ้าบอกว่าเราจะถ้าเราจะอยู่ต่อไปอีกอีกอีก เขาเรียก อ, อะไรจไม่ได้ยี่สิบห้าปียั้ไงเนี่ยเราก็อยู่ได้นะแต่อานนท์ก็ไม่เคยอาลาพนาบอกนิมนต์ท่านอยู่ไปต่ อ, อนะเพราะอานนท์เป็นเป็นคนต้องคอยเลี้ยงดูไงเลี้ยงดูพระพุทธเจ้าอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าพุทธเจ้าพูดอยู่สามสี่ครั้งมันบออานนท์ผู้ที่เจริญอิทธิบาทสี่ดีแล้วนี่สามารถต่อยุได้นะอยู่ได้นะอ ย, อยู่ได้ยาวอีกกับหนึ่งอะไรเงี้ย อ น, อนนท์ก็ไม่เข้าใจความหมายก็ไม่เคยลาธนาพอพระพุทธเจ้ารู้ว่าอนอนท์คงจะไม่อยากให้เราอยู่แนะก็เลยตัดสินใจจะโปร่งสังขารอีกสามเดือนจะจะปรง่ะจะไม่อยู่ต่อไปแล้วก็บอกอนอนท์นี่เราอีกสามเดือนเราจะไปแล้วนะี่ยพอพูดเท่านั้นอนอนท์ก็ขออาราธนาทันทีขอให้โปรดอยู่เถิดอะไรนี่พระพุทธเจ้าออกสายไปแล้ว เราเคยบอกเธอต้องหลายครั้งแล้วเธอไม่เคยอาราธนาเราเลยเพราะเราปรงแล้วทีนี้เราไม่เราไม่เปลี่ยนใจแล้วอนนก็เลยร้องไห้พุจาร์ก็ปลอบใจว่าอานนท์ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าหลังจากเราตายไปอีกสามเดือนแล้วก็จะได้เป็นผ้าละ่ให้กำลังใจครับ <c oughs> อาจารย์ครมีแต่ขอคำถามสุดท้ายละมีมีคำถามหนึ่งมันโผล่ขึ้นมาในหัวว่าอย่างพอไปศึกษาเนี่ย mm hmm. เขาบอกว่าอนันตริยกรรมนีคร mm ั hmm. บอาจารย์ mm hmm. คือค่าพ่อค่าแม่ค่าพระหรันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าถ้าผมผมก็เลยสงสัยว่าถ้าสมมติอย่างกรณีในข่าวทั่วไปที่แบบลูกไม่ได้ตั้งใจเผลอเอายาเบื่อหนูหรืออะไรใส่เข้าไปให้พ่อแม่กินเพราะว่า เห็นในตู้แต so ่ไม่รู้อ่ะฮะแล้วก็เห็นแม่หิวก็เลยใส่เข้าไปอย่างเงี้ยเราไม่มเจตนาไม่เป็นไรไ้ยถ้าองมีเจตนาหรือถ้าไม่รู้ว่าเป็นพ่อเป็นแม่บางทีเราเป็นลูกแล้วพ่อแม่ข้อเรามาเอาไปฝากคนอื่นเลี้ยงเลี้ยงเราไม่ได้แล้วเราไปเจอพ่อแม่แต่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นพ่อแม่แล้วเราไปโกรธเขาอย่างเงี้ยเราแบบฆ่าเขาเราไม่รู้ว่าเขาเป็นพ่อแม่อย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นกตัดเลียงครับต้องรู้ว่าเป็นพ่อเป็นแม่แล้วต้องมีเจตนาต้องการอยากฆ่า อย่างอย่างคนที่เอาเข้าไปให้แม่ที่ทู่งานาแล้วไปสายแม่แม่ไปเ อ, เอาเข้าไปให้ลูกกินแต่ไปสายหน่อยลูกก็เลยโกรธใช่ไหมอเลยฆ่าแม่นี่อันนั้นรูว่าเป็นแม่แล้วมีเจตนาตอนนั้นโกรธทํางานหนักเหนื่อยแล้วเกินหิวข้าวก็หิวแม่ก็ดันมาซ้ายเอาเข้าวมาให้ให้ช้าพอได้ข้าวมาก็เหงแเ้าเอามาข้ามาน้อยอีก ความโลภอย่างยเกินมันเห็เลยเห็นว่าค้าวที่ออกมามันน้อยก็เลยโกรธค่าแม่เลยทุบตีแม่อันนี้ท่านนี้เป็นอ น, นันตเรียกรรมพอรู้ว่าเป็นแม่แล้วก็มีเจตนามีมโทสะรูกแก่โทสะใช่ไหมแต่ถ้าเราเราเกิดแล้วพ่อแม่ไปฝากคนอื่นเลี้ยงเราเป็นเด็กกำพร้าเราไปอยู่ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า เราโตขึ้นมาเราไปทํางานกับพ่อแม่คนนี้เราที่ไม่รู้ว่าเขาเป็นพ่อแม่แเรางี้ยคือเราไปป่นไปจี้บ้านเขาเราไปฆ่าเขาเงี้ยอันนี้ไม่ไม่ใช่ว่าเป็นฆ่าพ่อฆแม่เพราะเราไม่รู้ว่าเขาเป็นพ่อแม่แเราใช่ไหมเข้าใจยังอ้าเข้าใจแล้วครับอาจารย์แล้วอย่างนี้ถ้าสมมติข้อที่บอกว่าฆ่าพระรหันสแสดงว่าถ้าเนื้อบุคคลที่ไม่ใช่พระรหัสถ้าเกิดว่า คนที่ฆ่าเนี่ยฆ่าไม่ได้ฆ่าพระอาหารแต่ฆ่าพระญาติบุคคลที่เลเวลต่ํากว่าพระอาหารเนี่ยก็ยังไม่ถือเป็นอนันตฤกษ์กรรมถูกไหมครับอาจารย์ก็ไม่ได้พูดท่านไม่ได้พูดก็อะไรก็เราไม่อยากจะไปตีความแต่ก็ไม่ควรนะไม่ไม่ควรอย่างยิ่งก็จะไม่หนักโทษอาจจะไม่หนักเท่ากับเอกับพระอาหารนี่แหเพราะคุณอยู่กับพระอาหารมากกว่าพระญาติขั้นที่ต่ําลงมา มีงานความดีมากน้อยต่างกันคุณประโยชน์ที่จะทําให้กับโลกมากน้อยต่างกันโอเคนะวันนี้แม่พูดหลายเรื่องเลยเรื่องความตายเรื่องฆ่าคนนะไร่วันนี้ข้ามไปเรื่อยเลยครับขอให้พระอาจารย์เมนนื่อกั้อาจารย์นะคุณยายสุขภาพแข็งแรงนอนหลับฝันดีนะ อา่คุณอุสานาราที่ว่ายังไงอยู่คนเดียวเหาอไหมคิดถึงลูกไหมมาตรการค่ะพระอาจารย์อก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ค่ะหมอไม่คิดแหละคงจะคิดอยู่เรื่อยๆมั้คิดอยู่ค่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กังวลไม่กังวลใช่ค่ะไม่ได้กังวลค่ะแต่แล้วก็โยมลาติขาสิ่บแปดเมื่อวานค่ะอาจารย์โยมป่วยอ๋อ ค่ะป่วยป่วยแบบป่วยป่วยมากเลยค่ะจาย์แล้วก็เลยไปหาหมอหมอให้กินยาหลังมื้อเย็นนะคะใช่ค่ะก็เลยตอนแรกก็เลยก็อย่าไปกินมากนะกินเพิ่มกินเพิ่มกินข้าวกินใช่ค่ะกินยากินแค่สามคำสี่คาประมาณนั้นนะคะก็เลยก็ลาสิกขาไปแต่ก็ยังยังคงนอนพื้นเหมือนเดิมค่ะจาย์ตอนที่ป่วยนะคะ S <S อยอมอยู่กับผู้โทรตลอดเลยค่ะจารย์ันคือแบบแต่รอบนี้มันมาแบบธรรมโอสถเอาอย่างเดียวไม่อยู่่ะต้องไปหาหมออืมแล้วก็โรคบางโรคก็ต้องหาหมอต้องหาใครทีแรกที่แรกคิดว่า <S <S คงไ ม, เม่เป็นไรมากเพราะว่าอาจจะทํางานเยอะไปใช่ไหมคะอืแล้วก็ปรากฏ ว, ว่ามันไข้จนหนาวค่ะกลางคืนหนาวสั่นเลยแล้วมันสั่จนจํานวนก็รู้สึกว่าเราเกรง ยมก็บอเฮ้ยยมเฮ้ยเราไปปรุงตามาลงมันยมก็กลับพูดโทรหาอาจารย์พูดโทรพุดโธรพูดโธตลอดเวลาค่ะอาจารย์แล้วก็พอไปหาหมอเมื่อวานหมอก็หมอก็วัดความดันโยมวัดไขโ ย, ยมใช่ไหมคะแล้วก็คุณหมอนี่เป็นเพื่อนของลูกโทษหาเป็นลูกของเพื่อนรุ่นพี่โยมแล้วเขาก็ลูกแขนโยมนะไข้สูงมากเลยนะและชีพจรก็สูงด้วยเร็วด้วยะคะ่ะยมก็เลือกไปมองที่ ที่หน้าปัดที่เข้าขึ้นนะคะมันร้อยสี่สิบสี่เลยนะคะจาน mm hmm. ซึ่งแบบเแต่ว่าโยมแค่รู้สึกว่าเราไม่ไหวเท่านั้นเองคะ่ะจาย์รู้สึกว่าอะไรไม่ไหม้ค่ะอยู่กับโยมอยู่กับพุทธโธจริงๆค่ะอาจาย์ mm hmm. แล้วก็กลับมาเพื่อนถามว่าเป็นไงมัง่งโยมก็บอกว่าเนี่ยคือความดันที่ประจรมันเท่านี้เท่านี้นะเพื่อนบอกว่าแล้วมีปวดหัวไหมบอกไม่ไม่ได้ปวดหัวเลยเลยอยู่กับพุทธโธ mm hmm. จริงๆค่ะจานโยมบอกเพื่อนแบบนั้นนะคะ แต่ตอนนี้ก็คือกินยาตามอาการที่หมอให้มาค่ะอาจารย์อาจารย์เราต้องไม่เดือดร้อนกับร่างกายนะใช่ค่ะคําพูดของอาจารย์บอกว่ามันปวดก็ให้มันปวดไปอย่าไปทุกกับมันอืป่วยก็ป่วยไปอย่าไปทุกกับมันโยมใช้คํานี้ตลอดตอแรกบอกโอ้โหไม่เคยป่วยแบบนี้มาก่อนค่ะอาจารย์ป่วยแบบป่วยแบบโอ้โหไม่เคยเป็นเนะะ่ยค่ะโยมบอก <Yeah. S 2> เฮ้ยจะตายรอบนี้หรือเปล่า แต่มันกาสัศจย์กับธรรมะของพระเจ้านะธรรมะโอโหสิวนเดยคืออยู่อยู่ได้เขาจริงๆค่ะอาจารย์อยู่ได้กับพุโทโธจริงๆซึง่งหมอที่ตรวจโยมค่ะรูปแขบเบาๆรูปแบบรูปแบบเมตานะคะ่ะโยมก็มองหน้าเขาเป็นเขาเรียกโยมวนานะ้ะานะใข้สูงมากเลยนะแล้วชีพจรเขาเร็วด้วยโยมก็มองเขาโยมก็รู้สึกเมตตาเขาต่อค่ะอาจารย์แทนที่ว่าก็รู้สึกว่าอืม ก็กลับมารักษากินยาคาะอาจารย์ตอนนี้ก็คือดีขึ้นายก็ยังคิดว่าให้หายป่วยแล้วก็จะกลับมารักษาตีนแปดเหมือนเดิมก่อนหน้านี้นะคะคิดว่ามันไม่มีอะไรทำให้โยมออกจากตีนแปดได้เลยไม่มีอะไรแรงจูงใจได้เลยแต่ปรากฏว่าพอมาเป็นป่วยอย่างนี้เราก็เลยแต้องเจก่อนนี่จะบไข้แล้ป่วยก็ต้องรักษาร่างกายไว้ก่อน อ่ะ <c oughs> ทีแรกโยมจะโยมจะไม่จะไม่จะโยมจะไม่ทันมื้อเย็นไอโยมจะไม่กินยาเย็นนะคะ <c oughs> แล้วก็น้องของสามีบอกว่าอาจารย์ยังพูดเลยเขาอ้างอาจารย์นะอาจารย์ยังพูดเลยถ้าป่วยให้รักษาร่างกายไว้ก่อน <c oughs> เขาเป็นแบบพวงอะค่ะโ <c oughs> ยมก็เลยโทรไปหาพระอาจารย์ที่วัดสายสุวรรณารามนะคะว่าโยมควรจะทํำยังไงดี <c oughs> อาจารย์เขาบอกว่ามีสองทางเลือก <c oughs> คือดูว่ายานะ้นอ่มันแรงไหม <c oughs> ถ้าหากว่า ไม่แรงก็ดื่มน้ําอะไรประมาณนี้ดื่ก็อีกทางหนึ่งถ้านไม่ติดก็คือตาติดขาไปก่อนหรือกินข้าวไปก่อนรักษาละร่างกายไปก่อนนะคะอโยมก็เลยต้องเลือกรักษาร่างกายไปก่อ น, นะครับแต่ธรรมะช่วยโยมได้จริงๆพุทโธช really ่วยเยอจริงๆค่ะจ๊าเดจ่าดูชาติทั้งดูชาติทั้งก็เหมือนไม่เหมือนคนป่วย <S <S <S แล้วมา <c oughs> เขา้า <c oughs> เข้ามานั่งฟังธรรมะได้ก็สันติมากใจไม่ป่วยร่างกายจะป่วยแต่ใจไม่ป่วยใช่ค่ะ <c oughs> คือแบบมันคําสอนของอาจารย์นะคะมันจะขึ้นมาตลอดว่าอย่าไปทุกข์กับมัน <c oughs> มันป่วยก็อย่าไปทุกข์กับมันปวดก็อย่าไปทุกข์กับมันค่ะยมยมอยู่กับคําของอาจารย์ตลอดเลยค่ะจ๊อง <c oughs> แล้วก็อ่าก็ ตอนที่มันมันหนาวจนสะท้านแล้วก็รู้สึกเหมือนกับเกรงจะสองครั้งอ่ะนะคะยังรู้สึกเึ้ยถ้าเราไปตามอารมณ์ของมันแบบนี้เราจะยิ่งแย่ก็กลับมาพุทโธพุทโธเดิใจกลับมาแล้วใช่ค่ะโยมโยมไปป่วยที่ร้านนะคะแล้วก็พอจะกลับมาที่บ้านใช่ไหมคะเอ๊จะกลับยังไงดีก็เลยเดินออกมาพุทโธพุทโธขาจารย์แล้วก็มาเอามอเตอร์ไซค์มาขับมอเตอร์ไซค์กลับมาบ้านนะคะก็พุทโธมาตลอด ซึ่งตอนที่ขับรถกลับมาเนี่ยตัวโยมไม่มีไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้สึกว่ามีตัวเราแต่เห็นไปที่ข้างหน้าที่ที่ถนนมองเห็นแต่ถนนแล้วก็ล้อที่ไปเส้นทางที่ไปอะค่ะอาจารย์ขับมาแบบนั้นจนถึงบ้านนะคะพุดโธมาตลอดเส้นทางค่ะอาจารย์ปลอดภัยดีค่ะอาจารย์ค่ ะ, คคะมีเท่านี้ละคะ่ะอาจารย์โยมก็ยังรู้สึกเสียดายนะคะว่าต้องออกจากปีนแปมซึ่งมันจะครบดีอยู่แล้วอะคะ่ะ อืมไม่เป็นไรเลยมันมันเรื่องสุดวิสัยไม่ใช่แล้วไม่ได้เกิดจากเจตนาของลมเรากไ็ไม่ไม่เป็นกิเลสนะคือยังคิดว่าอาหารมันไม่ได้เป็นแรงบป็นดันใจให้โยมออกจากปีนแปดเลยแต่พอมาป่วยอืมเราจําเป็นต้องออกจริงจริค่ะจ๊ะก็ถือว่าเป็นการกินยาไปก็แล้วกันที่อาหารก็เป็นยาอย่างหนึ่าสาธุค่ะอาจารย์วีเท่านี้ละค่ะสาธุขอบพระคุณนะคะอาจารย์ขอบพระคุณมากมากเลยค่ะ อาาทยัอาจารย์อที่ทคุณอนันต์เชิญคุณอนันต์นาจาก็มาจะได้ยินในคันนี้อยู่บนรถนะครัอาจารย์นนั่เสรรู้สึกว่ามันก็นั่งแล้วรู้สึกมันไม่นั่งนิ่งเลยใช่ครัมันอยู่บนรถมันก็เลยยัออยงอยู่อินเดียอยู่ออเห<อ>รอไม่ค่ะี่ขึ้นมาโควิ่นอโคววันนี้ก็เลยใช้ iPad อ, อยู่บนรถก็ไม่ได้เข้าสองอาทิตย์ก็เลยอุ้มไม่ได้แล้วอาทิตย์นี้ต้องเข้ามากราบอาจารย์หน่อย รู้สึกว่า น, นั่งไม่นิ่งเลยรถรถมัเเนเนาะกระตุกไปกระตุกมายกก็ ม, <ด>มันก็สับตอนแรกคิดว่าอาจจะเป็นเพราะสัญญาไม่ดีไงตอนแรกมนล็อกกุนไปล็อกกุนมานี่ยมันกระตุกก็เลยยกก็เลยต้องคอยจับไอแพดไว้ว่ามันจะร่วงเอาเราคิดว่าไม่ได้เข้าสอบอาทิตย์แล้วอาทิตย์นี้ต้องเข้ามากราบไม่ได้ถึงไม่ได้อยู่บนรถแต่มันก็จะเกิดเป็นพอดีรถท่นนี้เขาไม่มีโต๊ะให้วาง ไอแพมันก็เลยกรนตกนิดนึงก็องวางบนขาตัวเองจก็ mm hmm. ไม่เป็นไรก็โอเคอยู่ mm hmm. แต่มีความตั้งใจมากค่ะคิดแล้วว่ายังไงวันนี้ต้องเขา้าก mm ็เลยมาดูเวลาแล้วยังไม่ถึงกรุงเทพแน่ๆเตรียมกอนมาคอมีอะไรบ้างมีอะไรไหมวันนี้วันนี้มนไม่มีอะไรค่ะต่แรกคือคิดว่าเดี๋ยวช่วงปลายเดืนจะขึ้นไปที่เขาซีโอที่ก็คือเหมือนพอ ช่วงที่ผ่านมาเดินทางเยอะหน่อยแล้วออกไปทํากิจกรรมเยอะก็รู้สึกวิธกําลังกําลังสติยมีนะพระเจา้าแต่ว่ามันกําลังสมาธิเราก็ถุกถอยนิดนึงนใช้ระหว่างวันเยอะมาก <c oughs> ก, กับการใช้กําลังในการต้องตอบคําถาม <c oughs> กับการที่ต้องให้คําปรึกษาเนี่ยแต่ว่าพอเราไม่ได้ช่วงที่เราไม่คิดเราก็อยู่กับพุทโธมันก็มัน แต่มันไม่นิ่งสงบเหมือน น, นัเหมือนนั่งสมาธิใช่ค่ะนั่งาธิแล้วโดยรวมไม่มีไม่มีอะไรอาจารย์ไม่มีไม่มีอะไรมากระทบให้เรารู้สึกเป็น ท, ทุกข์จริงๆสิ่งนึ่งที่ยกสังเกตว่าหลังจากปฏิบัติมาเรืร่อยๆคือเหมือนเวลาสิ้นวันเนี่ยยอไม่มีอะไรกลับไปติดในหัวเลยอาจารย์จะมองว่าเราไม่ได้เก็บอะไรกลับไปกลับไปเป็นความทุกข ไปคิดไปคิดต่อไปปรุงต่อไปทำให้เรามันเป็นอดีตไปแล้วมันผ่านไปแล้วใช่มันก็เลยเหมือนทุกวันตื่นขึ้นมาใช่วันหนึ่งก็มันเรื่องเมื่อวานอ่ะไม่มีอะไรเข้ามาลบกุญอยู่ในวันนี้เลยจะผ่านตาใจปัจจุบันให้ว่างแล้วอดีตอนาคตมันก็จะไม่เข้ามายุ่งกับเรารู้สึกว่าออเนี่ยสุดจังเลยแต่ก่อนเรายังตะโกนเลยแต่วันนี้เรื่องเมื่อวานเราก็เก็บมาคิดคิดคิดคิดแล้วเราก็ไปคิดเลย อีกอาทิตย์น่ะแบบแนะนำโค้มากๆจะคิดตลอดเวลาแต่ว่าเราเหมือนเนี่ยมันเรื่องเมื่อวานก็จบจบในจบแล้วก็จบเลยไม่ได้แบบเก็บมันเข้าอะไรนะครับ น, นักเรียอ่านน้งค้ดก็ยังมาไม่ถึงเพน่ม้วยใจบริวารู้อยู่แล้วมันจะเป็นยังไงน้องโคตมันก็แก่เจ็บตายไม่มีอะไรใช่ไหมใช่มันต้องเตรียมตัวรับไว้วันทานนั้นเองเตรียมตัวทำข้อสอบท่านนั้นเองจนอย่าง อ, างอง<ช>ื่ก็ไม่เป็นปัญหานะถ้าเราทำข้อสอบสามตัวนี้ได้ก็ ข้อสอบเองก็สบายหรือใช่ค่ะอาจารย์ก็เป็นอย่างนั้นกๆๆ็ก็ก็ดีแต่ว่าเมื่อกี้อาจารย์มีคุณนิดที่คุยถึงเรื่องความฝัน ก, ก็เลยเปคนไม่ค่อยได้ฝันแต่มีฝันอยู่พักหนึ่งก็เหมือนว่าจะตกเหวตายแล้วก็มีความคิดคุณขึ้นมาว่าเออร่างกายมันไม่ใช่ของเราเนาะมันก็มันกำลังจะล่วงไาจังแล้วก็คิดแล้วมันก็มันก็ปล่อยเลยเนี่อาจารย์มันคงจะพิจะะารณาอยู่ในตื่นตหนกไม่ตกใจไปแล้วตบก็ตกไป เลยนะโอ้มันเป็นอย่างนี้เองแหรเวลาเรา่อยมันได้มันได้ความฝันมันบอกอย่างนั้นว่าใจบอกว่ามั้เบามันสบายพรเจ้าบุปผาสมุสุโขไหวละสังขารได้เป็นสุขอย่างยิ่งมันจะได้จำยังจำยังยังยังรูเสึกอย่าน้เพราะว่าวันนั้นที่เราจะตกแล้วเราก็บอกอย่างนั้นมันก็เลยมันก็เลยอุบ้าิไปเลยว่าใจ ีม่มมอะไรยเ ถ, ถ, ถ้าตายไปแล้วความตายมันไม่น่ากลัวความตายจะ่ปกลับเป็นของที่ดีในหมดภาระปล่อยวางอุปปัสสะโมสุขโขอยาที่พราสวดอนิจจาวัตสังคาราเนี่ยอุปปนาวยะธรรมโนอุปปชิตตาวเนรุชันติเตสรูปปัสสะโมสุขโขร่างกายมันของชั่วคราวมันเกิดแล้วก็ดับเป็นธรรมดาและร่างกายไนดะ้รับเป็นสุขอย่างยิ่ง มันต้เห็นมันต้องเห็นจากการปฏิบัติและส่งเงี้ยมันสุขหรือเปลใจมันเบามันสบายมันไม่ต้องมีแบบกองทุนอีกแล้วใช่การนี้เป็นกองทุนจริงๆนะจ๊ะต้องแล้วก็ต้องอีกมุมหนึ่งกตัวอ่างอันนี้คงต้องดูแลมันไว้เพื่อปฏิบัติในอนแต่ยังไม่เสร็จถ้ายังงานไม่จบก็ต้องดูแลมันให้ดีเหมือนก็เป็นเครื่องมือมีประโยชน์ แต่ก็ไม่ยึดไม่ยึดไม่ติดกับมันดูแลมันแต่ก็ไม่ยึดไม่ติดถ้าเกิดมันจะดูแลไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันตอนนั้นแหก็ไม่คุกกระมันถ้ามันเอไม่จุกกระมันแกมีได้มันก็ต้องในตัวว่าพระพุทธจ้าคนดูแลร่างกายของท่านถึง45ปีเพื่อสอนธรรมะให้กับสามโลกนะเดี๋ยวสามีเขาเป็นพระอาจารย์ในการที่ไป็นสาธุ อาจารย์ครับ อ, อไปงานเดินทางเหนื่อยไหมไม่เดนืยครับอาจารย์กรดีไปลูกไปตรวจงานเรื่องการสาร้างศาลาครับ อ, อ๋อนี่ช่วยทํารูปรวมลงวัตถุศาสนาน ะ, ะาโอเคสาธุการมุญอย่างยิ่งการมุนเป็นกุศลบาลานไปปฏิบัติด้วยก็คิดว่ามันอะไรที่พอทําทานได้ช่วยทำ ร, ปรูปรวมรวมไปได้ก็ต้องทําไปด้วยนะ ได้ถ้าควบกู้กันไปถ้ามันไม่มาขัดกันถ้ามันถึงเวลาขัดกันก็ต้องเรื่องอทางภาวานาเป็นหลักอะไรอย่างคู่ขนานงั น, นอยู่อย่างไปด้วย ก, กันได้ก็ทําไปแต่ถ้ามันต้องแยกไปก็ต้องแยกไปทางภาวานาอย่าแยากไปทํางทานภาันเป็นจุดที่สูงสุอ่าภาวนาสูงมันมันขึ้นเขาถ้าภาวานามก็ลงเขา ลงจากสวรรค์ชั้นสูงมาสู่สวรรค์ชั้นต่าจากพรหมมาเป็นเทวีสนใจอะไตรงนี้เพราะว่าเห็นหนันนึงที่ท่านเคยสอนว่าถ้าเราเป็นนักปฏิบัตินักภาวนาแล้วเราจะเราก็ค่อยๆหย่อยดขึน้นกันเป็นนักพรหมที่ไปวิ่งที่ทําแบบง่ายๆถ้าอยากจะทํางก็ทําแบบง่ายๆโอนเงินไปเลยไวยท้ทีไปมันคนเดียวจบไปเลย เวลายโยมเห็นบาที่ก็ถามเลยว่ไปแินมันจะมีโยมบางคนที่เป็นตึงเครื่องกันไปสายกันนี่เขาแบบจะเดินทางไปทุกๆงานของกูบาอาจารย์เลยบางทียมก็นี่เราไม่ไปเหมเราแบบคิดไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเขาแบบ ม, มีความอุตส่าห์ขับมากเอาเขายังมีความยึดติดในการสว่างข้ามบุญจากกูบาอาจารย์อยู่เขายังภาวนาเองไม่ได้เขาเลยต้องอาศัยมุนอยากตามไปกราบกูบาอาจารย์ คามเทศทางทางแล้วมันเกิดความสุขบัตบุญกุศลขึ้นมามแถ้าเขาแต่ถ้เข้าเขปฏิบัติได้แล้วต่อไปก็จะลดน้อยลงไปแล้วก็จะไปกับกูบาลจานน้อยลงไปแล้วจะไปปีกวิเว้งมากขึ้นเรื่อยๆลำลำใช่ค่ะปีกวิเว้นี่เป็นการแบบเพิ่มจำนวนทีด่ดีมากเลยอาจานยะ์คือ ก, ก, กับเราได้ได้ได้อยู่กับความสงบจริงๆมาแล้ว ได้อาจารย์อันนี้เดินทางกลับกรุงเทพง่ายค่ะไปตอนเช้าแล้วก็กลับตอนกลาเย็นนะคะอาจารย์ไม่ดีออกจากโบรดานเย็นหน่อยคือมันไปทางเกือบถึงคอนแกนแล้วมันเลยใช้เวลานานนิดนึงคอนแกนเดินทางโดยสวัสดิภาพนะอาจารย์ขอว่าจ่าแทย์สิทธิ์ไรนะคะอ่าสาธุคุณหมอภาสนาเช่ญคุณหมอ กลับนมาสักการค่ะพระอาจารย์แต่ก็ยังคงปฏิบัติได้สงบได้นิ่งนะคะแล้วก็สบายอาจารย์<ม> ก, ก็กลับมาจากที่อ่า<ม>พูดไป<ม>นะพูดไปไม่เป็นไรหลังจา ก, กลับมาจากที่ไปเยี่ยมค่ะก็ยิ่งรู้สึกว่ากลับมาแบบมันมันยิ่งเห็นความไม่ประมาทได้มากขึ้นนะคะ<ม>ก็ไปเย<ม>ี่ยมพระอาจารย์ก็ขับไปวันอาทิตย์นะคะก็ไปไปไปไปก็เจอบน้องสาวใช่ไหมคะพระอาจารย์แล้วก็โชคดีก็เลยโชคดีว่าพอดี เป็นพี่หนุ่มเป็นหมอแล้วเป็นหมอเขาก็เลยให้เข้าไปดูค่ะเพราะเพราะอาจารย์มีสตินะคะตื่นแล้วก็เห็นแล้วก็ยิ้มท้ายก็เลยชูสองนิ้วให้อาจารย์แล้วก็ถอท่อช่วยหายใจแล้วค่ะแล้วผู้เสียงดังด้วยนะคะท่านพูดเสียงชงได้เลยอะ่ะแล้วก็กําลังฝึกเอฝึกกลืนเลยคะ่ะเดี๋ยวก็จะถอดท่อเรื่องอาหารเลยนะคะก็จะกลืนได้แล้วแล้วก็ดีขึ้นตามลำดับอ๋อดีขึ้นตามลำดับค่ะก็ ก็ฝึกกายภาพทั้งขาแล้วก็เอที่หายใจก็เอาออกแล้วนะคะตอนที่ไปนี่ก็คือไม่มีที่ช่วยหายใจแล้วท่านหายใจเองแต่ว่าหมอก็ยังให้ตอนที่ไปเนี่ยท่านอซิเจนอยู่ไม่ไม่ได้ให้ค่ะตอนที่ไปเนี่ยไม่ได้ให้และวเซ็ตร้อยเลยนะคะพระอารย์อออกซิเจนท่านเซตก็คือก้าการหายใจออกซิเจนเต็มร้อยเลยค่ะตอตัวเองเป็นไม่สบายยังน้อยกว่าท่านทรืงเยอะเลยแล้วก็หมอบอกว่าหมอบอกว่าถ้าเออก็จะให้ออกซิเจนเป็นระยะหมายถือว่าให้ให้แค่สายพ่อนะคะพระอาจารย์ เพื่อให้ท่านไม่เหนื่อยเกินไปแต่ท่านพูดเสียงดังเลยรู้สึกว่าโอ้แบบเห็นแล้วก็รู้สึกแบบมีกําลังใจในการปิบัติต่อเลยพระอาจารย์แล้วก็ได้คุยกับน้องสาวท่านก็เดี๋ยวพอกลับไปที่วัดก็เตรียมกุฏิทําทางทําทางอาจจะต้องอาจจะต้องใช้รถเข็นอะไรองี้สักพักหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าสะโพกไงคะสะโพกมิดกางสะโพกอยู่ดีใจดีใจที่ท่านดีากรดีขึ้นโยกันได้กลับมาเป็นปกติได้นะนายพระอาจารย์ถ้า เป็นคนปกติเดือนเดียวนี้แบบโอหท่านพูดเสียงดังหายใจได้คือแบบพี่หนุ่มยังบอกเราโอ้แบบสุดยอดพระอาจารยมีกําลังใจมากเลยนะคะพระอาจารย์ในการที่จะปฏิบัติรู้เลยว่าต้องไม่ประมาท อ, อ่ะคือกลับมานี้พระอาจารย์กลายเป็นตัวเองอขับรถไปแล้วขับรถกลับได้เองคนเดียวเลยตอนแรกพี่หนุ่มจะจะช่วยแต่แบบโอ้โหพอเยี่ยมพระอาจารย์เสร็จนี้แรงมาเลยพระอาจารย์แล้วกลับมาก็มาตั้งใจกับตัวเองปฏิบัติเลยค่ะก็รักษาสติรักษาอะไรเป็นอะไรที่ดีมากเลยพระอาจารย์ ก็คงข่าวแค่นี้ก็คงคงคงไม่ในเร็ววันคงได้ได้ออกอะค่ะอาจารย์มาเตรียมกุฏิเตรียมอะไแล้วก okay. okay. um ็ได้ตรวจปัสสาวเรียบร้อยนะคะโอเคสาธุครัคุณจางไปที่เอคนนิสาเชิญคนนิสาถามในมัสการค่ะครัอาจารย์วันนี้ไม่มีคำถามค่ะคอาจารย์ลูกมาร่วมรับฟังค่ะมี มีญาติธรรมตั้งคำถามและคำตอบดีมากเลยค่ะพระอาจารย์ได้ความรู้มากเลยค่ะพระอาจารย์แบ่งปันกันะประสบการณ <อา S 1> ์ของแาคนค่ะพระอาจารย์เค่ะพระอาจารย์วันนี้เรา<ต>เราูรา้ไว้ก่อนลงน่าพอมันเกิดขึ้นกับเราเราจะได้รู้ว่าเราทำอย่างไรบ้างค่ะมีบางจุดที่ถูก จับตรงใจเราด้วยค่ะพระอาจารย์เราเคยเป็นมาค่ะได้ไขข้อข้องใจเราเยอะเลยค่ะพระอาจารย์อบบ น, นี้ดีมากๆค่ะอาจารย์การส น, าานทนาธรรมเป็นมงคลอย่างยิ่งเนี่ยค่ะเขาลูกยังไงลูกก็ต้องพยายามเข้ามาในห้องให้ได้ค่ะพระอาจารย์ไม่ใช่แต่การทำธรรมอย่างเดียวการส น, าานทนาธรรมก็เป็นมงคลการเลนะธรรมสาขาชฉาเอตัมมังตัลมุตตัง อสาธุค่ะพระอาจารย์ก็ยังน้อมนําปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์ไม่ย่อหย่อนค่ะอพยายามอย่าหย่อนก็หย่อนได้แต่การปฏิบัติอย่าหย่อนนะพระอาจารย์ท่าพระอาจารย์โอเคสาธุสาธุค่ะคุณโอพีเกตถึงภูเก็ตแล้วยังได้ยินถึงว่านั้นต้องว่าเทนหนึ่งเรั้นงารเทกาลพระอาจารย์จ้ค่ะภูเก็ตแล้วจ้าค่ะพระอาจารย์พรอาจารย์ดังรถ เชั่วโมงกว่าเลยเจ้าค่ะกว่าจะถึงภูเก็ตเกี่ยวจะว่านอนนอนจะ่สักคืนก็ไม่ผ่านเจ้าพระจันทร์ไปทางไปทางใช่เจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะไปทางพังงานแล้วก็ไปทางทางลัดทางอ้อมเจ้าค่ะพระจารย์ที่สุราษฎร์ต่อเจ้าค่ะไปทางนู้นใช่เจ้าค่ะอ้อมไปทางนู้นแล้วก็กว่าจะถึงบ้านก็ปาเข้าไปแปดชั่วโมงกว่าเจ้าค่ะอ เกินเกินหกชัโงที่อาจารย์ถามเลยเจ้าค่ะวันนี้ขออาหารเจ้าค่ะอาจารย์อออ่ารู้สึกว่าอาการง่วงไม่ค่อยมีแต่มีนิดๆเจ้าค่ะก็คือวันนี้งดไม่ทานไม่ทานข้าวเลยเจ้าค่ะแล้วก็งดทานขนมว่าได้ห้าวันเจ้าอ่ดีมากดีมากข้อสองมาทันทีเจ้าค่ะทานเพื่อร่างกายอย่าไปทานเพื่อกิเลนนะร่างกายนี่มันเป็นของกิเลนอ่ะเจ้ค่ะ เขสอสั่มาทันทีเจ้าค่ะภายจารันขนมว่ากินขนมขนมก็มามคุณป้าก็ทําขนมหวานมาให้เอาขนมหวานมาให้แฟนก็ซื้อขนมมามาติมเลยเจ้าค่ะแต่ว่าก็ก็ได้เจ้าค่ะม่ทานมาห้าวันแลยเจ้าค่ะพายจารย์วันนี้ก็เลยลองข่นอาหารลองลดอาหารดูว่าจะดูว่าจะง่วงนอนไหมอย่างนี้เจ้าค่ะก็เลยโอเคอยู่เจ้าค่ะดีด้วยมาช่วยกันให้เราไม่ให้เป็นเบาหวานด้วยกินมากก็ค่ะ วันก่อนไปวัดก็ยังอกคิดว่าจะหยิบขนมมาก็ไม่เอาเรงมดได้แล้วเรายังไม่เอาดีกว่าเอ า, า่ะมีการหยิบมาดูแต่แต่ดี น, นี่จอคข้าไปจ้างรู้สึกว่าเจ้ค่ะยังไปสวาดอยู่นะ <laughs> <laughs> ไม่จริเงเล้นะขอให้เธ้ยได้ดู <laughs> พอาจารย์แต่ว่าที่ที่เลิกได้ที่แบบว่าแต่ก็ยังมีอย่างนิดๆก็คือกาแฟเจ้าค่ะเพราะว่า ตั้งแต่เข้าัาษามาจ้าคะ่ะก็คือตอนนั้นช่วงเข้าัาษากินกาแฟผสมน้ำส้มไปสองครั้งแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้กินเจ้าคะ่ะก mm ็ hmm. คิดว่าเมื่อก่อนรู้ติดกาแฟมากเจ้าคะ mm ่ะ hmm. อาจารย์ฟังทำมาอาจารย์ก็เทีถึงกาแฟกาแฟตลอดเลิก <laughs> ได้แล้ว่ไมนะอย่าไปดื่มมันเลยใช่จะ <laughs> มีวันก่อนที่แฟนเขาอ่าสั่งน้ำส้มกาแฟมาเหมือนกันลูกก็เลยต้องดูดดูน้ำส้มที่อยู่ก้นแก้วไปอย่างงี้เจคะ่ะอ mm ืน hmm. ไม่ได้ไม่ได้แบบกินเป็นกาแฟอะไรอย่างงี้จ้าคะ่ะก mm ็ hmm. ไม่ไม่ได้ไม่ได้ ทุกรอบไม่ได้อยากอะไรเหมือนเมื่อก่อนแล้วจเจ้าค่ะอาจารย์ดรื่อกาแฟตอนนี้ก็ถ้าเราไม่ด ไ, มได้เป็นคนสั่งเองก็ไม่เป็นไรถ้าคนหนึ่งก็สาาั่งให้เราก็ดึงเป็นรักษาเ ม, มารายาห์ฉลองสัตย์ทางแต่วันนี้งดอาหารทานอาหารพอดีที่บ้านเขาก็ทํำกับข้าวพอดีเจ้าค่ะอาจารย์ทั้งกุ้งทั้งหมูะอะไรเงี้ยแต่พอดีลูกตั้งเสจากว้ตั้งแต่เมื่อวานจ้าค่ะบอกแฟนว่าวันพรุ่งนี้จะงดทานข้าวนะเลยรจ้ะพอทานข้าวปุ๊บจบข้าวันแล้วนี่กินนี่ฟุ้งหอม ทันคุงทั้งหมูครเาใครเขาบอดีนะไม่กินหมูจได้กินคนเดียวแล้วก็มีมันมีหิวนะเจ้าค่ะอาจารย์แต่ว่าเริ่มพอดีวันก่อนไปเปิดหนังสือของหลวงตาเจ้าค่ะกายยัคตาสติเห็นอ่าภาพอาหารที่อยู่ในท้องอะไรย่างเงี้ยจ้าค่ะอาจารย์อืแล้วก็จําภาพนั้นไว้แล้วก็นึกถึงภาพอาหารที่อยู่ในโถอืตอนนี้พอพอหิวเริ่มเหมือนมีกับข้าวมาคุณป้าเอาขนมมาหรือว่าอะไรมาก็ ภาพเริ่มมาภาพเริ่มมาเจ้าค่ะอาจารย์ภาพเริ่มขึ้นภาพอาหารเก่าแล้วก็อาหารที่อยู่ในโถแล้วก็พยายามพิจารณาว่าเวลาเราเห็นเวลาเราเดินไปไหนแล้วเวลาเจ้าค่ะอาจารย์เวลาเราเดินไปไหนแล้วเราจะเห็นอาเจียนของคนนะคะเจ้าค่ะอาจารย์ตามคนไว้ว่างอะไรอย่างเงี้ยที่เราเห็นก็นึกภาพได้ขึ้นมาเจ้าค่ะว่ากลิ่นสีภาพนั้นเป็นยังไงอะไรเจ้าค่ะอาจารย์มีมีขึ้นมาอยู่เจ้าค่ะดี แต่ก็ต้องระวังอย่าอย่าใช้มันมากเกินไปนะไม่กินไม่ลงไงนะเน็กจะขาดใช่ไหมเด็กกินกินข้าวไม่ลงก็ๆๆ <c oughs> ก่ต้องก็ต้องสลับบ้างก็ต้องหยุดเจค่ะ <c oughs> ตอนนี้น้ําหนักลดไปเยอะเหมือนกันนะเจ้าค่ะพา่จาง <c oughs> แต่ทานมือเดียวเหลือสาสิบแปดเจ้าค่ะก็เลยก็เป็นอะไรอยู่ที่ว่ามันยังแข็งแรงหร <c oughs> ือเปล่ายังร่างกายยังแข็งแรงไม่เจ็บไา้ได้ป่วยก็ดูตรงนั้นจะไปดูที่ตัว อย่าไปดูที่ตัวน้ําหนักน้ําหนักไม่สําคัญนะคะยังแข็งแรงกว่าทุกคนในครอบครัวเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ที่นี่เวลาเขาเปิด<ม>ขวดเปิดอะไรไม่ได้ก็โอ้เจ้าค่ะไม่คนเปิดหมุน <laughs> ฟ้าขวดไม่ได้ก็ไม่ให้หนูเนี่ยเปิดเลไรยเจ้าค่ะ<ม>แล้วก็พระอาจารย์รู้จะรบกวนสอบถามนิดนึงเจ้าค่ะสภาวะธรรมอย่างลูกเนี่ยจเจริญสติอยู่ใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วก็มีใช้ปัญญาบ้างอะไรอยงี้เจ้าค่ะ ปรดีว่าเจอข้อสอบอย่างนี้ใช่ไหมจคาอาจารย์อ่าร้องไห้เสียใจแล้วทีเนี้ยอันนี้เหมือนสอบตกไปแล้วใช่หช้หเจ้าอาจารย์พอไปเจอข้อสอบตรงนี้สอบตกแล้วไงสอบตกค่ะสอบตกไปแล้วแล้วทีนี้เนี่ยมามามองตอนนั้นก็ยังร้องไห้อยู่นะจ้ามองกระจกเสร็จปุ๊บเนี่ย ม, มาค้นหาว่าเหตุที่ทําให้เราร้องไห้เกิดจากอะไรจ้าอาจารย์แล้วไปเจอว่ามันเกิดจากความอยากแล้วตอนนั้นคือคิดว่า อยากอะไรแล้วพอมันไปหาเจอพวกคนๆสุดท้ายก็ไปลงที่ว่าอนัตตาที่แบบว่าอยากกับคนนั้นคนนี้เราบังคับให้เข้าเป็นอย่างนอยงี้ไม่ได้ mm hmm. น้ําตาที่มันไหลอ ย, อยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์ยมันแห้ง mm hmm. มันแห้งมันเหงดแห้งแล้วแบบมันเบาสบายโลง่งมันเหมือนอาการเปื้อนอย่างงี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ถ้าถ้าพิจารณาอย่างนี้ค mm hmm. ืพอจะใช้ได้ไหมเจ้าค่ะใช่ได้ได ต่อไก็ให้มันเร็มขึ้นพอมันจะเริ่มอยากก็ย อ, อยู่เป็นฝันไปหยา ก, กับอะไรอยา ก, กันดินน้ำลมไฟอยา ก, กับคนฟ้าดินฟ้าอากาศได้ไหอืมใช่ค่ะมีมีก่อนขึ้นเขาก็มีอาการอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าตอนแรกลูกจินตนาการไม่ออกใช่ไหมะคะว่าบนเขาเนี่ยจะเป็นยังไงเวลาขึ้นไปน่ากลัวไหมเพราะฉะ น, นั้นลูกยังอยู่ที่กรุงเทพแล้วตัดสินใจจองที่พักบนเขาใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นความกลัวมันมาหมดเลยใช่ไหมคะอาจารย์สั่น สั่นกลัวมากเพราไอ้ขึ้นไปเราจะเจออะไรแล้วนึกถึงพระอาจารย์เคยเล่า ว, ว่าบางคนอยู่สามทุ่มก็ข อ, อกลับลงมาแล้วอะไรอย่างนี้เจค่ะพระอาจารย์กลัวมากสั่นตั้งแต่อยู่ที่คุณเทพแล้วทีนี้ไปนั่งสมาธิไปพิจรารณาพอพ อ, พอไปนั่งภาวนาเจ้าค่ะพระอาจารย์ใช้ปัญญามือกันแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมแล้วก็พระแม่กูบอาจารย์อะไรอย่างเนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ความกลัวที่มันร่างกายที่มันสั่นเงนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์มันหายหายแล้วมันกลายเป็นความเบาสบายอะไรอย่างนี้เจาา้าค่ะ แบบนี้ก็ยังยังโอเคอยู่ใช่ไหมจ๊ะอันนี้เรียกว่าใช้สติแล้วยอมความกลัวแต่ถ้ายอมยอมพิจารณาว่าร่างกายวันใดวันหนึ่งมันก็ต้องตายยอมตายมันก็จะใช้ปัญญาถ้ามันถ้าใช้ปัญญามันก็จะหายกลัวไปตลอดถ้ายอมความถ้ายอมตายแล้วมันก็หายกลัวไปตลอดค่ะอ๋อแปลว่ายังไม่ยอมตายยังไม่ยอมตายเพียงแต่อเป็นเบนยงบนความคิดไปคิดถึงครูบาอาจารย์แทนมันก็หายกลัว มิน่ า, ะาจะข่าวพยานเพราะตอนที่ไปอยู่บนเขาอะ่ะลูกก็ยังมีความกลัวนะเจา้าค่ะพยานแต่ได้สติตอน <ชะ S 2> ที่ว่าเอาเวลามันเกิดความวกลัวขึ้นเนี่ยเอาสติมาจ่อตรงหัวใจเจา้าค่ะพยานดูการเต้นของหัวใจว่าเต้นเร็วไหมแล้วก็ดูว่าเรามีความคิดฟุ้งซ่านที่จะทําให้ตะลึง เ, เติบเติงไหมอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เลยอยู่ได้จนครบหน้าคืนโดยที่แบบว่าใช้สติเอาเจา้าค่ะพายานเพ่งดูที่ว่าเวลาหัวใจว่าจะเต้นเร็วเวลาได้ยินเสียงอะไรอย่างเงี้ยจ้าค่ะแต่มัน อยู่วันหนึ่นงจ้าค่ะอาจารย์ที่แบบพิจารณาแล้วมันก็เปาเบ า, เบาไปแป๊บนึงแล้วก็กล้าเปิดม่านตอนนั่งสมาธิอะไรอย่างงี้ยค่ะจะนั่งภาว น, นายอยู่อะไย่างเงี้จ้าค่นะแต่ยังมีความกลัวอยูน่นะเจ้าค่ะพอาจารย์ต่อไปก็ออกไปนั่งข้างนอกห้องก็ได้นั่ <c oughs> ที่ระเบียงจ้าค่ะเดี๋ยวข้างหน้า <c oughs> ต้องหาโอกาสเลยต่อไปก็ลองไปเดียวเห็นข้างล่าอะไรตอนนึงคือไร้ค่ะต้องขยับต้องหยับตายอย่างเดียวเออถ้ายอมตายแล้วมันก็มันก็จะจบ หนึ่งปัญหาของความกลัวตายมันก็จะหมดไปออถ้าเห็นว่ามันเป็นตายร่างร่างกายมันเป็นอนิจจังมันต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาใช่ค่ะอันนี้ใช้ปัญญาแล้วจะค่ะโอเคค่ะก็ต้องฝึกทางสติไปก่อนก่อนจะไปทางปัญญาแล้วต้องต้องมีสติพอที่จะย้ำยังความกลัวไว้ในระดับหนึ่งก่อนถ้าไม่มีสตินี่เดี๋ยวมันสติแตกเพราะมันประหลาดเดิน พยายามว่เจ้าค่ะอาจารย์ตอนนั้นพราะไปคืนแรกนี่แบบเสียงมาหมดเลยเจ้าค่ะที่ที่ที่ขุดอะเยะ เ, เพราะว่าอาจจะเป็นม่านโดนหน้าต่างทั้งสองฝั่งเลยเจ้าค่ะเสียงมาตอนกลางคืนสตินี่แบบมาเพ่งอยู่ตรงหัวใจว่าเต้นเร็วเต้นชะดูว่าเราคิดอะไรแบบให้กลัวไว้กลัวมันตะ่นเต้เปิดเปิงอย่างงี้เจ้าค่ะอาจารย์แต่แต่เอาอยู่เจ้าค่ะก็คือแบบว่าอย่างน้อยคือไม่ไ ม, ไม่ไม่ลงรวมเข้าสมาี่ได้ก็ขอให้มีสติไม่ฟุ้งซ่านไม่ให้ตะ่นเตเ้นเปิดเปิงไม่ให้วิ่งหนีออจากขุดเลย ไม่ขอกลับกรุงเทพเพงนนามไม่กลับะอาจารย์พตั้งใจมากเจ้าค่ะตั้งใจปบัตอูชาด้วยจ้าค่ะอเคสาธุเจ้าค่ะสาธุจ้าค่ะอาจารย์กับขอพระคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะสาธุจะคุณแนนคุณแนนอุดรธานีน้องกาธรรมศักิ์ค่ะพระอาจารย์ไม่มีคาถามค่ะคุงแนนไม่มีไม่มีปัญหาในการเสร็จสบาย ปฏิบัติตามคาสอนพอาจารย์ค่ะไม่โุกกับอะไรนะไม่ทจกกับอะไรกำลัง่ะปิดเอาไวค้ค่ะปปิค่ะขอบคุณค่ะพระอ า, าจอารย์วัีคุณปุ้ยปุ้ยรักสเบิตามธรรมสกันค่ะพระอาจารย์ไงไงานวันนี้กี่ข้อเจ็ดข้อแล้วแปดข้ออ๋อวันนี้เจ็ดข้อค่อาจารย์พอดีไป เดินออกไปชุละแต่โยมเก่งมากเลยพระอาจารย์เออ่เมื่อวันพระแล้วก็ตั้งแต่วันพระมาวันพระตรงกับวันอาทิตย์ใช่ไหมคะแล้วก็โยมก็ไม่ได้ออกไปนอกบ้านเลยเพิ่งจะออกไปวันนี้อืมแต่วันนี้โยมขี้เกียจนะพระอาจารย์เออคือโยมตื่นสายอะ่ะพระอาจาร <c oughs> ย<ม>์งงโยมต้องลงโทษตัวใช่โยมต้องลงโทษเนาะและโยมต้องิยดกินขนม หทำทุกต้นทําทุกต้นเอแบบนั่งนั่งนั่งนั่งทบต้นแต่แต่ว่าโยมก็ไม่มีปัญหานะพระอาจารย์เโยมมีความสุขแต่ว่าโยมเป็นอะไรที่แบบมันเหมือนกับเวลาที่นั่งฟังพระอาจารย์อยู่เนี่ยคือมันจะเหมือนกับอะไรมีอะไรมาติทอเหมือนคนบีบคอโยมมาแล้วทีนี้โยมโยมฟังอ่ะขึ้นเสียงอ่ะพระอาจารย์เขาเป็นเขาเรียกอะไรหน้า ขึ้นเสียงที่สําหรับนั่งสมาธิอะพระอาจารย์ที่เทสล่าเทสล่าอัว่าอะไรอย่างเงี้ยโยมจะเอาอันนั้นนะมาฟังเออคือมันเหมือนกับโยมฟังมาทั้งหลายปีแล้วนะแต่ข่าวเนี้ยมันไม่เหมือนกับทุกๆุกข่าวนะพระอาจารย์คือมันเหมือนกับมีกระแสอะกระแสไฟอะมันแล่นอยู่ในตัวโยมและในนี้มันมีอะไรอย่างหนึ่งอะมันแล่นอยู่ในหัวสมองเงี้ยตูตูตูตออย่างเงี้ย คือคือโยมก็อุปทานใช่โยมยังคิดว่าจิตโยมมันมันมันคิดไปเองหรือเปล่าไปเออองะฮ่าแต่มันถามว่าโยมนั่งสมาธิแล้วนิ่งไหมโยมก็นิ่งแต่โยมไม่เห็นอะไรหรอกพระอาจารย์โยมไม่เห็นนรกไม่เห็นสวรรค์อะไรต้องการให้เห็นนะแค่เห็นความว่าออืฮงมันมันคืออย่างอย่างอย่างเมื่อ วันที่พระอาจารย์มาสวดอ่ะมรอาจารย์มาเทศอ่ะโยมก็นั่งฟังตามพระอาจารย์นะพวกปกติโยมจะหายไปหายไปไหนก็ไม่รู้พอโผล่ขึ้นมาอีกทีก็ตอนท้าอาจารย์จะจบคราว น, นี้โยมไม่ได้หายไปไหนเลยโยมนั่งฟังเนี่ยเนี่ยมันอยู่ในหูเวโยมตลอดเวลาเลยนะคะแต่ว่าถามว่าโยมจติตแตกไหมวุ่นวายไหมมันไม่ได้วุ่นวายแต่ว่ามันโยมไม่ได้ไปไหนแต่ว่าอีกใจนึงมันเหมือนกับว่า โยมนั่งฟังแต่อีกใจหนึ่งมันเหมือนกับมันนิ่งๆหรือมันมั น, มนเราก็ไม่ได้หลับนะพระอาจารย์ okay, แต่เราได้ตื่นะเรื่องหลับเครื่องตื่นะแต่เราได้ยินอ่ะเราได้ยิน <pim. S 2> พระอาจารย์พูดตลอดจําได้ทุกอย่างเลยค่ะพระอาจารย์อือฮะแล้วมันมันก็สงบเนี่ยค่ะก็ดีก็ดีค่ะและโยมก็บอกจําได้ที่พระอาจารย์สอนว่าให้พุโทโธเวลาที่จะให้ใจอ่ะมันจสงบเพราะว่าจิตมันเหมือนกระลิงและ บางทีอ่ะมันเพิ่แป๊บเดียวเดี๋ยวโยมอุ๊ยแหวกออกไปอย่างเงี้ยจิตมันจะแหวกออกไปโยวมว่าแบบอาพุโทโธเร็วๆอ่ะพุโทโธพุโทโธพุโทโธแล้วมันจะเหมือนกับมีดวงอะไรมาแต่ว่ามันไม่ได้ลงไปเหมือนอย่างกับธรรมกายธรรมกายมันจะลงไปกลางท้องมันมาที่ตรงกลางหัวใจอ่ะและแล้วมันก็จะนิ่งแล้วทีนี้เราเราก็จะสงบแล้วมันจะเหมือนกับว่าโยวมว่าโยมหลับไปมั้งอาจารย์ <c oughs> อย่างน้อยก็สารภาพว่าหลับก็ดียงก็ไม่รู้ยงไม่อยากจะคิดยมไม่อยากจะคิดแบบว่าเพอร์เจอเดี๋ยวหาว่าเราเพิเจอเราก็คิดเข้าข้างตัวเองว่าโอเคเราอาจจะหลับไปก็ได้นายอย่างเงี้ยแต่มันมันคือคือพอเราออกเป็นสมาธิแล้วเราก็รู้สึกสดชื่นค่ะอแต่ตอนเย็นโยมเป็นประจําเลยโยมเป็นเหมือนกับใครมันมาบีบคอวะทีนี้โยมก็เลยไปหาหมอ เนี่ยวันเนี้โยมไปเอายามาแล้วโยมคือโยมไปบอกว่ามันเหมือนกับมีอะไรมาติดติดติดหมอเขาบกว่าจะเชื่อนอนภาษา้อนหรือเปล่าไม่ค่ะเงียโยมคือโยมบอกว่าโยมเป็นเนี่ยเรื่องเนี้โยมเป็นมาตั้งแต่โยมเป็นโควิดแล้วแล้วหลังจากโยมเป็นโควิดโยมเป็นมาตลอดเลยเดี๋ยวเป็นเหายหายหายเป็นเป็นเออโยมก็เลย โยมก็ภาวนากับพระพุทธเจ้าว่าช่วยโยมด้วยเพราะว่าโยมตัดสินใจแล้วว่าจะหยุดเดินทางธรรมแต่โยมก็ไม่ท้อนะพระอาจารย์เพราะโยมตั้งจิตอธิษฐานแล้วว่าโยมจะเดินทางธรรมและโยมก็ทําถือแบบตอนเย็นเนี่ยโยมไม่หิวเลยนะพอาจารย์ไม่กินไม่หิวไม่อะไรเลยแล้วเดี๋ยวนี้กินไม่ไพิถีพิถันเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนอุย้ยเราจะต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงมานั่งทําอาหาร ไม่เลยเดี๋ยวนี้ไม่เลยค่ะอืมโอเคดีมากดีมากค่ะโยมก็ถวายบุญกับพระอาจารย์โยมถายบุเก็บไว้โยมเก็บบุญไว้กินเองไงโยมอ่ะนะมีใครบุญมันถวายได้ไม่ได้หรออ๋อโยมไปทําบุญเอ่อลูกมิมิตมาค่ะโยมก็เลยแบบดีใจมากมันเป็นอะไรที่แบบโหดีใจจนน้ําตาไหลเลยเพราะโยมชอบมากแอลูกอย่างเนี้ยโยมชอบมานตั้งนานแล้วล่ะ เพราะว่าถ้าเขามีทําบุญที่ไหนโยมจะไปทําดีนะสาธุ่ะโอเคนะพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์ทาตขันแข็งแรงนะคะขอให้คุณปุวยสุขเจริญมั่งมีสีสุขให้นำไปรดยนะค่ะขอพระคุณค่ะขอให้โยมมีโชคมีลาบนะพระอาจารย์โอเคบปนดิคุณซันนี่แบงค์เข ม, มีอะไรบา้าักการค่ะอาจารย์ยังไม่ไมีคำนะถามค่ะมาร่วมฟังธรรมค่ะโอเคคุณแปมค่ะคุณแปมเช่ น, น้องข่าวรมมาสักการพระเจ้าข้าวนก่อนที่มาฟังเทศที่ที่อาวุน้ากุิใช่ไหมเจ้าค่ะวันนี้ ว, นวันนี้ไม่มีอะไรเจ้าค่ะ อยู่ที่พัทยา น, นี่เองใช่ไหมคะอยู่วัดอยู่พัทยาแต่วันนี้อยู่ที่วัดยานเจ้าค่ะอ๋อมาอยู่วัดยานเนี่ยโอเคอ่านาทึอยู่กี่วันนะจะมาอยู่กี่วันอยู่สามวันสองคืนเจ้าค่ะอืมคืนนี้คืนแรกนะเจ้าค่ะอโอเคภาวนาพุโทโธทําใจให้สงบนะเจ้าค่ะโอเค เห็ไปทีค่คุณมาริการสคุณมาริการนาที่ว่ากลับน้ัสการเจ้าขนาาันพระาจ้าก็ลูกก็โดนแบบทดสอบอีกแหมวนี่พระอาจารย์ก็คือในเรื่องของที่ว่ารู้สึกว่าสลดสังเวชนะคะพระอาจารย์ก็คือในเรื่องของว่าทําไมหนอเราจึงทําไม่ได้ก็คือในจุดนี้ เป็นลักษณะของความอยากใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ไม่ถึงไม่ถึงอะอย่างนเราทำอะไรไม่ได้ฟุงค่ะอาจารย์อือเราเราอยากเราอยากให้มันสงบใช่ไหมั้าไม่สงบเราก็เลยทุกข์ก็อย่าไปอยากสิถ้ารู้ว่ามันยังทำไม่ได้ก็พยายามใช้สติไปใช้สติไป มันไม่ได้สงบด้วยความอยากมันมันสงบด้วยสติเจ้าขาพ่อจันต้องต้องมีความเพียรพยายามได้ฝึกสติอยู่เรื่อยๆพุทโธอยู่เรื่อยๆ อ, อย่าปล่อยให้ใจคิดปรุงแต่เนี่ยมันก็สงบเองแต่อย่าไปอยากให้มันสงบเพราะถ้าอยากแล้วมันไม่สงบมันจะเสียใจมันจะทุกข์ใจใช่เจ้าขะแค่นั้นเองทําไปแต่อย่าไปอยากอย่าไปหวัง ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น ป, ปัญญุก็อยู่กับสติของเรามีมากมีน้อยเราก็จะไม่ทุกนะยินดีตามมีตามเกิดยินดีตามเหตุเหตุก็คือสติถ้าสติมีมากผลมันก็จะเกิดมากสติมีน้อยผลมันก็จะเกิด น, น้อยเท่านี้ครูบาอาจารย์ในเรื่องของการฝึก ในในทุกอริยบทนะตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าขึ้นมาแล้วเริ่มตั้งแต่ตื่นโมงจนตื่ตั้งแต่เริมตาเลตา ย, ยตั้งแ<ห> <นะ S 2> ต่หล้วตักครั้งตั้งแต่หลุดทุกครั้งเป็นเวลาการล่มลงคุกคานไปก่อนมันไม่ใช่ไปว่าพอจะฝึกปั้มมันมันจะได้ทันทีไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมันต้องเดินสอเดินสองสามครั้่อนร่มลงมาแล้วก็คานแล้พักแล้วก็ได้ขึ้นมาใหม่ยืนขึ้นมาใหม่ เจ้าขาพ่ออาจารย์เพราะในช่วงระยะ น, นี้ก็คือฝึกตัอว่าให้มีสติอยู่ตลอดเวลาแต่นั่นนะตัว่าอาจารย์ประวัติทไม่ได้เรารู้สึกว่าสลดสังเวชตัวเองจริงๆว่าเออทําไมหนอที่ว่าทําไม่ได้สักทีทําไมหนอทําไม่ได้สักทียังไม่เราอะไรยังยังไม่พูดเริ่มต้นอยู่ยังไม่พูดเริ่มปฏิบัติอยู่ยังไม่ใช่เป็นผู้ที่ได้มาฝึกด้านแล้วมันก็ต้องก็ต้องเป็นไปตามสถานะภาพของเราเนี่ย เจ้าข้าพเ จ, นะจ้าอย่าไปอยากเกินอย่าไปอยากเกินกําลังของเราวันนี้เราทําได้เท่าไหร่ก็ทําไปเท่านั้นไปก่อนแล้วก็ค่อยขยับไปนะเจ้าข่าพาจาย์ก็เป็นเรื่องที่ยากพอสมควรต่ว่าข้าก่อนว่าเอานะพ้าอาจารย์บอกว่าตั้งแต่ตื่นขึ้นมาแล้วก็พยายามพูดโทให้ได้อ น, ดน้ําก็พูดโทรทาข้าวก็พูดโทรทำงานก็พูดโทแต่พูดโทได้ไม่ถึง ยี่สิบก็หลุดแล้วอะไรประมาณนั้นก็คือทำให้น้อยใจเสียใจอ่ะอาจารย์่ค่คะเขาไม่มีคำถามนะว่าอาจารย์วันนี้ ก, นก็น้อยใจก็ไม่ไม่น้อยใจก็ไม่ไม่เกิดประโยชน์อะไรมันก็ไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมย่ไปน้อยใจขยานพุโทโธจงดีกว่ า, ากาลังมาขยันพุโทโธนี่แล้วกำลังมาให้กับความน้อยใจ โอเคนะสาธุจ่าบัในไดพระเทียอันนี้ได้ฟังไหมล่ะอ๋อแต่เ ม, มืมุอสการค่ะก็สองวันนี้ไม่ได้ฟังาพระพรยจ่า ล, ลืมเลยนะ่ายุ่งยุ่งค่ะพระจ่์เขาหนีไปกินข้าวกันเรานั่งอยู่เฝ้าร้านคนเดียว อ, อะเลยต้องแบบวันวันแรกเมื่อวานนี้โกรธ โกรธเขาไปกินข้าวไม่เป็นเวลากันโยมก็เลยโกรธเขาแล้วก็ก็พานพานไม่นั่งไม่นั่งหมดคิดคิดเหมือนว่าคิดว่าอ๋อไม่อยากให้กันก้าวหน้าใช่ไหมโกรธเขาอะโกรธยมโยว่าไม่อยากให้เราก้าวหน้าใช่ไหมไม่ไม่ยอมทำบอกว่าไม่ยอมแบ่งเวลาให้เราไปนั่งบ้างก็เลยไม่ก้าวหน้าก็ไม่ทำแล้วโยมก็โกรธเมื่อวานวันนี้ก็ ค่ะเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้นั่งเลยแล้ววันนี้ก็ไม่มีเวลาอีกเราก็ไม่ไม่โกดธเขาอีกเหมือนกันว่าอาจารย์แต่ก็แต่ก็เอาว่าไม่ได้ละโกดไม่ได้ละไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรไม่ได้ไปก็เดี๋ยวเราหาเวลาเวลาเวลาอื่นดีกว่าเอาเวลาอื่นมานั่งดีกว่าแล้วก็เมื่อกี้ก็ได้นั่งอาบน้ําก่อนแล้วก็ นั่งก่อนเข้า z o พระอาจารย์ประมาณเกือบชั่วโมงอะค่ะก็ก็ดีขึ้นเวลาวอนชดเยค่ะก็ใช้เสียงทรรมของพระอาจารย์ก็นิ่งนิ่งกว่าเดิมค่ะพระอาจารย์แล้วก็อยู่ได้นานแล้วก็นั่งนานขึ้นแล้วก็เบาใจขึ้นก็มีสติมากขึ้นนะคะพระอาจารย์ฟังก็ไม่ค่อยหลุดไปไหนเหมือนตอนที่เรานั่งพูดโธ ถ้าพุดโธนี่พูดโทเหมือนเหมือนพี่เขาบอกว่านั่งว่าไม่กี่พุดโธแล้วก็พูดโทก็หายไปแต่พอฟังฟังฟังธรรมจากพระอาจารย์แบบมีสติอยู่กับเสียงธรรมเนี้ยอืรู้สึกว่ามันมันมีสติมากเสอพระอาจารย์ถ้าเราพูดโธนี่เราต้องทํางานเราต้องท่องมันก็เลยขี้เกียจท่องเลยสักพักมันก็หยุดแะ้อย่างนี้เราจะเข้าหน้าแล้วจะ จะมันจะว่างไหมคะพระอาจารย์ก็ฟังถ้ายังพุโทโธไม่ได้ก็อาศัยการฟังไว้ก่อนอแต่รู้สึ ว, ว่ามีสติและความจําดีขึ้นนะคะอะถ้าอยากจะใช้พุโทโธต้องใช้ตอนที่เดินเดินมันจะได้มีกำลังพุโทโธง่ายกว่านั่งเดินเดินจงกรมไปพุโทโธไปน ย, ยังง่ายกว่าลองทําดูถ้ามีโอกาสค่ะพระอาจารย์วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วคะ่ะโอเคสาธุ ให้กำลังใจนะอย่าท้อแท้นะอย่าเลิอกอย่าพานล้มได้ล้มได้ล้มแล้วก็ลกุกขึ้นมาเดินต่อนะไม่ใช่ล้มแล้วก็นอนเลยค่ะสองสะเหลังนับสิบไปเลยแต่ก็ยังดีนะคะวันนี้ก็แบบว่าเออไม่ไม่โกอดเขามากก็แบบว่าเออก็ไม่ไม่ได้ออกไปไม่ได้ออกไปหน้าก็ไม่เป็นไรแลเดี๋ยวก็หาเวลาช่วยชร์มัอนพ่อจางว่าค่ะอ เราไปก่อนค่ะอยู่ด้วยกันก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันนะค okay. ่ะโอเคอ่าคุณยินดีอยู่แคนซัสสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ไม่มีอะไรค่ะไม่มีคำถามค่ะเดวิดไลน์มาเหมือนเดิมค่ะบอกว่าให้ช่วยบอกอาจารย์กราบฝากจับ ฝากกลับท่านอาจารย์แล้วก็ระ ล, ะลึกถึงท่นอาจารย์แล้วก็บรรจงเต้นเหมือนเดิมค่ะอาจารย์อา่าโอเคบอกฝากขอบคุณให้เขาด้วยนะค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านอาจารย์ขอบคุณท่านเยอนะอาจารย์ไปที่สเปนคุณพัฒนาพรอันนี้คนไทยเราไปอยู่ทั่วโลกเลยนะแ บ, บนามัสการเจ้าค่ะหลวงพ่ออืมอือากาศเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าขาอ่า ถ้าลูกใช้ลูกพิจารณาความเจ็บปวดที่ลูกที่ลูกเป็นเรื่องกระโดกนะจ้าคะ่ะก็พิจารณาว่าทุกอย่างมันเป็นอนัตตาเราไม่สามารถไปบังคับมันได้เพราะว่าเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะบางครั้งเดี๋ยวมันก็ปวดเดี๋ยวมันก็หายอย่างนาี้นะเจ้าคะ่ะลูกพิจารณาอย่างนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะ่ะพิจารณาเพื่อเพ่ให้เราไปอย่างมันเพราะยังพิจารณาเพื่อรับยอมรับความจริง อย่าไปอยากให้มันหายแล้ว อ, อย่าไปอยากให้มันไม่มาถ้ามันมาก็พอปล่อยมันมาถ้ามันไม่หายก็ต้องปล่อยมันไม่หายไปแต่อย่าไปอยากเพราะเราไปสั่งมันไม่ได้เชียค่ะการพ<ช>ิจารณาเพื่อหยุดความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจใรเราไม่อยากรับความทุกข์ทรมานใจก็จะไม่เกิดเชียค่ะหลวงพ่อเชีค่ะ ที่เราไม่อยากได้ก็เพราะเราเห็นว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องสืบวิสัยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องของดินฟ้ากานจ้ะค่ะใช่ไหมเราไม่ค่อยทุกกับฝนตกแดดเผาเท่าไหร่ใช่ไหมใช่จค่ะว่เรารู้เราทาอะไรมันไม่ได้ก็ต้องยอมรับมันไปอไม่จะนำความเจ็บทางร่างกายก็เหมือนกันมันก็เป็นสิ่งที่เราก็บังคับมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้มันจะมาแล้วมันก็ต้องยอมรับมัน เจ้าค่ะแล้วถ้ามไม่ยอมก็ใช้พุโทธโทธพุทโธพุทโธหยุดความดือดร้านของกิเลสได้เ้าค่ะหพ่อเจ้าค่ะขับสาตุ์เจ้าค่ะนิวนววันที่นี้วันนี้ไม่อยู่บ้านนะกลับไปรงเลนกนลยเจ้าค่ะกลับไปลอ น, นดอนเลยแล้วกพอพรคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะมา <Okay, S 2> ลงปูปัดแรงเจ้าๆๆค่ะซาตุว<า>์ทำไมที่คน คุณแนนคุณแนนกับคุณต้าเนี่ยนะครับกลับมาพกรรครับอาจารย์อยู่เชียงปรีใช่ไหมอยู่ที่เชียงประยีใช่ครับอืมันนี้ว่าไงวันนี้ก็เข้ามาฟังธรรมกับญาติธรรมต่างๆในห้อง z ู o ครับพระอาจารย์ครับฟังตั้งแต่ต้นเลยหรือเปล่าฟังตั้งแต่ตั้งแต่ตตั้งแต่ต้นเลยค่ะอื แต่เข้ามาก็เป็นคิวที่สามสิบกว่าแล้วค่ะระอาจารย์อุษาเข้ามาตั้งแต่สองทุ่มแบบรีบกดเลยค่ะพอเข้ามานอนกันเยอะพอเริ่มสองทุ่มเนี่ยมียี่สิบกว่าสามสิบคนนอนอยู่แล้วก็วันนี้ก็ไม่ได้มีคําถามอะไรครับพระอาจารย์ครับมาร่วมฟังทำครับปฏิบัติเหมือนเดิมครับก็หวังว่าคงจะได้ประโยชน์บ้างนะได้ยินได้ฟังเรื่องที่อาจด้เรายังอาจจะไม่เข้าใจเลยว่ายังไม่เกิดขึ้นกับเราเราได้เตรียมตัวไว้ มีประโยชน์มากๆากค่ะพระอาจารย์ะกรบขอบคุณพระอาจารย์ค่ะแต่เราก็ต้องปฏิบัติส่วนของเราด้วยนะสร้างสติรสร้างสมาธิไว้นะโอเ ค, ครับอาจารย์ปฏิบัติคุณฝนต่อคุณฝนเข้ามาแต่ตั้ต้นเนลยแล้วก็หายไปเลยออกไปเลยไม่ได้กลัแบบนามัส ก, การค่ะพระอาจารย์ขอประทานโทษค่ะมันอุปสรรคมันเยอะมากเลยค่ะพระอาจารย์ เพราะว่าหนูไม่ได้เข้ามาสองอาทิตย์แล้วใช่ไหมเจ้าคะพอดีช่วงนี้ลูกปิดเทอมแล้วก็ทุกวันพูดเนี่ยเขาจะเรียนแบตเลิกสองทุ่มพอดีอค่ ะ, ะมันจะทำให้หนูกลับมาเข้าซูมไม่ทันหนูก็เลย ต้องคิดหาหนทางทุกอย่างยังไงก็ได้จะต้องเข้าสูมพยาจารณ์ให้ได้ค่ะหนูก็เล่าอีกตั้งแต่อยู่ที่สนามแบตนะคะแล้วก็<อ>แล้วพอดีกลับมาที่บ้านนะคะมันมันคงแบบเหมือนอหลุดนะคะ<อ>เพราะว่าเพราะว่าจะเป็นอย่างนี้ตลอดคะ่ะเพราะว่าคือนี่ขนาดพยายามจะระวังไม่ให้มันหลุดแล้วนะเจ้คาคะเพราะว่าหนูก็บอกว่าให้ลูกอ่ะขึ้นลิบไปแล้วหนูอ่ะจะเดินขึ้นกระดไปสี่ชั้นเพ่อ<ม>ที่ว่าถ้า<ม>ว่าเดี๋ยวถ้าเข้าลิบแล้วเราสายจะหลุดนะคะ<ม>หนูก็เดินขึ้นกระดมาสี่ชั้นแต่ก็ ก็คงจะยังหลุดเหมือนเดิมค่ะไมเป็นไรแล้วเราก็รอคิวไปก็ล้อกันก็คือแบบอุปสรรคเยอะมากใช่ไหมแล้วก็ระหว่างรอค่ะลูกก็แบบเหมือนก็ต้องเก็บอกว่าให้เขามานอนเขาก็ไม่ยอมนอนค่ะก็จะรอคุณแม่ก็เลยต้องเขามานั่งปิดไฟมืดมืดนั่งเป็นเพื่อนเขาให้เขาหลับทีนี้พอเมื่อกี้เขาจะหลับอยู่ๆเขาก็เหมือนแบบพรุ่งนี้เขาจะต้องไปเล่นเล่เขาก็รู้สึกว่าเขาไม่สบายใจก็เลยต้องหันไปปอบแบบ อุปสรรคเยอะค่ะพระอาจารย์แต่ว่าหนูกคิดว่าเหมือนกับนึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เวลาเขาจะท่านจะเข้าทางธรรมค่ะก็ต้องมีอุปสรรคเข้ามาแบบนี้ค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยยังไงก็ต้องต้อ ง, ต, องต้องพยายามค่ะพระอาจารย์ใช่เราใช้ความพียายามความพยายามอย่างนี้นะความสำเร็จอย่างนั้นเออก็พระอาจารย์จะย้ําประโยคนี้กับหนูอยู่เสมอว่าความ พยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะคะหนูก็จําเอาไว้อะค่ะพระอาจารย์แต่ว่าบางทีความพยายามเรามันไม่หนักๆนะค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ทิ้งก็หลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยความเพียรหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรค่ะเจ้าค่ะก็ต้องใช้แบบนี้ค่ะก็ใช้ฝึกสติอะค่ะก็ภาวนาพุทโธพุทโธไปแต่ว่ามันก็มีเวลาก็จะนั่งสมาธิอย่างเมื่อกี้ตอนไปนั่งรอลูกที่คอดแบดอะค่ะก็ หนูก็เสียบหูฟังเทศฟังธรรมพระอาจารย์แล้วหนูก็นั่งสมาธิที่ขอดแบตไประหว่างรอลูกนะคะก็ไม่หนูไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดหนูนั่งเฉยหนูก็จะเข้าไปนั่งดูแบบเออดูซีรีส์ดูทีวีดูละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ายูทูปมันก็เสียเวลาก็นั่งนั่งสมาธิรอก็แล้วกันอะไรแบบเนี้ค่ะพระอาจารย์ชีวิตก็ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากค่ะก็ตั้งแต่ใช้ธรรมะของพระอาจารย์ก็รู้จัก กรรู้จักวิธีในการคิดมากขึ้นค่ะก็ไ ม, ไม่ไม่ค่อยได้มีทุกอะไรค่ะก็จะทุ ก, ก็แค่เรื่องลูกนี่แหละค่ะเราพยายามคิดว่าเขาเป็นน้นตาเนยเหมือนกันนะค่ะพระอาจารย์ก็อพอตอนทุกเรื่องลูกแล้วหนูฟังธรรมะพระอาจารย์อยู่พอดีค่ะพระอาจารย์ก็พูดบประหลงนี้เข้ามาในหัวพอดีตอนที่ว่าจะชอบมัน กล้วยจะให้ไปเป็นส้มก็คงไม่ได้อะค่ะก็เหมือนลูกเราอะค่ะก็<ช>แล้วพระอาจารย์ก็พูดประโยคนี้ขึ้นมาในในในนั้นเลยว่าลูกก็เราจะไปบังคับเขามันก็คงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําหน้าที่พ่อแม่ไปเลยค่ะจะไปให้เขาเป็นอย่างเราทุกอย่างมันก็ไม่ได้ก็เข้ามาในหัวพอดีเลยค่ะพระอาจารย์ใช่ใช่เป็นส ต, ติเตือนใจเราได้ไม่ให้ไปยึดไปติดมากเกินไปอ่าก็ ชีวิตหนูก็ยุติกับลูกเนี่แหละค่ะพระอาจารย์ที่เป็นเป็นหลักเลยนะคะก็ก็ต้องพยายามพยายามมากๆ า, า่ะคะที่จะไม่ไปยึดติดกับเขามากจนเกินไปนะคะพระอาจารย์เราต้องมีการพัฒนาจากการเป็นธรรมดาต้องขึ้นนีด้วยนะค่ะค่ะพระอาจารย์ก็หนูพยายามจะหาหนทางเข้าคือจะไม่ไม่จําเป็นหนูจะไม่อยากขาดจากการเข้าซูมเลยอาา่ะค่ะก็พยายา ม, มแบบ ถุกวิธีทางแบบว่าไม่ได้ค่ะก็เลยแบบเดี๋ยวนั่งข้างนอกแล้วเข้ามานั่งในห้องปิดไฟมืดบ้างอะไรบ้างอย่างเนี้ยค่ะพระอาจารย์ใช่ค่ะก็ไม่ไม่ได้มีคําถามอะไรค่ะพระอาจารย์ก็ก็เข้ามากราบพระอาจารย์แล้วก็มารายงานตัวด้วยค่ะแล้วก็ยังคงฝึกสติแล้วก็มีโอกาสก็นั่งสมาธิฟังฟังธรรมของพระอาจารย์ไม่ได้ขาดแล้วเกือบทุกวันเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์โอเคสาธุณณ สาธุเจ้าค่ะกล่าวขอบพระคุณพระอาจารย์มากเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะนี่คุณหมอห น, น้าทั้วเจอคุณหมอทำงานหนักไหมครับก็ ก, ก, ก็ไม่หนักครับก็ทาไปไปตามตามก็ก็มีตามคิวตามิวนะตามไปเด้่ยครับแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีไปเลคเชอร์ที่อินเดียเดินทางไปนิยกครับนะแต่แตไปเลคเชอร์<ถ> วันนี้เนื้อหอมแล้วมีคนเชิญไปหลายคนก็มีต้องเตรียมสไลด์เดี๋ยวไปเตรียมเครื่องเเกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจนะเกี่ยวกับพวกรักษาอันนี้เป็นเร่หัวใจแะครับรักษาความดันโดยใช้พวกอุปกรณ์อะไรเงี้ยครับใครที่ตการลันคุไม่ได้ยาทานเป็นวิทยาทานครับใช่ครับเขาก็มาฟังเลคเชอร์เขาเลยให้ไปช่วยสอนเขาครับแต่เลยปฏิบัติ พอบ้างครับเมืกี้ฟังคุณต่ายที่ท่นานอาจารย์สอนว่าเวลาเดินให้พุโทโธเลวลาผมเดินจงกรมอย่างเนี้ยผมก็จะเดินเอาความรู้สึกไปอยู่ที่เทา้าได้ช่าวนกันได้ซ้ายขวาซ้ายขวาไปก็ได้แต่ว่าถ้ามันถ้าท่านถ้านด ถ, ถ้าเราสติเราไม่ดีแล้วเราหลุดเราก็กลับใช้พุโทโธพุทอย่างนี้นะได้ช่วยกันได้แล้วแต่ครับครับ เรารู้สึกว่าต้องอย่างที่อาจารย์สอนครับว่าสติการฝึกสติเดินโยกมเนี่ยมันจะได้สติดีกว่าเพราะนั่งบางทีมันมันจะมันจะหลับมันจะง่วงมันครับอ่าแต่ท่านเดินมาค่อยง่วงมันมันสติมันจะตื่นตัวมากกว่าครับอ่าครับผมครับบองวงนี้เขาเดินเป็นชั่วโมงอะไรนะเคยมีบางสัมมนกสอนให้เดินดีสี่ห้าชั่วโมงอะไรก็ไม่ครับอ่ครับ ผมกดูผลว่าเราก็นั่งแล้วโลกไม่ค่อยได้ก็แสดงว่าสติอาจจะยังมีปกติยังมีไม่พอกาลังฝึกเดินเดินสร้างสติด้วยการเดินจมครัมเดินนานๆเลยไม่ใช่แค่ห้านาทีไม่ใช่สิบยี่สิบนาทีเดินสักชั่วโมงสองชั่วโมงดีกวอาเพราะมันอืมครับอ่ะบางทีผมก็จะใช้วิธีแบบเหมือนไปเดินรับยามนึกภาพเหมือนเดินบนบนเหวแล้วก็ถ้าก้าพลาดก็จะแต่มันก็ มจะได้ไม่เสมอมันจะได้ไม่เผยครับใช่รับเดินแล้วคิดว่าอาจจะเดินตรงนี้อาจจเดี๋ยวอาจจะมีงูน้อยมาก็ได้นะครับครับครับพยายามครับแต่ว่าจะต้องให้มันนานใช่ไ้ยมันจะได้อ่าต้องนานีนถ้ามันถ้าเราเดินได้นานนั่งก็จะไถ้าเดินประสันนั่งมันก็ใช่ใช่เหมือนเครื่องมีน้าจะมันจะขึ้นใต้ดันเลยมันต้องยาวเี้ยอืมครับนะครับใช่ครับเดี๋ยวลองไปพยายาม ถ้ามันนั่งเรายังไม่ได้ผลมากก็เราใช้การเดินสร้างสติขึ้นมาก่อนบชะครับใช่ครับเพราะยังรู้สึกเป็นปัญหาอยู่ต้องนั่งแล้วมันก็ไม่ได้แล้วมันถ้ามันไม่เจ็บมันก็จะหลับมันก็จะง่วงครับใช่ครับแล้จะมันก็เหมือนกัไปเปเสนอกเวทนาก็ไปไปดูมันไปอะไรมันตอนมันก็เหมือนกันไม่ได้มันก็ไม่ได้ใช่ครับเหมือนกันมันก็มันก็ได้ปัญญาแต่ไม่ได้สงบ ได้ครับพยายามฝึกเพิ่มเติมครับสําหรับกันนั่งแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินต่อครับครับอาจจะเดินให้มากกว่านั่งก่อนช่วงนี้ว่าสติมันยังน้อยใช้การเดินสร้างสติให้มากเดินจนกระทั่งเมื่อยจนกระทังเดินไม่ไหวแล้วค่อยมานั่งต่ออืมครับครับครับโอเคทำไปปฏิบัติครับไปยีวันไปยีวัน เอาผมไปไปพุ่งพุ่งนี้อ่าตอนตอนเย็นแล้วก็ไปไปเลคเชอร์วันศุกร์นะครับแล้วก็แล้วก็วันเสาร์ก็บินกลับนะครับค้างคืนเดียวสองคืนนะคางสคืนเดียวใช่ครับครับไปไปคร้างที่หนึ่งคืนเดียวไปอยู่อีกคืนมีบนเครื่องรับนเลคเชอร์ทีินเดียวก็ต้องสองทุ่มแหะไปถึงเราก็ไปสอนนที่โรงพยาบาลทีหนึ่งแล้วก็นอนสองทุ่มถึงสี่ทุ่มแล้วสุเราก็บินอเออเลดไอกลางคืน ไงทยตอนเช้าตอนเช้าวันเสานสาวนเาวนเสารันเสามันเสารัเอ็นเสาม์ันเสาร์วันเส็ร์วนเรันเดาร์วันเ็ไร์ัเสาร์วันเสาร์วัเสร์วัเสร์วันเสาวสไร์ลับเารวันเสาร์วันาันเารันเสาร์นเาร์วัาร์ัสารันกสารนสานเารนเาที่นเสารันเสารันเรันเาร์ัารัานเสารเรเารัเนเสันเานรันเนาเ อาจารย์อ่าไม่มีไม่มีคําถามค่ะก็ได้คําตอบจากหลายๆคนเยอะมากนะคะอาจาดีวันนี้มีคนคุยเรื่องกันย่าหน่อยนะค่ะก็ปฏิบัติต่อไปนะคระโอเ ค, อเคไปได้คุเกย์วัลเลนต่อเย์วัลเลนอยู่ที่ไหนนมาศึรษาอาจารย์ค่ะครั้งนี้เข้ามาฟังเป็นครั้งที่สอแล้วค่ะเข้าสู่อยู่ที่ไหนจห้าเลยไปละสงขาค่ะอาจารย์สงขาโอเคสงขา มีอะไรไหมมีอะไรจะถามไหมอืมไม่มีค่ะเพราะว่าได้ฟังแล้วบางเรื่องที่ญาติฟังสัมภาษณ์เมื่อกี้ค่ะมันก็ใช่ใช่ผ่านล้วแล้วค่ะได้ค่ะโอเคเอาไปใช้เกิดประโยชน์นะค่ะอาจารย์รักษาการ่ปที่คุณหน่อยชัยนิดใช่ไหมพูดถูกว่าชื่อชัยนิดใช่ไหม ถูกต้องค่ะพระอาจารย์กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ลูกไม่มีคำถามค่ะพระอาจารย์มีแต่คำตอบนะก็ยังคงแก้ไขตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปเอยขออภัยคานุษย์หน่อยใส่ลิซนหน้าแล้วพูดไม่ชัดขออภัค่ะอะไรนะหน่อย ใจลีเทนเนอร์ค่ะพูดไม่ค่อยชัดอ๋อไม่เป็นไรนะได้ยินชัดเจนอยู่นะคะไม่มีคำถามค่ะว่าอาจารย์โอเคเห็นก็ไปที่คุณกอลฟต่อเลยคุณกอลฟเป็นไงน้ำหนักลดไหมสู้กับกิเลสไวไหมสู้กับความหิวความอยากไว้ไหมคุณคุณออเมื่อกี้น่าจะ38กิโลเลยคุณจะลดลงมาเท่าไหร่นีก็ก็ตอนนั้นไปทำบุญไปหลอยอดยอด ยอดเกตใจดีแล้วก็ไปกับเพื่อนทีนี้ก็แบบอ่ะรับประทานนิดนึง ก, ก็เลยรดยาวอ่ะ <laughs> มันมีชอบพราะมันไหลเลยนะกิเลสมันไหลว่าไปคือพอเรามาเสยพยความเป็นมนุษย์แล้วความรู้สึกความเป็นเทพของเราก็ลดลงไปเลยการการที่ไม่กินข้าเย็นนี้มันรู้สึกเหมือนเป็นเทพเป็น <laughs> คน จริงๆมันมันรู้สึกเบาแต่อังไปเป็นเป๋กก็แล้วกันนะเป็นมันต้องเ็อย่างดีอยู่ทาไปก็มวยข้าเเขากินแล้วมันเป๋นะแต่แบบก็ไม่รู้ว่าแบบตอนนั้นอ่ะเหมือนคิดถึงตอนแบบหลงตาเดือยอ่ ะ, อะพอเขาได้เข้าเข็เขมพรารู้สึกว่าแบบอ่ะเราไม่หิวเลยนะพอเราไปทําแล้วพอเราหลุดแล้ว่ะการที่เราจะกลับเข้ามาวงโคตรรู้สึกยากกว่า อยาต้องก่อจะกลรบมันก็ต้อต้องไปวิ่งหลายรอบกว่าจะเลาะก่อนจะกลับเข้ามาในวงจรได้ผมก็ไม่ค่อยหวังเลยแต่ว่าแต่ว่าก็คิดคยอมแ พ, ยมพ้ยอมแพ้อะไรยอมแพ้ไม่สู้เลยอย่างอยังยังผ้งาจารย์อย่างทั้าหมดต้องสู้ไม่ถอยนักนักปฏิบัติต้องสู้ไม่ถอยไม่ใช่นักลบไม่ใช่นนักลบเก็บเก็บเก็บข้อมูลคุกคุกคุก ชุกชุขสนามครับพยายามปฏิบัติใปฏิกุูวันนี้ก็พูดเรื่องปฏิกุูอาหารอยู่เนี่ยทำไมันไม่อยักพิจารณาปฏิกรูนต้องคเข้าสมาธิเข้าได้มันส่วนใหญ่จะเข้าไปสงบแต่ว่าถ้ายกอาหารขึ้นมายังไม่เคยแต่ว่าถ้ายกยกร่างกายขึ้นมาคือทําอสุภะได้ครับแต่ว่าอาหารก็คือก็คือคิดว่าในใจตลอดเวล า, น, าน่าจะทําได้ครับ ก็คือเอาปฏิกูลตั้งตั้งไว้แล้วก็คื อ, อ ร, กรักษาอารมณ์นั้นไว้อยู่ในใจแล้วก็พยายามดูไปเรื่อยๆช่วต้องให้มันเกิดให้มันดับพยายามทรงอารมณ์มาไว้เดี๋ยวอันนี้อันนี้เป็นกรรมฐานใช่ไหมเป็นอสุภัสเป็นอาหารเลยปฏิกู ล, าาก ล, ลสัญญาครับคือไม่ต้องให้มันเปลี่ยนนะคือ ย, ยกยกขึ้นมาตั้งไว้คือผมน่าจะรักษาไว้ได้แต่ว่าไม่ไม่รู้จะได้ยัง ก็มันดูในหลายรูปแบบมันจะได้ไม่เบื่อดูตอนนี้อาหารที่อยู่ในปากถูกเกลียวถูกบดอาหารที่อยู่ในท้องเวลาอาเจียนออกมาหรืออาหารที่ถ่ายออกมาดูมันหลายหลายรูปแบบครับเป็นปัญญาด้วยครับทำทำได้ทุกวันนี้ก็ถ้าไม่คิดเรื่องงานจิตใจก็สบายแต่ว่าส่วนใหญ่งานก็เข้ามาทุก ทุกช่องทางเนี่ยเราก็แต่จะเวลาไปปฏิบัติครับคงยากคงยากคงยากอาจะต้ะอารการปฏิบัติก็ต้องลดลดงานลงต้องลดลดความอยากได้นั้นให้มันน้อยลงใช้จ่ายให้น้อยลงถ้ารายรา ย, ายจ่ายน้อยรายรับก็ไม่ต้องมากเรื่อวการใช้จ่ายน้อยกําลังก็ได้ข้อคิดมากเลยจะถามป้าจานอยู่ครับเพราะว่าแบบ มันเราพอเราได้เงินแล้วก็อะแล้ว่าเออของเนี่ยมันเป็นของที่ดีราคามันแพงสมมติว่าแต่ถ้าเราคิดว่าเออเราซื้อของถูกหน่อยแล้วก็ก็ได้ใช่ไ้ยครับก็ดูที่การใช้งานไงถ้ามันใช้งานได้เหมือนกันก็เอาของที่มันถูกกว่าดีกว่าใช่ไหมอย่างรถยนตคละคันละล้านกับคันละห้าแสนมันก็พาเราไปถึงจุดจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งได้เท่ากันใช่ มันมันมันเป็นกิเลสละเอียดของของคนที่แบบว่าอ่ะคุ้มนะเออดีนะแต่เราบางทีเราลืมไปว่าเล็กๆน้อยๆมันบางเหมือนเนี่ยผมซื้อสายชาร์จเนี่ยสมมติอัลลาร้อยนึงก็ใช้ได้แต่ว่าเราไปซื้ออัลลพันอย่างเงี้ยเราก็กอันนี้ก็เร า, เราเดูที่การใช้งานว่าเนี่ยมันคุ้มกว่ากันอันนี้บางทีอาจจะต้อใช้ของแพงของแพงแล้วมันใช้ได้ทนกว่าของถูกมันใช้ไม่ได้ทนถ้าต้องเปลี่ยนหลายบนมันก็ อันนี้ส่นของแพงมันก็จะได้คุ้มค่ากว่านั่งดูได้เหตุได้ผลไม่เป็นไนนรอย่ามาดูพราโอาอันนี้รู้อันนี้แบรนด์ไหมาเนี่ยถ้าอย่างเงี้ ม, ม, ม, มันเป็นกิเลสอ๋อครับเอาเข้าใจแล้วครับอ๋บอเข้าใจส่วนเรื่อางงานก็คือผมไม่ได้อยากรับงานเยอะแต่ว่าคือผมจะเจอลูกค้ามาโกหกมาแบบขอ ง, งานคือคือเราไม่ไม่รับงานแต่ว่า เหมือนค่าแถวเนี้ยคือถ้าเราไม่ทํางานให้หรือว่าเหมือนเราทํางานดีเขาจะมาเรื่อยๆเขาเขาจะโกรธเราอะครับก็โกรธ็โกรธไปเนี่ยเราก็แ ล, กแล้วก็มีความสามารถทําเล่นท่า น, นี้แหละก็ทําไปตามกําลังของเรามีลูกเล่นส า, ารพัดเลยเราไม่สามารถที่จะทําให้คนรักเราทุกคนได้หรอกครับก็ก็ทําอย่างนั้นอยู่ครับก็จะลอาไปทําครับ โอเคทำนะเวลามันน้อยแล้วเดี๋ยวจะต้องกจัดัดการเวลาไว้เลยอาจจะเป็นคุณจิฟเชิญสามนาทีการลรัชการครับอาจารย์เดี๋ยวสักครู่นะคะ Yes no no no nothing it's okay Thank you Oh o k a สาธุครับอาจารย์ยอมแบว่า multitasking มากเลยวันนีแบบโอ้โ ท้ายขวาหน้าหลังแบบเต็มไปหมดเลยพระอาจารย์สบายดีนะคะสบายดีจ้ะค่ะยังไม่มีเลยค่ะช่วงนี้มันช่วงภาษีอะค่ะพระาจารย์มันช่วงนี้เริ่มแล้วะเมษาสิบห้าใช่ไหมเขาเริ่มทำแล้วสิ้นสุดเดือนเมษาค่ะวันที่สิบห้าแต่ว่าก็ถ้าเกิดบางคนพร้อมก็ทำเลยบางคนไม่พร้อมก็ต่อต่อยาวไปถึงเดือนออกโทเบอร์ถึงเดือนตุลาค่ะต่อได้เลย ค่ะค่ะ<ม>แต่ว่าก็ต้องเสียค่าต่อเอาอะค่ะแต่ว่ามีค่าปรบับด้วยนะก็ขเขาก็คิดค่าธรรมเนียมนิดนึงบางครัไม่มไ ม, ไม่ไม่เท่าไหร่บางครัแบบ<ม>สําหรับคนที่อยากจะต่อนะคะค่ะโ<ม>ยมก็โอ๊ยพราหน้า่าสิโยมก็โอ๊ยมีบททดสอบมาอีกแล้วตอนแรกไม่มีปัญหาปีที่แล้วไม่มีพอปีนี้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพ่อของลูกก็เลยแบบโอ้เรื่องยาวเลยเรื่องภาษีโยมเลยแบบโอ๊ยอะไรเบี้ยก็เลยไม่เป็นไรค่ะก็ ก็ S <S ผ่านเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแบบที่พระอาจารย์บอกมันไม่มีอะไรถาวรค่ะอย่าไปอย่าไปทุกข์กับมันน ะ, ะน ม, นมาแมาเดี๋ยวมันก็ไปทุกอย่างไม่เทีย่ยงค่ะก็ไม่ทุกข์ถึงแม้มันจะเป็นเรื่องเงินเงินทองๆแต่แบบบางทีเราไปไล่ตามมันก็เหนื่อยทุกเรื่องอะอค่ะพระอาจารย์บางทีเออปล่อยมันเถอดเดี๋ยวมันก็มีทางบางครั้งอยู่นิ่งๆเดี๋ยวมันน้ำมันก็หาทางพัดไปเองอะ เราอยา umm> ู่ในี่ดีกว่าไม่ได้ก็ดีทำใจทำใจในการค่ะก็คืออะไรที่เราตามแก้ได้ก็แก้ถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวมันก okay> ็มีทางออกไปเองนะคะอาจารย์ค่ะค่ะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะอยากได้ยินเสียงพระอาจารย์เฉยๆค่ะก็ค่ะเวลาที่นี่ก็ปรับแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้ของโยมสิบเอ็ดมงกว่าของอาจารย์ก็เพิ่งส okay ี่ทุ่กว่าใช่ไหมคะ ใช่เริ่มเริ่มปรับแล้วเหรอเริ่มปรับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่าน<อ>ามาค่ะ okay. ค่ะค่ะพระจารย์ของอาจารย์ท้าทขันแข่งแรงนะเจ้าคะก็ okay. เีย d a i h t saving ถามว่าไง d a i h t saving time ค่ะมันจะปรับเดืเอนมีนาคที่ผ่านมาแล้วก็ไปอีกทีหนึ่งก็โนยเมเบอค่ะมีนาค Move forward November fall back ใช่ใช่ค่ะก็ต้องพอนยมเบอตเวลาเราก็จะต้องแบบตรงกันพอดีแบบแปดกับแปด แตบตอนนี้มันจะเป็นเหลื่อมกันสิบสเอ็ดย่างเงี้ยคนนเราสิบสามชั่วโมงใช่โยมก็เผลิดเพลินช้ากว่าเราใช่ของของโยมช้ากว่าก็ตอนแรงโยมก็แบบอุ้ยสิบโมงแปดโมงเช้าแล้วจะจะล็อกอินของพระอาจารย์อุ้ยไม่ใช่ของอาจารย์เพิ่งเก้าเพิ่งยังไม่ถึงสามทุ่มยังไม่ถึงสองทุ่มเลยอะไรเงี้ยค่ะค่ะ ก็ก็สับสนเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรค่ะค่ะขอพระจ้นแข็งแรงนะเ้าค่ะค่ขอบคุณค่ะก่อนกอมาสักการะเจ้าทีค่ะคุณสีดานะแม่คุณสีดานะแคือตัวหนรสือมันน่าบะองวมาชันเจนคุณสีดานะสีดานี่เจนพูดได้เหมครับ นำพิการครับอยู่ที่ไหนอ๋ออยู่สิงบุรีครับผมครับมามารับฟังเจ๋เจยครับผมครับมาครับมารับฟังครับผมครับมามาครั้งแรกมารับฟังยินดีต้อนรับยินดีขนานธรรมของพะอาจันครับแต่แต่เคยไปวัดพ่อจันหลายปีแล้วครับโอเคมหลังก็มาใหม่นะครับผมครับครับอ่าไปที่คุณหมอสุรัตน์มีอะไรเลยอ๋อไม่มีคุณหมอสุรัตน์เนี่ย่ไ ไม่มีคำถามเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์โอเคเยันบายดีอาจารย์สายทิพต่ออาจารนี้ไหนขอนแก่นครับนวัตการพระอาจารย์เจ้าค่ะอยู่ขอนแก่นเจ้าค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพระอาจารย์ให้กันบ้านไปสามข้อค่ะ <Yeah. S 2> ไม่ให้กินขนมหนูก็คิดว่าหนูตั้งใจว่าจะไม่ซื้อขนมมากินเองค่ะพระอาจารย์แต่ว่าของที่มีขอกินให้หมดก่อน <laughs> เีดจริญ <laughs> เอ็ให้มันหมดแล้วก็ไม่ซื้อมาฟเฟหรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราซื้อไว้ในห้องทีนี้ตื่นเช้ามาพี่รุมเมตซื้อขนมมาฝากแล้ก็โออยตายแล้วอพี่คะป้าจย์เพิ่งบอกหนูไม่ให้กินขนมแต่เป็นเรื่องยกเว้นถ้าคนในก็ล้องมาให้เราก็ต้องฉลองศรัทธาแน่นอน ค่ะหนูก็เลยคิดว่าตั้งใจว่าจะไม่เป็นคนที่ซื้อขนมมากินเองแต่ว่าถ้าคนอื่นซื้อมากินหรือมันอยู่ในมื้ออาหารที่คนอื่นซื้อมาก็กินได้อแต่ก็แต่ว่าก็โอเคแต่หนูตั้งใจว่าจะไม่เป็นคนที่ซื้อเพื่อมากินเองค่ะพระอาจารย์อย่าอย่าสุดตรงกันเลยเดี๋ยอยู่กับโลกเขาไม่ได้ค่ะก็เลยกินเพราะว่าพี่เขาซื้อมาฝากยวเสียดายใช่แต่แล้ก็ ก็บอกอยู่ว่าหนูเพิ่งคุยกับพระอาจารย์เมื่อคืนนี้เองพระอาจารย์รู้ด้วยว่าหนูแทบกินขนมแล้วก็อีกอันหนึ่งเรื่องอาหารค่ะพระอาจารย์ท anyway, ี่จะพยายามลดมาเป็นหนึ่งมื้อสองมื้อก็พยายามปรับอยู่ค่ะพระอาจารย์ก็อาจจะมีบางบางวันเลื่อนมากินสักสิบเอ็ดโมงอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่พอกลางคืนมันหิวก็เลยเอาว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงปรับตัวขอก่อนค่ะแต่ว่า ตั้งใจว่าจะจะจ ะ, จะพยายามทําให้ได้ไม่เกินสองมือค่ะพระอาจารย์ค<ด>่อๆค่อยๆลดไปดี ก, กันหนึ่งค<ด>ือทูบค่ะพระอาจารย์ก็ดูดูถือว่าก็คือเรื่องที่เป็นพวกบันเทนตเนี้ยคือแทบจะไม่ดูเลยค่ะพระอาจารย์แต่ว่ามีแอปทําเรืองนี้มันผ่านตาขอจอดดูหน่อย<ด>อะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่ว่าไม่ได้กดเข้าไปแต่ก็รู้ว่าก็ยังไม่โอเคค่ะแต่จะพยายามต่อไปค่ะพระอาจารย์ ดอยวไปดูมันเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรกันเลยแอ บ, บชำเลืองจนจอดดูแต่คิดในใจว่าต้องทําได้ในสักวันนึงเพราะว่าเหมือนละครหรือเพลงที่เราเคยชอบตอนนี้ไม่ไม่ได้คิดถึงเลยค่ะพระอาจารย์มันหายไปเลยอ่าใช่ก็เราทําถ้าจะทํายิงๆทำได้ค่ะอที่เราจะเอาก็ไม่นะถ้าเราทํำมันใจอ่อนมันก็เลยกลัแต่ชำเลืองมองหนูก็เลยคิดในใจว่า เห็นพระอาจารย์พูดเรื่องความสงบเป็นคู่ชีวิตอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ก็เลยเออเรามีความสงบเป็นคู่ชีวิตมีกิเกวเป็นความหลง mm hmm. ความหลงเข้ามาก็เลยต้องกําจัดมันให้ได้ไม่งั้นเราจะต้องได้รับอันตรายจากความหลง mm hmm. อะไรเงี้ยค่ะพ <Okay. S 2> ระอาจารย์ค่อยสอนตัวเองค่ะแล้วก็ตอนนี้รู้จักคําว่าผู้รู้กับผู้ตื่นแต่ว่าผู้เบิกบาน ยังไม่ค่อยไม่ค่อยรู้ค่ะว่าอาจารย์ยังไม่เบิกบานเลยังไม่ถึงคิดว่าจะยังเศร้ามองอยู่ไม่ไม่เศร้ามองแต่ว่าก็ไม่ได้เบิกบานตลอดอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์เนก็ก็รู้รู้จักคาพูดรู้แล้วแล้วก็รู้ว่าผู้ผู้ตื่นก็คือพอมีสติผู้รู้ก็ตื่นอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ตื่นตื่นจากอ่ากิเลศอะไรเงี้ยค่ะถ้าเบิกบานก็ต้องทําให้สงบต้องทำใจให้สงบแล้วก็จะเบิกบาน เรายังทําได้เรายังทําไม่ได้ก็เลยยังไม่ซึ้งใจคําว่าผู้เบิกบานค่ะพระอาจารย์คพยายามนั่งสเตปนั่งสมาธิบ่อยๆนั่งสมาธิแรงบ้างค่ะค่ะพยายามต่อไปค่ะพระอาจารย์ค่ะโอเคให้กําลังใจให้กําลังใจนะ่าทุกค่ะจะพยายามให้ให้ได้ค่ะพระอาจารย์โอเค่ะธุค่ะไปที่สกลนครคุณนิสิด การนมัสการพระอาจารย์คไม่มีคาถามครับพระอาจารย์โอเคองั้นปที่ชมอะไเลยเคุณูกตานนมัสการคับพระอาจารย์วันนี้ไม่มีคาถามค่ะมาร่วมร่วมฟังธรรมค่ะโอเค็นนมริแลนด์กานมัสการค่พระอาจารย์โยมก็ไม่มีคาถามค่ะเข้ามากราบพระอาจารย์ค่ะโอเคทุกอย่างโอเคนะกอย่างโอเคค่ะ โอเคในคนพนามเซมมเรัมเหรอบตม่องกนใช่ไเซรัมออริกันเจ้าค่ะ <Okay. S 1> ลูกมากราบพระอาจารย์ค่ะมาเพิ่มพลังตเติมพลังรับพลังจากพระอาจารย์ปฏิบัติต่อเนื่องเจ้าค่ะพระอาจารย์อันดีอนุโมทนาสาธุญาณแบบขอบคุณในความเมตตาของพระอาจารย์เจ้าค่ะที่คอยอบรมสอน ลูกสทิทุกคนคะ่ะผมจะตั้งใจทําต่อไปเจ้าค่ะหลวงพ่อฮะทุกอย่างเดินไปที่คนป็นบัณฑด็ดต่อเลยเป็นๆเชิญนักศึกษาครับที่มีคําถามมะอาจารย์มาฟังทำโอเคเดินไปที่คุณลาคุณลาเชิญบบกกมีมรอง เ, เท้าทังว้านไหมดาบนมาส ก, การคร่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดสี่คำถามจากทางเฟซบุ๊กและยูทูบเจ้าค่ะจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม กลับนมัสการพระอาจารย์ครับคำถามข้อที่หนึ่งการถวายผ้าขาวแก่พระเพื่อบังสกุลให้กับผู้ตายเป็นหลักที่ถูกต้องตามพระพุทธศาสนาหรือไม่ครับและผู้ตายจะได้รับบุญต่างจากการที่เราถวายปัจจัยหรือสังฆทานอย่างไรครับอ๋อไม่ต่างระลับบุญเนี่ก็จากการให้วัตถุอย่างใดอย่างหนึง่งจะเป็นอาหารก็ได้เครื่องนุ่หมผ้าผ้าบังสกุลก็ได้ ยาก็ได้ที่ออาัยก็ได้เครื่องใช้อาหารทั้งหลายเนี่ยต่อให้ไปก็จะได้บุญเหมือนกันทีนี้เขามีทาเนียว่าสําหรับเวลาพ้าผ้าป่าหรือผ้าขาวเนี่ยผ้าบางสกุลเนี่ยเขาบ้าจะทํากับงานศพเนื่องจากว่าเดิมทีเนี่ยผ้าผ้าผ้าขาวเนี่ยที่ผ้าไปเอาหาต้องไปหาได้ป่าช้าคือเป็นผ้าที่เขาใช้หอบศพ สมัยก่อนก็ไม่ฝังไม่เผาเวลาคนตายก็เอาผ้าขาวมัดคอร่างซากสมแล้วก็ไปทิ้งไว้ในป่าให้มันเน่าเปื่อยไปพอเน่าไปแล้วผ้า ก, ก็ไม่มีใครต้องการก็พวกพระนี่แนะพวกนังหมวชที่เวลาต้องการจะตัดเย็บจีวันก็ไปเก็บผ้าอะหลันี้มาเราเรียกผ้ า, าป่านผ้าบางสกุลก็เลยเป็นธรรมเนียมเวลาถ้าทำพิธีเกี่ยวกับคนตายทําุญเกี่ยวคนตายมักจะถวายผ้าขาวใหรือวให้พระ จะให้ผ้าไปชักผ้าที่ที่น้าโลงศพหีบศพอาจจะเป็นผ้าสําเร็จแล้วก็ได้หรือเป็นผ้าขาวก็ได้น้า แ, แต่น้า แ, แต่ทำเนียมของแต่ละวัดแต่ก็เพื่อเป็นการทําบุญทําทานอย่างหนึง่งสามารถอุทิศบุญนี้ให้กับผู้ร้องรับไปแล้วได้เช่นเดียวกับการใส่บาตรเช่นเดียวกับการถวายยาเช่นเดียวกับการสร้างโบสถ์ถวายอะไรเหมือนกันเป็นบุญเหมือนกัน คำถามข้อที่สองถ้าจิตวิญญาณของผู้ตายยังคงวนเวียนอยู่กับครอบครัวถึงแม้นครอบครัวจะทําบุญอุทิศให้แล้วขอพระอาจารย์ช่วยแนะนําวิธีที่จะให้จิตวิญญาณนั้นได้ไปเกิดใหม่ครับอ๋อไม่ต้องกังวลอ่ะเขาเขาจะวนเวียนก็เป็นเรื่องของเขาเราไปห้ามก็ไม่ได้เดี๋ยวถึงเวลาเขาก็ไปของเขาเองไม่ต้องไปทําอะไรทั้งสิ้นมันเป็นเรื่องของ วิถีจิตของเขาบางทีเขายังอาจจะมีความรักความผูมกพันกับสิ่งหนึ่งพิ่งใดอยู่เขาก็เลยบนเวีย น, นสมัยก่อนในสมัยพุทธกาลก็มีเศรษฐีคนหนึ่งมีทรัพย์สมบัติเขา้าของเงินทองเยอะแต่ไม่บอกไม่ยอมบอกใครไม่ยอมให้ใครมีเงินเข้าไปฝังดินฝังดินไว้พอตายไปก็เลยกลับมาเกิดเป็นชุนยังในบ้านตเองตอนเองทเจรินผัน เดินผ่านวัดบ้านไปเห็นสุนัขตัวนี้ก็รู้ว่าเป็นเศรษฐีเจ้าของบ้านกที่ตายไปแต่ความรักสมบัติห่วงสมบัติก็เลยกลับมาเกิดในท้องสุนัขที่บ้านของตนเองพระเจ้ า, จาก็เลยบอกลูกๆว่าลูกลนะหม า, าตัวนี้มันเป็นพ่อของเจ้านะเดี๋ยวมันจะพาไปขุดส ม, สมบัติที่พ่อเคยฝังเอาไว้เนี้ยมันให้ดีอย่าให้มันตายอย่าให้มันหายไปนะ แล้วก็เป็นอย่างที่พระเจ้าพูดเดี๋ยวมันก็มันก็นไปกดสมบัตบิต่างๆที่มันมอนมันเคยฝังเก็บมาไว้อันนี้เป็นเรื่องของความผูกพันของดวงวิญญาณแต่ละคนแล้วก็มีความผูกพันก็ก็เขาก็จะวนเวียนอยู่จังบาะเขารู้ว่าเขาไม่สามารถทําในสิ่งที่เขาอยากจะทําได้แล้วเขาก็จะไปเองเราทำอะไรให้กับเขาไม่ได้นอกจาอยากทําบุญอยูที่ไปแต่เขาก็ไม่ต้องการบุญอยู่ทิ่ของเราเขาต้องการสิ่งที่เขายังมีความรักความผูกพันอยู่ คำถามข้อที่สามการพิจารณาร่างกายจําเป็นต้องพิจารณาอาการให้ครบสามสิบสองและต้องพิจารณาอสุพะให้ครบทั้งสิบอาการใหมครับก็มัน่า แ, แต่การพิจารณาอสุพะเรื่องการสังสิบสองที่เพื่อให้เราเห็นความไม่สวยงามของร่างกายเพื่อที่จะดับความหลงที่ไปหลงเห็นคนนั้นคนนี้รูปหลอ่อเรื่องสวยงาม แต่พอเห็นว่าร่างกายก็วันหนึ่งก็ต้องกลายเป็นซากศพไปหรือว่าขณะที่มีชีวิตอยู่ภายใต้ผิวหนังเขก็มีแต่อาการที่ไม่น่าสวยงามให้ดูอยู่ตลอดเวลาเพียงแต ม, มีหนังผุ่มพอไว้เราเลยมองไม่เห็นหน้าเลงไม่มีโครงกระดูกมีอวัย ว, วะต่างๆเราต้องการเห็นส่วนนี้เพื่อที่อะไรมาทําลายส่วนที่ล้สวส่วนที่เราไปมองเห็นว่ามันสวยมันงามและรูปหลอก ถ้าเราสามารถระงับความอยากเสพกามกับเขาได้ก็ใช้ได้จะดูทั้งหมด32หรืออาการบางส่วนบางคนดูแค่อาการเดียวก็ได้เห็นเห็นใครดี่ไรก็เห็นครงมาดูทุกทีอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ความรักความชอบในร่างกายนั้นก็หายไปหมดคำถามสุดท้ายกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ ขอโอกาสพระอาจารย์อธิบายเรื่องอินทรีย์สังวรเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเจ้าค่ะการํานวนอินทรีย์ก็คือสํารวมตาหูจมูกนิ้วตายเนี่ยนิ้ต า, ตาเราอย่าไปดูรูปเสียงตาหูจมูกนิ้วตาเราอย่าไปสัมผัสกับรูปเสียงกินแล้วที่ทําให้เกิดการมารนลมขึ้นมานักปฏิบัติถ้าเกิดการมารนลมเกิดการมาฉันทะแล้วมันจะใจมันจะไม่สงบมันจะสงบยากเพราะมันจะคิดแต่จะไปเสกกรรมอย่างเดียวนั้นต้องไพยายามไป ก็อยู่ที่การห่างไกลจากสรูปเสียงกลิ่นรส่ะไปปฏิบัติตามป่าตามเขาอยู่ในที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสที่จะมายั่วยวนกวนใจถ้าไปปฏิบัติในบ้านในเมืองนี่ยเดี๋ยวก็เห็นคนแต่งตัวสวยงามรูปหล่อต่างๆขึ้นมาเห็นแล้วก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาไม่สามารถไปนั่งสมาธิได้นี่คือเรียก NC สองอรอนลำลอบตาหูจมูกนึงกายเนย อย่างยูดูยูทนี่ก็เหมือกันนะอันนี้ก็ไม่สำรวมตาโอ้ยตาก็ดูหูก็ฟังเนยดูแล้วมันก็เกิดอารมณ์ขึ้นมามันก็เลยทำให้ไม่ไม่อยากจะไม่นั่งสมาธิหมดแล้วใช่ไหมรู้คหมดแล้วเชียวค่ะบางคนก็ไปติดรูปเสียงรูปของอาหารเกินของอาหารพอได้กินได้เห็นรูปของอาหารก็หิวขึ้นมาทีไม่นั่งสมาธิไม่ได้ต้องสั่งอาหารมากิน ในวิตัวอย่างในห้องนี้สองคนเนี่ยคนทนึ่งก็อยู่ทุคนทนึ่งก็อาหางวม่นด้ว่าใครนวพูดเป็นยกเป็นตัวอย่างโอเคสำหรับคืนนี้ก็พอดีเวลาก็หมดพอดีก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจรารณานไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจรานก้าวหน้าเนี่ยทำยิ่งขึ้นไปเธอ